เ่านประธานท่านสาธุชนพุทธบุรุษผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นอีวันหนึ่งที่เราจะได้มาสนทนาธรรมกั น, นใครมีความสนใจต้องการที่จะเข้ามาก็เชิญเข้ามาได้ทุกๆท่านจะต้องรองชิวพอเราคุยก็ได้ข้างห น, น้าหนึ่งท่าน ใครเข้ามาก่อนก็จะได้คุยก่อนได้คุยก่อนถ้าได้คุยคุณปุณยานุชคุณปุณยานุชชานลูกเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะมาร่วมรับฟังไม่มีคําถามเจ้าค่ะเป็นไปที่คุณนโมเด็กชายนโมอานาสการครัพระอาจารย์วันนี้มาส่งคนบ้านแล้วก็มีคําถามมาถามพระอาจารย์ค่ะถามว่าอะไร ก็คือก็ได้ลองกลับไปฝึกแล้วครับแล้วก็ <c oughs> ต้องขยายเวลาครับพระอาจารย์เพราะว่าเวลาผมนั่งอรผมจะสังเกตตัวเองครับว่าช่วงสิบนาทีแรกที่นั่งนะครับนั่งฝึกสติครับดูลมหายใจใช้พุโทโธครับมันจะ <c oughs> มันจะเหมือนว่ า, วามันจะจิตมันยังไม่ค่อยมี <c oughs> มีความคิดต่างๆออแทรกเข้ามาครับแต่ว่าพอหลังจากสิบนาทีไปมันจะเริ่ม สงบขึ้นครับอาจาร์อันนี้ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องเพิ่มเวลาการนั่งสมาธิไปอีกครับอาจาร์แล้วก <c oughs> ็ใช่ครับก็แล้วก็พยายามาฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆครับผาจารย์ตั้งแต่คร า, าวที่แล้วที่รายงานผูจารย์ไปครับก็รู้สึกว่าสติมัน เข้มแข็งขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ยังไม่ถึงขั้นจิตรวมเหมือนเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาครับอาจารย์อก็เป็นเรื่องปกติเอราสติเรามันยังไม่สถียรยังไม่ s ต a b l e ยังขึ้นขึ้นลอยู่พนุการปฏิบัติในก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลตามความหลากลายของสติของเราค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อย่าหยุดเวลาไม่ได้ผลไม่อยับไปทอ้อเวลาได้ผลไม่อย่าไปไดีใจตอนมันเชื่อว่าจะได้สักแบบไหนเพราะว่าการอธิบายของเราอย่างแบบนุ่มๆดอย ๆ, ๆครับพระอาจารย์แล้วก็ช่วงตอนอตอนกลางตอนเช้ากลางวันกับเพียนนะครับมันจะสามารถแบบ ฝึกการรู้ตัวได้ง่ายครับอาจารย์เพราะว่ามันมีสติเพราะเราเปิดตาอยู่ตลอดเวลาครับหรือบางทีก็ปิดตาแต่มันคือก่อนหน้านี้มันคือรู้อะครับอาจารย์แต่พอนอนไปอะครับอาจารย์คือพอนอนไปปุ๊บด้วยความที่เหนื่อยมาทั้งวันแล้วพอนอนนะครับมันก็จะมีความคิดฟุ้งซ่านทําให้ตอนนอนมันก็จะฝันถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะครับอาจารย์ ดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมก็เลยจะถามว่านอกจากในช่วงตอนแบบตอนที่ยังมีแบบอตอนช่วงเช้ากลางวันกับเย็นแล้วอะตอนที่เราหลับครับอาจารย์มันจะมีวิธีแบบควบคุมความฟุม้งซ่านตอนเรานอนไหมครับอาจารย์วเวลานอนควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ตอนที่เราไม่นอนพยายามใช้สติลดการคิดปลุกแต่งให้มันน้อยลงไปแล้วเวลานอนมันก็จะคิดน้อยตาม นอยนได้ครับพอาจารย์จะลองกลับไปฝึกครับ mm hmm. แล้วก็อ่านมงคลสามสิบแปดตามที่พอาจารย์ได้ให้กันบ้านไว้ครับแล้วก็มีข้อนึงที่สงสัยเลยอ่อยากมาเรียนถามพอาจารย์ครับคือคําถามที่ว่าเป็นข้อสิบครับระอาจารย์กล่าววาจะอันเป็นสุภาษิตครับอาจารย์สุภาษิตคือคำพูดที่มีคุณมีประโยชน์ เป็นวิชาการเป็นความรู้ <c oughs> สุภาษิใช <c oughs> ่หมครับ <c oughs> อเช <c oughs> ่นคำสอน ต, ต่างๆของทธาจารย์นี่ถือว่าเป็นสุภาษิตเพราะมันมีคนมีประโยชน์ําหรับผู้ฟังพูดแล้วมันทำให้คนฟังฉลาดขึ้นเรียกสุภาษิถ้าฟังแล้วทำให้คนโง่องแสดงว่าไม่ใช่สุภาษิทุพาษิ ขอให้พูดให้คนงงง่าให้เชื่อวิ่งเชื่อช้างเชื่ออะไรไหว้ไหว้ลิงไหว้ช้างอะไรต้รนครับอาจารย์ลาครับจะลองกลับไปทบทวนครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามแล้วครับอาจารย์ในเราจะพูดอะไรต้องพูดให้มันมีความรู้ให้คนอื่นเขาฟังแล้วก็ได้รับประโยชน์อย่างที่เข้ามาฟังในวันนี้เราพูดสุภาษิตเท่านั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ ถ้าเวลาคุยกับเพื่อนนั้นคุยเรื่องสัพเพเหระใช่ไหมครับคนนั้นมีประโยชน์ไหมไม่มีเลยครับพระเจนาต้อพูดไปทําไมพูดให้เสียน้าลายเสียเวลาเสียคุณค่าเสียเครดิตในตัวเราแสดงว่าในตัวเราไม่มีความรู้อะไรเลยมีแต่เรื่องเลีวไหลนั้นครับพระเจ้เวลาจะพูดอะไรต้องคิดให้ดีก่อนถ้าพูดแล้วมันไม่มี สารประโยชน์ก็อยากพูดอีกมาหรือเฉยฟดีกว่าฟังดีงด๋ยวพูดเลยเราไปเเฉ ย, เฉย ไ, ได้ครับพระอาจารย์ครับกับขอบคุณพระอาจารย์มากครับ โ, โยชาราักาเป็นยังไงสบายดีแล้วสบายดีค่ะพระอาจารย์วันนี้มาฟังธรรมค่ะปฏิบัติทุกวันนะครับอันนี้ไม่ต้องถามอะไรรู้หมดอนะ <c oughs> ตานฟังแล้วก็เอาไปปรับค่ะอาจารย์โอเคจากนั้นกับชาติที่เจริญกลับมาพการพระอาจารย์ครับวันนี้มีคําถามเรื่องความโกรธครับพระอาจารย์ถามมาเลยก็คือเวลาที่เราโกรธครับพุดโทมันไม่ไหวเแบบมันพูดแบบแบบอุดโทมันเอาไม่ไหวอะครับมีคําอื่นไหมครับ คำไหนนที่เราพูดไปแค่เราเอาไปดูพ่อนะแม่นะอ่ oh, <thank> าได้ครับอะไรที่พูดออกก็ลคำนั้นแทนกะ็ได <c oughs> ้เราลองเปลี่ยนดูแต่ขอให้ท่องนานๆนะไม่ใช่ท่องสองสามสองสามครั้งแล้วปิดมันท่องท่องนานถึงควรจะซ่อมให้ก่อนนะอย่ยจะท่องคำไหนก็่องไปก่อนพอเดี๋ยเวลาโกรธมัน ต้องใช้ความพยายามมากถึงจะท่องมาได้ถ้าไม่เศร้าไม่กล่อมมันจะมันจะท่องไม่ให้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก่อนหรือทําคําว่าอยากคิดอยากคิดก็ไดรืยากโกรอยากโกรธก็ได้อืครับเวลาโกรธก็อยากโกรธอยากโกรธอยากโกรธอยากโกรธอยากโกรธครับครับ แต่ต้องท่องนานๆนะท่องไปจนกว่าความโกรธจะหายไปถึงจะหยุดไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่ใช่ท่องไปพักแล้วความโกรธยังอยู่แสดงว่ายังไม่พอกยังต้องท่องต่อไปท่องไปจนกว่าความโกรธหายไปถึงจะหยุดได้อา <Okay. S 1> จารย์ไหมอา <Okay. S 1> จารย์ครับมีอะไรไหมวันนี้ผมด้วยใช่ไหมครับผมเคยลอง นอนเสือครับอะไรเสือลองนอนดนเสือครับนอนเสือครับนุ่คลื่นนะครับแล้วก็นอนสบายอยู่ครับเติมสดมาสดชื่นนะครับนอนเสือจะได้นอนได้มากเนี้่ยเขาทดลองนอนนะคะให้ปูเป็นเหมือนเสือโยคะค่ะคนเล็กค่ะเขาก็นอนได้ค่ะ อได้นั้นแหละร่าง ก, กายมันมันต้องกมันจะง่วงมันมันก็นอนได้ในทุกทุกรูปแบบ <c oughs> ก็ดีนะพยายามนอนแบบง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินช้าซื้อเตียงซื้ออะไรมานอนให้มันเสียเงินเสียทองเปล่า <c oughs> ต, ต่อไปเราไปนอนที่ไหนที่บ้านใครแล้วก็นอนได้ที่ไหนก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเราเคยนอนเตียง สบายสบายเดี๋ยวเราเวลาไปนอนที่อื่นเราไม่มีเตียงสบายนอนจะนอนไม่หละบใช่ไหมพระอาจร์สอนให้เราอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่ในกระต๊อบก็อยู่ได้อยู่ในอยู่ในเต้ก็อยู่ได้ <Okay. S 1> กินก็กินง่ายมีอะไรกินก็กินไปอย่าไปเลือกไม่ต้องไปบอกแม่ว่าจยากกินนั้นนูนอยากกินให่นี่ นม่นจัดมาให้น่าจัดอะไรทำอะไรให้กินหัดกินไปคแล้อจะเป็นคนที่น่ารักอยู่กับใครเขาก็ไม่ไม่เบื่อแล้วเป็นคนชูช้ใจจุดจิกเจ้าอย่างนั้นจเจ้าอย่างนี้เด็กคนเขาก็เบื่อนะเพราะเจ้าบอกสันโดสันโ ด, นโดคือยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรคก็ยินดีแฮปปี้กับสิ่งที่เขาให้เรามาแม่ทากับข้าวเรให้กินก็จิงไปแฮปปี้ แล้วนะไปอยู่กับใครก็จะแฮปปี้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องไม่ดาวไม่มีใครรังเกียจแตถ้าเป็น จ, <Okay. S 1> จ, จู้จี้จิกๆว่าจะต้องกินอาหารอย่างนั้นกินอย่างนี้เด็เขาบอกอย่าอยู่ในแบบไปเลยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> นะมนิสัยอยู่ง่ายกิน ง, ง่ายนอนง่ายทำอะไร ง, ง่ายๆนะอย่าไปอย่าไปฟิกว่าจะต้องหู่ร้าต้องวิเศษต้องอะไรอย่างนั้น ครับโอเคนะครับหม okay, ดแล้วเหดแล้วหมดแล้วครับโอเคอ่าถือขอบคุณคามจำครับอที่ท่านตอไปคุณน้อพีเชยท่านหมอแล้วราสักการ์ดพระอาจารย์ครับก็ <c oughs> มากราบพระอาจารย์แลโยมได้น้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์มาปฏิบัติอย่างต่อนเนื่องครับพระอาจารย์วันนี้ก็ามาร่วมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ครับ เป็นเธออ น, นะโอเคไปเี่คุณธรรมภาพต่อวันราชธานีตั้งแต่ตั้งแต่ออกจากงานมาจนถึงบัร น, นี้รู้สึกดีขึ้นไหมดีกว่าตอนทำงานไหมเห็น <c oughs> ดีดีขึ้นมากเจ้าขาพระอาจารย์อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์ว่าเป็นการวั <c oughs> นนวันนี้ได้คิดตกผลึกแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเจ้าข่ะาค่ะมัน มันเหมือนกับว่าข้อข้อแรกคือเรามีเวลาในการเจริญสติมากขึ้นตามเป้าหมายที่ที่กับเดียร์พระอาจารย์ว่าเหตุผลหลักที่ออกจากงานคือไม่มีเวลาเจริญสติจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้คือได้ได้ทำบ้างแต่มันแ ต, แต่การบ้านที่พระอาจารย์ให้มาคือให้ตั้งแต่ตื่นจนหลับมันก็ยังไม่ได้ร0อยเอร์เซ็นะจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายาม ท, ที่ที่ไม่มีคําถามเพราะว่ากําลังพยายามทําให้มันได้มากที่สุดอยู่อะเจ้าขาพาจางนั่นแหละทําได้เลยพตอนที่ไม่ต้องรู้อะไรมากสร้างสติขึ้นมาก่อนค่ะแล้วทาจิตให้รวมเป็นสมาธิให้ไดล้วถึงค่อยไปทางรราปัญญาพอถึงทางปัญญานเนี่ยจะต้องถามพิจารณาอะไรบ้างพิจารณาอะไรอย่างไรค่ะ ก็อย่างที่พระอาจารย์ได้ได้ให้ข้อคิดกับน้องน้งโมว่าเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ให้ทําเป็นตัวเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็คือได้ผลดีเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเขาบอกให้ทําอะไรก็พยายามทําตามที่เขาบอกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เขาไม่ใช่เรามารับใช้เขาใช่ค่ะลูกลูกก็คือทํางานบ้านเกือบทุกอย่างที่ที่เขาขอให้ทําทั้งหมดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เราตองการจะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ ประทับประทับพ่อแม่ที่มีความคุ้จําลองอย่างมากใช่เจาา้าค่ะลูกลูกก็คือได้ผลดีในแง่ที่ว่ามาอยู่กับพ่อแม่ก็ลดแรงเสียดทานระหว่างพ่อกับแม่ลงด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์พอแล้ ว, แ ล, วแล้วพอเราเรามาแบ่งเบาภาระความที่มีอารมณ์หรืออะไรต่อกันเขาก็น้อยลงจหาหาจาเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็สงบมากขึ้นเขามีที่เ ข, า ม, ขามีที่ระบายการเียระบายให้ให้คนให้ให้ตัวเขาสองคนมีคนหรกคนที่สามมารับ ถามลงแทนใช่เค่ะขาพ า, าย์แต่เราก็ทำตัวเป็นกระโถนไให้เขาระบายค่ะค่ะก็ ก, ก็พอเราทําตัวทําตัวเป็นแบบว่าอะไรก็ได้มันก็เลยทําให้เขาเหมือนกับสบายใจมากขึ้นเจ้าขาพ า, จายจะสอนแบบจะสอนเขาไปใ น, นตัวด้วยต่อไปเขาจะเห็นความประพฤติของเราแล้วเขาก็จะเห็นมันดีก็ก็อยากจะปรพฤติตามค่ะแล้วก็จะเห็นความความผิดของเขา บทพ้องของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับเรามีตัวอย่างให้เปรียบเทียบ ม, มีเครื่องวัดพวกนี้นะค่ะารรมะธรรมะวิธาาีไหนจะเป็นเครื่องวัดให้คนแหน็นว่าตอนไหนอยู่ในฐานะไหนแต่แต่ก็ยังยังมีบางอย่างก็ทําตามที่อาจารย์บอกก็คืออย่างคุณพ่อเขาก็ยัง กลับมากินเบียร์อยู่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็ทําตามที่ว่าอาจารย์บอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องอะไรแล้วลูกก็เฉยๆไปเจ้าค่ะเขาก็คือทําหน้าที่ของเราไปคือจัดอาหารให้เขาทานหรือเขาอยากได้อะไรก็หาให้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทำไปปกติค่ะไปคนรับใช้ค่ะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่เขาเขาชอบแบบบางทีมีให้เราให้เราแบบ ท ำ, ทำตามความคิดเขาอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราทําทําได้บ้างแต่บางทีลูกก็คือเสนอเขาเป็นข้อคิดเห็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ไม่ได้ไ ม, ไม่ได้สัเข า, ถ, าถ้าไ ม, ไถาไมไ่ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็ไม่เป็นไรค่ะก็ก็ประมาณนั้นค่ะพรอาจารย์<ม>ก็อยู่ได้อย่างมีความสุขเจ้าค่ะหรือถ้าไม่จำเป็นจรก็อยากให้ชั้นอดีตแบบปล่อยให้เขาเล่นไปคนเดียวก็มีหน้าที่ฟังเขาฟังไปอันไหนเราทําได้เราก็ทำอันั้นทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องทำ ทำทำเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นเหมือนดื้อแพง่งเอ๊ะไม่ใช่ใช่ค่ะก็คือทำแบบผู้หอกไปมากแล้วทำแบบพู้หนกไปมากแล้พอเขาพูดค่ะพระอาจารย์ว่าทําต้องศินแปะตลอดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เงียบเงียบเงียบไปเะ <c oughs> ้าค่ะพระอาจารย์ลูกก็บอกว่าขอขอเธออะไรเงี้ยบางทีพูดพูดได้ก็จะพูดว่าขอเธออะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็พอไปได้อยู่เจ้าค่ะ <c oughs> พระอาจารย์มีความสุขดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ นิ่งไ้ที่สุดนิ่งแล้วก็จะไม่มีปัญหาค่ะ ก, ก็ก็พยายามนิ่งๆให้มากที่สุดเจ้าขาพระอาจารย์ค่ะต่อไปนะค่ะก็พยายามเจริญสติเป็นหลักเหมือนที่พระอาจารย์สั่งไว้ใช่ไหมะนั่นก็ต้องทำสมาธิทุกวันนะาขานั่นสงสมาธิยังยังไม่ค่อยได้เจ้าขาพระอาจารย์ก็เลยมองว่าน่าจะสติยังไม่พอเจ้าขาพระอาจารย์ค<า>่ะ<า>ต้องนั่งก็ต้องฝืนนั่งไปด้วย ต้องต้องผื่นั่งด้วยใช่ไหมจ๊ะโ oh. อ้เท่าที่เอาเท่าที่เราทําได้ไปนั่ไม่ก็นั่นไงมันก็จะไม่ได้เริ่มต้นแล้วเวลามันก็ผ่านไปผ่านไปแต่ถ้าเราเริ่มต้นมันก็อย่างน้อยก็ทําให้เราค่อยๆขยับไปหรือแม้จะช้าแยงดีกว่าไม่เริ่มไม่ทําค่ะแล้วถ้านั่งสมาธิลูกยังยังกำหนดอะไรไม่ได้ลูก ส่วนไปก่นอนได้ลูกถนัดแช่งติ้งจ้าค่ะพระอาจารย์ถนัดสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปก่อนได้ใช่ไหมใช่สวดไปภายในใจนั่งนั่ในท่าขัดสมาท่าท่าสมาธิไปเลยค่ะแล้วไม่ต้องสวดหลอกเสียงสวดไปภในใจค่ะแล้วก็พอรู้สึกอยากจะหยุดสวดก็ลองดูลมต่อเลยอืมได้เจ้าค่ะพระอจ ไม่ต้องนั่งประนมือพับเพียบอะไรนั่งเหนือยท่าขัดสมาธินั่งไม่ก็กลังนั่งสมาธิีือแต่ว่าใช้การสวดมนต์ปดาโลแทนการสวดไม่ก็หลับตาสวดนั่งหลับตาสวดแทนค่ะขาได้เจ้าขาพระอาจารย์ไม่เริ่มทำมันก็จะไม่เริ่มหรือไมมันไม่อยากขัดไปเรื่อยๆการนั่งสมาธินี่มันจำกิเลสมันจะคอยขวางอยู่ตลอดเลยนะค่ะ โอเคนะเจ้าค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะค okay, ุณเอกกิตศกรันเอกกิตรครับกละม้มาตรการครับพระอาจารย์รมีงไงมีอะไรในวันนี้ก็สัปดาห์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาครับแต่ว่าก็ติดตามอยู่ด้านนอกนะครับอาจารย์ได้ <Nice. S 1> ครับก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันครับอาจารย์อื แต่ว่าพอช่วงไหนงานเยอะเราปฏิบัติน้อยมันก็จะมีฟุ้งเรื่องงานนะครับอืมก็ก็ต้องหาเวลาไปไปบนเขาครับ<ต>ก็เดี๋ยวต้นต้นเดืนหน้าง่าจะไปครับปีแม่แม่ยืดได้่อยๆครับก็ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับโอเคมันสันทัในนท์ใช่ไมสันทัใช่ไอยู่ที่ไหน <Okay. S 2> สวัสดีครับอาจารย์ครับออยู่ที่ไหนอยู่นครศรีธรรมราชครับอาจารย์ใต้นะครับผมก็คือฟังผ้ า, าจารย์มาประมาณครึ่งปีอะครับหลังจากที่ก็คือเจอคลิปผาอาจารย์พูดถึงก็คือว่าพอดีว่าเสียคุณแม่ไปก็คือเมื่อปลายปีแล้วก็ได้ฟังผ้ า, าจารย์มาตั้งแต่ต้นก็คือมาประมาณครึ่งปีแล้วก็ติดตามมาตลอดอะครับแต่ยังไม่เคยเข้ามาครับ ก็อยาจะถามอะไรไหมก็พอดีว่าพอหลังจากเสียคุณแม่ก็เลยว่าเริ่มสนใจการภาวนากรับป้าจานก็เลยเริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ก็คือประมาณสประมาณสามเดือนมาแล้วอะครับก็เลยก็คือฟังคลิปจากพระ้าจารย์ก็คือแนะนําก็คืออ่าให้ภาวให้ภาวให้บริการมพุทโธพุทโธพุทโธก็คือนั่งสมาธิมาเรื่อยๆก็คือว่าวันนี้ก็คือสนใจอยากจะหาอ่าความรู้ เกี่ยวข้องกับการภาวนาในขั้นปัญญาภาวนาครับพระอาจารย์ว่าเวลาเรามาเวลานั่งนั่งสมาธิมาถึงขั้นที่จิตรวมแล้วครับที่เป็นอารมณ์ที่พระอาจารย์เรียกว่าจิตรวมครับแล้วก็มีภาวะเหมือนกับตกบุกตกหลุมตกบอ่อครับก็คือจะถามว่าเวลาเข้าสู่สภาวะการนั่งการทำวิปัสสนาเนี่ยครับก็คือว่ า, าทุกครั้งที่ว่าจะให้เข้าสู่ภาวะ อ่าการการทําวิปัสสนาเนี่ยครับจะ ต, ต้องนั่งสมาธิจนถึงการตกหลุมตกบ่อทุกครั้งหรือเปล่าครับไม่ใช่หนะมันวิปัสสนากับสมาธินี่มันคนละคนละเรื่องกันไม่ได้ทําพร้อมกันนะอ่าเตกลุมตกบ่อแล้วจิตเนี่งแล้วก็พยายามรักษาให้มันเนิ่งไป น, นานๆไม่ต้องไปทําวิปัสสนาไม่ต้องไปทำอะไรคือในระหว่างที่เรานั่งสมาธิจนกระทั่งมันตกหลุมตกบ่อก็คือนั่งต่อไปจนก็คื อ, อว่าพิจารณา ไม่ต้องคิดกันนะไม่คิดอะไรก <c oughs> ็คือไม่ต้องคิดอะไรก็คือพุทโธพุทโธไปเรื่อยถ้ามันรวรวตอบอกแล้วมันไม่คิดอะไรแล้วมันจะนิ่งเฉยเแล้วเราจะรู้ได้ยังไงะครับว่าอันนี้ก็คือเราเข้าวิปัสนาแล้วอะครับก็ยังไงเนี่ยเราทําสมาธิอยู่เรายังไม่ได้ถึงขั้นวิปัสนาเนอ่ยคุณต้องผ่านขั้นสมาธิให้ชำนาญก่อนเหมันขับรถเนี่ยก่อนที่คุณจะขับไปขึ้นถนนใหญ่เนี่ยคุณต้องขับในซอยก่อนใช่ไหม ครับครับให้มันชนนนาํานาญก่อนเลี้ซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าเดินนั่งยบรกอะไรจอลลดรถอะไรต้องฝึกไว้ก่อนให้มันาำนาญชนานาญแล้วทีนี้ก็ไปขึ้นไปถนนใหญ่ได้ไปทันไปตามถนนที่มีรถเยอะๆะการฝึกจิตเริ่มต้นก็หัดหยุดก่อนหยุดจิตก่อนให้มันอย่นิ่งๆให้มันอยู่ในคําสั่งของเรานคือที่ ที่เป็นก็คือว่าที่เขาเรียกว่าจะต้องมีตัวตัวจิตที่ตั้งมั่นใช่ไหมครับถึงจะสามารถเด<อ>ินไ<ส>ตรับแล้วก็แยกขันได้ใช่ไม่ใช่นั่งสมาทธิข้างเดียวมันจะตั้งมั่นไปตลอดหรอยังนะครับแต่ก็คือว่าที่พระอาจารย์บอกว่าให้ตกให้จิตรวมตกหลุมตกบ่อเนี่ยก็คือเป็นแค่ขั้นต้นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปพิจารณาทั้งสิ้นใช่ไหมครับยังต้องทําบ่อยๆทําจน ให้ชำนาญทุกครั้งอยากจะเข้าต้องกานเข้าสมาธิก็เข้าได้ทันทีไปแล้วทุกครั้งก็คือเราต้องนั่งจนกระทั่งให้ตกลุมตกบ่อทุกครั้งเพื่อที่จะอ่าพิจารณาเพื่อเพื่อที่จะนั่งนั่งให้มันจนกระทั่งเคยชินว่าอันนี้คือเราสามารถเข้ า, ข า, ขาถึงขั้นนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าใช่ให้มันนิ่งสงบนั่งมันจะมีความสุขมากแล้วพอดีครับพอดีว่าก็คือมีมีมีอยู่สองคำถามมาครับก็คือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจที่เขาเรียกว่า ลักขณูปนิชานะครับที่เขาเรียกว่าก็คือเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่าอยู่ในขั้นของนักปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณก็คือว่าสามารถที่จะพิจารณาวิิพจารณาไตรลักแล้วก็ขันห้าได้อยากรา้ว่าลักขณูปนิชานี่ครับก็คือว่าเวลาที่ได้เวลาที่นักปฏิบัติได้มาเนี่ยครับมันจะอยู่ ที่เขาบอกว่าอยู่อยู่ในอยู่รักษาสภาพได้ประมาณไม่เกินเจ็ดวันอันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องจริงไหมครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้เพิ่งได้ยินว่านี่มันเป็นยังไลักณูวิชาเป็นยังไงไม่รู้ลักขณูปนิชานะครับอาจารย์เป็นอะไรก็เขาบอกว่ามันก็คือว่าเป็นสภาวะที่เหมือนกับว่ารักษาอ่หล่อเลี้ยงประมาณว่าคือจะช่วยให้จิตนั้นสามารถที่จะพิจารณา สังขารแล้วก็พิจารณาววิิิพธาตุพิจารณาขันห้าแล้วก็พิจารณาไตรักได้ตลอดช่วงไม่เกินเจ็ดวันเขาบอกว่ามันมันจะสามารถที่จะเอรักอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็เลยผมก็เลยอ่านมาเจอก็เลยมาถามพระอาจารย์ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไม่ก็เพิได้ยินนี่แหละรู้จริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับ แล้วอีกข้อนึงครับเป็นอีกคําถามอีกข้อเรื่องก็คือว่าวิปัสนุ ป, ปักกิเลสสิบเนี่ยครับผมไปอ่านมาเจอมีอยู่ข้อหนึ่งที่ก็บอกว่าก็คือมีกิเลสที่มาขัดขวางก็คือว่าเป็นเรื่องของปีติอ่ะครับอาจารย์ช่วยขยายความตัวนี้หน่อยได้ไหมครับคือขยายความคือคุณไปเรียนชั้นได้สูงกว่าคนจะเรียนได้ในตอนนี้คือไม่ยามว่าคุณอยู่ชั้นคุอยู่ชั้นปรถมอยู่อย่าเพิ่งไปเรียนวิชาชั้นของมัธยมเรียน เรียนชั้นปฐมให้มันได้เรื่องก่อนดีกว่าขอพูดนี้ไม่ต้องไปรู้เราไม่น่าสนใจเอาสติเอาสมาธิให้ได้ก่อนครับก็ทุกวันก็ตอนนี้ผมก็นั่งสมาธิทุกวันก็คือในรูปแบบก็คื อ, อ, อหัวรุ่งแล้วก็ประมาณช่วงหัวรุ่งก็คือก่อนไปทำงานแล้วก็ช่วงเย็นหลังจากกลับมาทำงานก็ทำไปเรื่อยๆทาจนกระทั่งสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ควบคุม ค, ความหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการหยุดอารมณ์ต่างๆเวลาโกรธก็หยุดมันได้อะครับห่าควบคุมจิตใจให้ด้วยสติกับสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปครับครับผมถ้างั้นก็จะลองจะกลับไปก็คือว่าจะทํำให้มันสม่ำเสมอเหมือนเดิมแล้วก็ก็จะเหมือนกับว่าก็คือ ทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทา ใ, ให้มากขึ้นไปเให้จำเสมอ <ๆ S 2> แล้วก็พยายามที่จะก็คือทําให้มากขึ้นด้วยครับผมเมื่อ<ะ>ก่อนเราจะควบคุมความคิดควบคุมอารมณ์ของเราได้ทุกครั้งที่เราเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธเกิดความเสียใจเกิดความอะไรนใี่ต้องหยุดมันได้ทันทีด้วยสติ ส, สติสมาธิหยุดอารมณ์ไม่ก่อนแล้วค่อยไปทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปแล้วขอถามอีกหนึ่งคำถามครับก็คือว่า การบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธความถี่อ่าผมจะวิธีวิธีหน้าผมก็คือผมก็จะบริกรรมพุทโธเพราะว่าผมก็คือประมาณว่าคือจะมาดูที่ปลายจมูกแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธอยากทราบว่าการบริกรรมพุทโธความถี่ต่ำความถี่กลางความถี่สูงเนี่ยมีผลทําให้การเข้าสมาธิง่ายยากไหมครับอาจารย์คือการบริกรรมพุทโธนี่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูที่จมูกให้ดูที่คําบริกรรมพุทโธเนี่ย หมายถึงว่าผมก็คือว่ามาโฟกัสอยู่ตรงตร ง, ตรงที่ปลายจ ม, มูกแต่ก็กคือว่าไม่ต้องโฟกัสอ่ะถ้าพุโทโธก็อยู่กับคาพุโทโธคําเดียวอยู่กับที่พุโทโธไปแล้วทําได้ทั้งวันเวลาเดินก็พุทโธได้เวลาเข้าห้องน้ําก็พุทโธได้เวลาแปรงฟันก็พุทโธได้หมายถึงตอนนั่งสมาธิถ้าเกิดผมบริกรรมพุโทโธไปพุโทโธแล้วถ้าถ้าเกิดว่าความถี่ความถี่ความถี่ช้ากลางเร็วมันจะช่วยให้สมาธิเข้าง่ายยากต่างกันไหมครับ ก็ลองดูสิถ้าคุณปฏิบัติได้เนี่ยมี็ระท่านลองได้ดัวไหนช้ามันดีกว่าหรือเร็วมันดีกว่ากอต้องดูไปแล้วแต่แต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันเพราะจิตของเราแต่ละครั้งมันก็ขึ้นๆลงๆบางทีต้องใช้ความเร็วสู้กัมันบางทีไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ความเร็วถ้ามันเร็วลราจะต้องเร็วถ้ามันไม่เร็วเราก็ไม่ต้องเร็ว คือตอนที่เราบริการพุทธโธไปก็คือว่าใจทำใจนิ่งๆแล้วก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธไป จ, จะจะถีจ่จิตจ้าห่างก็คืออยู่ที่เราสบายใจใช่ไหมครับเอ่ออยู่ที่มันทำเรื่องใช่ใจมันสงบอก๋ อ, อแต่ว่าก็คือว่าผมเข้าใจว่าคือเห ม, มือนกับว่าเราเราต้องการมีจุดโฟกัสก็เหมือนว่าอาจจะมาดูที่ปลายจมูกแต่ ว, ว่าก็ต้องเราต้องทำตรงที่พุทธโธใช่คําใช้คําว่าพุทธโธเป็นจุดโฟกัสไม่ใช่ไม่ใช่ไมใช่ทั้งหมด ก็คือพูดโทพูดโทรพูโทรอยู่กัาพูดโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปดูอย่างเลยก็คือว่าไม่ต้องไปสนใจท่านั่งนะท้านั่งเราไปมาสนใจอะไรให้อยู่กับพุดโธรคำเดียวครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์โอเคครับคุณแนนกลับถึงบุญรแล้วเหนือคแนนก่ัธรรมศาสตร์ครับอาจารย์กลับถึงบุญรแล้วค่ะอันนี้ไม่มีคําถามค่ะเข้ามานานมาฟังค่ะใช่ ท่านต่อไปคุณเองจากเชียงรายการนมัสการพระอาจารย์ครับผมก็ประกอบรายงานพระอาจารย์ในวันวันพระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติบูชาโดยถือในสัมชิเข้าอาจารย์ก็ช่ว ง, ช, วงช่วงแรกก็สติก็สมาธิก็เข้าได้ดีอยู่ครับแต่ถ้าถึงตอนดึกสติก็ก็จะมีอ่อนบ้างครับพระาอาจารย์อาจจะเพีย ก็มีง hmm. ่วงบ้างในช่วงที่สองที okay. izz, no, no, 5, so, faces, no ่สามครับอาจารย์เอนแล้วเป็ย mm ังง่วงอยู่ครับครับผมก็ทําไปทั้งร่วงกนอนถ้าทําไม่ไหวก็ต้องนอนก็ร่างกายก็ต้องพักผ่อนก็ก็ก็ฝืนอยู่ครับอาจารย์ก็ทํำจนถึงประมาณที่ห้าครับก็ก็ได้ก็สว่างพอดีครับอาจารย์เอันนี้ก็ อาจจะอาจจะเพียรหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าสลับกันเดินเดินแล้วก็เดินแล้วก็นั่งนั่งนั่งแล้วมันเหมือนง่วงก็ไปเดินนะครับอาจารย์ครับแต่ก็ไปบัตดอยู่ครับพระอาจารย์ก็สมาธิก็เข้าง่ายอยู่ครับอาจารย์ท่านหมายของในสัติที่้าเพื่อให้เราได้ปฏิบัติให้มากขึ้นได้นีมครับผมก็ก็กลับรายงานพระอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหยครับ ก็ไม่รู้ว่าถ้ให้ทําไปเไรื่อยๆก็แล้วแต่ทำยิ่งมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีครับผมก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นอยู่แล้วอาจารย์ขั้นตอนเราสติกสมาธิให้ให้มันชํานาญหน่อยเนี่ยปัญญาวิจารนานี่ยังไม่ต้องไปกังวลคร่างนับนรม่อขั้นต้นเนี่ยครับผมเราต้องรู้ว่าเราเรียนอยู่ชั้นไหนอย่ยเป็นวิชาที่มันเหนือเหนือชั้นเราครับผ <bankrupt. S 2> มเราจะยากแล้วมันก็จะไม่เกิดผลที่ควรจะเกิดครับผม ตอนนี้ เ, เรามีสติอย่างตอนนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ป่ะครับครับหยุดคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการนะครับหยุดโลกหรุอโทนเวลามันเกิดขึ้นได้นีป่ป่ะนี่ใช้สติอยู่ได้ถ้ามีสติอยู่ได้นี่นะว่าไม่หยุดแบบท้าววนได้นึ่ครับผมครับผมครับอตอนนี้ฝึกสติสมาธิให้ให้ชํานาญ แล้วไปคิดทำปัญญาต่อไครับครับผมครับเข้าใจนะครับเข้าใครับอาจารย์ครับขอบผมขอคุครับอาจารย์แล้วก็รุ่มรฟังครับผมอาจารย์สายทิ่อาจอันนี้มหาลัยปิดก็น้องอยู่วัน่ะอยู่สารคามค่ะพระอาจารย์แลเอมีประชุมสัมมนาการเรียนการสอนค่ะะดมกาลังมา เปรียบความคิดเห็นกันของอาจารย์กับผิดได้ของนิสิตค่ะ hmm. ก็ยังหนูยังเอทานข้าววันละมือถือค่ะพระอาจารย์ก็ท้องไม่ร้อนแล้วก็อยู่ได้แต่ว่าหิวหิวนิดๆค่ะพระอาจารย์ hmm. แต่ว่าพอถามเรื่องความหิวกับเรื่องของเวทนาเวลานั่งสมาธิหิวมันสบายไปเยอะเลยค่ะ hmm. ก็เลยไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ปวดท้องโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าเมื่อวานวันอังคารที่ตั้งใจว่าจะไม่ไม่ไม่กินข้าวเลยอะไรเงี้ยค่ะคิดว่ากลัวไม่ไหวก็เลยกินวันละมื้อเหมือนวันอื่นๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เรามีนัดหมอฟันแล้วก็ไปตรวจอายุความดันอะไรเงี้ยค่ะเครื่องมันรวนวัดไม่ได้่ไปคนละวันสองวันนัดคนลหมอมันก็เครื่องมันแบบปิดแขนเราเสร็จแล้วก็ วันแรกนี่ขึ้นเอเอเลค่ะพระอาจารย์วันที่เทคไม่ได้วันที่สองบีไปแล้วก็คายแล้วก็นิ่งไปเลยไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยค่ะพระอาจารย์ต้องไปใช้เครื่องวัดถึงจะวัดได้ที่รผจรย์มันดูน้อยๆก็เลยกลัวว่าจะต่ําไปเนี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้นั่งสมาธิกระเดินจงกลมก็สลับสลับกันค่ะพระอาจารย์แต่ว่าช่วงหลังนี้สุ้เวทนาไม่ค่ไม่ค่ได้ค่ะแต่ก็พยายามค่ะ แล้วก็ช่วนี้เดินจงกรมสนุกขึ้นค่ะครูอาจารย์เพราะว่าได้ทริปแล้ะคะเดินจงกรมปุ๊บก็วิปัสสนาใช่ไหมคะเรียกว่าวิปัสสนาก็พิจารณาตัวเองก่อนตอนนี้ก็คือดูผมพิจารณาจากผมมาว่าตอนอตอนตอ น, ตอนเด็กตอนนี้อะไงเงี้ยค่ะผมจะเดิมก็สีดำตอนตอนนี้ก็เริ่มงอกเยอะขึ้นมีผมงอกแล้วนะต่อไปมันก็จะงอก ม, มากขึ้นแล้วก็ ขนก็จะมีหลุดร่วงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูผิวหนังก็พี่นาตัวเองเดินไปแล้วก็เห็นตัวเองเหี่ยวไปด้วยเลยค่ะพระอาจารย์เห็นตัวเองแก่เดินเหมือนคนแก่แบบตัวเหี่ยวๆไปแล้วก็มันก็เลยคิดไปถึงว่าอา่าพีนี้เหี่ยวแล้วก็จะตายแล้วนะก็ะพี่นาว่าตัวเองตายตอนแรกก็จะเอ๊ะให้ตายในบ้านก็แบบว่าแอบคิดคำๆตัวว่าเอ๊ะย้ายตัวเองไปอยู่ในป่าช้าดีกว่าเองใจคนที่บ้าน ก็ไปเห็นตัวเองเป็นเหมือนคนตายค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเราเราเหมือนเราดูดูดูดูเราตายแล้วก็ตัวเริ่มตีบแล้วก็เริ่มอืดเริ่มพองเริ่มเขียวเริ่มคั้มมีหนองอไหลมีเลือดอไหลออกจากทวารต่างๆเนี่ยค่ะพระอาจารย์จากนั้นเราก็คิดต่อว่าก็เริ่มจะมีมะแลงวันมาตอมแล้วนะตัวเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเริ่มเป็นไข่มแลงวันแล้วต้องมแลงวันก็ราะกลายเป็น ไข่ก็กลายเป็นนอนด้วยเอยอะเต็มตัวเลยค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้รังเกยียจอะไรนะคะพระอาจารย์พยายามมองให้มันเห็นแล้วก็มันมากินหนังเราก่อนกินเนื้อมีอะไรพวกเนี้ค่ะให้เห็นว่ามันกินไปแล้วก็ตัวเราเองก็มีน้ําเลือดน้ําน้ําหนองเนื้ออะไรที่มันเริ่มเริ่มเละๆค่ะพระอาจารย์แล้วค่อยๆให้มันกัดกินไปเ ร, เ, รเรื่อยแล้วก็เหลือเป็นกระดูกที่ยังมีเลือดเกาะอยู่คิดไปประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์หลังจากนั้นก็ให้มัน อาจจะเป็นทั้งพวกนอนพวกไสเดือนที่มัน๋ยวตามพื้นมากินจนเลือดมันหมดไปเหลือเป็นโครงกระดูกเนี่ยค่ ะ, ะาอาจารย์โครงกระดูกทั้งตัวแล้วสักหน่อยก็คงจะมีลมพัด น, นู่นนี่นั่นกระดูกมันก็กระจัดกระจายไปคนละที่แล้วพอเปนน็นานๆขึ้นอีกกระดูกมันก็เสื่อมสลายแล้วก็กระจายหายไปค่ะอันนี้คิดในส่วนของตัวเองค่ะอ า, าจารย์หลังจากนั้นก็เอาหมดเราละ อันคิดถึงคนที่เขาเหมือนจะมีคนมาชอบงั้นเราต้องเอาเขามาพิี่นะอสุภะธรรมะไปด้วยเลยค่ะพระอาจารย์ก็คิดเหมือนกันเลยค่ะพระอาจารย์ให้เขาแก่แล้วก็เป็นเหมือนเหมือนเราเลยค่ะจนต้องสลาไปหลังจากนั้นก็อาจจะคิดถึงกิเลส ข, ของตัวเองค่ะว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่แล้วเราต้องการอะไรที่ที่ผ่านผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดทั้งการเคี่ยวการกินมันทําให้ชีวิตเราเป็นยังไงมันก็ เที่ยวไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมก็ก็ยังทุกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะหมอะไรที่ทำมามันก็ไม่ได้เป็นแก่นสารคะ่ะอาจารย์ก็ถามตัวเองว่าแต่ยังไงต่อจะยังจะทำจะพยายามปฏิบัติไปมากน้อยแค่ไหนจะพยายามขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็พยายามสนใจตัวเองคะ่ะว่าให้พยายามระดับเลทนะอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พอมันคิดเสร็จแล้วก็ก็พอค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาฟังทำบ้างกลับมาสลับนั่งสมาธิบ้างค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ที่ที่ทําอยู่ค่ะอันนี้พิจารณาร่างกายต้องพิจารณาทุกๆกคนเลยทั้งเราทั้งเขาทั้งคนที่เราเกี่ยวข้องกลยชินรู้จกักอะไรนี้เกิดก็ต้องกลายเป็นชาติสดันด้วยกันทุกคน ไม่ใช่แค่เรากับผู้ชายแล้วก็อาบเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนทั้งั้งโลกเลยอคนในมหาลัยทุกคนเลยทั้งคนอาจารย์ทั้งโลกเสร็จทั้งวันนี้ก็แอบแอบมองเพลินเพลินเพิ่มงานอยู่ค่ะว่าเป็นกระดูกอะไรเงี้ยค่ะนิดนิดนึงค่ะเขารู้หรือเปล่าว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นคงไม่รู้กันนะ ไม่เขไม่มีใครคิดอะไรคะ่ะแล้วก็วันนี้เขาก็มีปัะ ช, ชุมมีให้เข้ากล่องแล้วก็เอาเข้าวกล่องออกม า, มาอาจารย์ก็มาถามอ่ไม่กินเหรออ่ะยังค่ะอะไรเงีง้ยค่ะพระอาจารย์ขนมนมเลยแล้วก็กองกองไว้ยังไม่กินแต่ก็คิดในใจโอ้ยเอามาล่อนเนี่ยนะคะ<อ>แต่ก็คิดว่าจะพยายามมือเดียวไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์จนป่าเราจะเจ็บป่วยจากการกินมื้อเดียวถ้าเราไม่เจ็บป่วยก็ คิดว่าเป็นมือเดียวไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์แต่ก็ก็ก็ <c oughs> สู้กับความอยากอยู่นะคะพระอาจารย์เพราะว่าก็กิงแค่ตอนเช้าเนี่ยมันมีอาหารอร่อยๆที่มันจะเป็นช่วงเที่ยงชุวงเย็นถ้าถ้าเป็นมื้อเช้ามันก็มีเฉพาะที่เราทําอะไรเงี้ยค่ะก็แอบบแอบบคิดถึงอาหารอร่อยๆแต่ปัท้ายวะตอนเช้ามันก็เราก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไปซื้ออะไรมามากมายะคะ่ะพระอาจารย์ก็าายังคิด ง, ง่ายๆอยู่ แตบบ่แอบแอบคิดถึงอาหารอร่อยอร่อยอยู่เหมือนกันค่ะ ร, าาระอาจารยก็คิดถึงตอนที่มันอยู่ในปากในท้องด้วยนะได้ค่ะอยู่ในท้องแล้วก็เอวกออกมาหน่อยด้วยไหมค่ะไปคิดตามที่มันอยู่ในใจค่ะพราจารบางทีมันก็เหมือนเราก็แอบบเออชาบูกิดดนเลตยังมีอยู่เวลามันอยู่ในปากแล้วเคี้ยวกผสมน้ํำลายแล้วเป็นยังไงบางชาได้ค่ะ เดี๋ยวเวลาที่ที่ที่มันอยากจะมันจะได้มันจะได้เล่าคิดต่อไปมันจะได้เล่คิดไม่ได้คเราคิดแล้วมันจะทําให้เกิดกิเลสความอยากขึ้นมาอเราคิดเพื่อให้ให้มันเกิดความอยากคไปไว้ค่ะต่อไปถ้าใจมันอยากจะจะเอาพวกนี้มาสู้ค่ะต้องย้อนสอนให้ได้เเดี๋ยวสู้ไม่ไหวนะถ้ามันคิดแบบๆอาญามันทำไม่ไหว มีมีวางแผนด้วยนะคะพาาี่อาจารย์ร้านนี้อร่อยจะี๋ยวไปซื้อตอนเย็นไว้กินตอนเช้าแต่ยังไม่ได้ทําค่ะแต่แบบเหมือนมันก็มีกิเลสมายุ่าเราอยู่ค่ะ<ม>งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําแบบที่พี่อาจารย์สอนค่ะเอา<ม><ๆ>เอามาสู้ค่ะใช่ต้อรู้จักย้อนสอนกิเลสค่ะเนี่ถ<ๆ>ูกมารากไปนะค่ะเดี๋ยวนี้ได้ที่สัตย์ปยาเพิ่มได้ค่ะพาาี่อาจารย์ คือที่คอนโดเนี้ยสัปยาอยู่แล้วไม่มีใครมายุ่งกับเราเลยที่จะชมกลมในห้องแล้วก็ที่บ้านมีบ้านสวนค่ะว่าอาจารย์ที่ที่เคย่อบอกว่าอาจารย์น่าจะตั้งแต่สองปีที่แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างตอนกลางวันก็ถ้าถ้าอยู่ที่บ้านฝันแก่นก็แปกเป๊กขับรถไปแล้วก็ไปอยู่ช่วงเช้าถึงเด็นค่ะ ก, ก็สามารถนั่งสมาธิได้แต่ว่าก็คุ ณ, คณพ่อก็ไปเช้ากัเยนอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ปอด ปให้เราอยู่ก qu ัาวันคนเดียวแต่ตอนเย็นเขาแม่อนุญาติให้นอนค่ะพระอาจารย์ก็ยังจะดูน่ากลัวอยู่ค่ะที่สงบๆเรื่อยๆที่ห้องนะที่เว้ยที่ต้านเริ่มจะชินกับเราแล้วค่ะพระอาจารย์อยากจะทําอะไรก็ทำแล้วมันมันก็เดือดร้อนอะไรอย่างเง้ยนไม่ค่ะก็ก็ไม่ไปเที่ยวด้วยไม่อะไรแล้วเขาเขาก็ไม่ไม่ได้สนใจหมายถึงว่าเขาเริ่มรู้แล้วว่า ไอเขาก็ไปกันเองหนูแดงไม่หนูไม่ไปก็ไม่ไปก็แค่นั้นเองก็บอกว่าชอบอะไรก็ก็ทําไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีเพียงข้ามีเพียงข้ามีค่ะพระอาจารย์การตอทิศค่ะทำอไปพยายามทำไปให้มากขึ้นมากขึ้นนะค่ะพรามันมันต้องแหวกฝ่าวงกิเลสไปถ้าถ้าไม่แหวกมันไม่ไม่ไป เหมือนทวนกระแสมากเลยค่ะท่าทวนกระแสมากทวนกระแสสังคมกระแสคนอื่นจะพยายามไปเรื่อยๆค่ ะ, ะอาจารย์เ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะยินดีจากซาวด์คร์ไลน่าอเมริกสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเดวิดปากฟามคิดถึงค่ะแล้วก็บอยซองเต้บุญค่ะท่านอาจารย์ยอก็ ลูกไม่มีคําถามค่ะก็วันนี้อขอบคุณมากค่ะฟังไปนะถ้าดูอ๋อมาจากวอวินเป็นยังไงลงจัดเขามาแล้วกลัวหายไปหมดหรือยังน่ามัสการ์ค่ะไปวันแรกเจองูค่ะพ่าใจแล้วเป็นยังไงก็ตกใจแล้วก็ยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นงูหรือกิ่งไม้ก็ยื น, น, อยนรอมันเลื้อยไป ก็สักพักหนึงมันก็เลื้อยไปค่ะก็เป็นงูไม่ใช่กิ่งไม้ค่ะเลือดเฉยๆด้านนี้จะงูไม่ไม่ไม่ไม่กระโดดนวดแไม่ไม่วิ่งหนีค่ะแต่ว่าตอนที่เจอตกใจเพราะว่ามันมันเหมือนเราเราไม่ได้ใจเป็นงูหรือกิ่งไม้ค่ะถ้าก็ตกใจแป๊เดยแล้วมันกลับมานี่ยก็กลับมาปกติค่ะกลับมาเน่งค่ะไม่ใช่ตื่นตลกจะกระแท่ง บอกสั่นแขวนๆนั่นเหรอไม่ค่ะก็เหมือนอก็ก็อยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะเรามีสติมีสติค่ะค่ะแล้วนั่งสมาธิได้ไหมนั่งได้ค่ะแต่ยังนั่งไม่ได้นานค่ะพระอาจารย์ง่ายก็คือไม่ถึงสองชั่วโมงซะที่ได้ขนาดนั้นก็ถือว่าเก่งค่ะก็นั่งบ่อยๆนั่งหลายๆรอบแทนกน นั่งได้แค่นี้เลุกเข้ามาเดินค่ะเดินเสร็จก็กลับไปนั่งก็ทำอยู่แค่สองงานค่ะผอาจย์ก็คือเดินจงกรมกับนั่งสมาธินั่นทำาไปเรื่อยๆทำมันให้มากๆเลยนี่ดีมากเดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ยังมีความเย็นกลับมาด้วยอยู่ค่ะพยายามไม่ให้มันคุณเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาคุณแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปใช่ชดดิค่อยค่อยรักษาความเย็นไว้ ค่ะค่ะ้อปัญญาก็ได้ใช้ไตรักก็ได้ไม่รักก็ไดค่ะค่ะขอพระคุณค่ะเชิญ ก, กุญแจพิสตาได้คุณน้ำคำแหงผูกว่าการครับผระว่ญญาการครับมีมีคำถามขอคำแนะนำครับระจารคือผมผมนั่งสมาธิตอนเช้าเนี่ยก็มันก็ ก็นั่งได้สงบดีครับอาจารย์อาจจะเป็นความคุ้นเคยครับแต่พอตอนเย็นนั่งแล้วมันแบบนั่งได้ชัดเดียวอยเลยนะครับอาจารย์ก็ต้องต้องฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้หลักครับอาจารย์คือเวลาเช้ากับเวลาเย็นมันต่างเวลาเย็นนี่เรากลับมาจากธุนะทํานู่นทํานี่มันยังมีเรื่องข้างๆอยู่ในใจในเวลาจะทำสมาธิช่วงเย็นมันจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคมากมีความคิดมากความคิดรุนแรง อย่างค้างค้ามาจากงานจากธุระจากเหตุการณ์ต่างๆแต่พอเราได้พักผอนหลนอนแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้านี้อารมณ์ที่ค้างค้างหายใจมันหาไปหมดในเวลานั่งสมสาธิตอนเช้ามันจะรู้สึกได้และสงบได้ง่ายได้เร็กว่าแล้วบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็นิ่งกว่าสงบกว่าด้วยคนส่วนใหญ่ยังนอยกันอยู่อืมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องกปกติ มันก็จะแสดงให้เราเห็นมาก้าที่เราไม่มีเรื่องเวลาทํำนี่มันจะช่วยในการทําสมาธิแล้วะ้าที่เรามีที่สบงบขนาดไม่มีอะไรรบกวนจใจมันจะช่วยได้มาก ต, ต้องไปหาที่ส ว, วิเวกหรืออะไรไปวิเวกโดยทั้งเจ็ดวันอยู่คนเดียวไม่ต้องอยุ่งกับใครอะไรกันตรงนั้น เรื่องยุ่งอยเรื่องยุ่งก็เฉพาะช่องกินนั่นเอง่ากินแสร็จแค่ยากกันครับรครับครับงันลดคนเวลาท่านคร <Sen Heck S 1> ับกลับของคุณครับโอัควิสาสวิสาตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ไทยแลนด์และสวิตเราลนด์ไทยแลนด์ขอนแก่นค่ะพานาน ค่ะพระอาจารย์กลับมาเยี่ยมบ้านชวิวสรามาเยี่ยมบ้านค่ะพระอาจารย์ค่ะสองเดือนนะค่ะพระอาจารย์เกือบสองเดือนค่ะก็กลับมาก็ดีค่ะพระอาจารย์ได้กลับมาขอนแก่นครั้งนี้ก็มาเป็นแจ๋วปฏิบัติพ่อแม่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพอดีท่านลูกกลับมาก็คุณแม่ติดโควิด ค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วห้าวันถัดมาคุณพ่อติดโควิดต่ออีกก็เลยไม่ได้ไปปีกนิเว่นเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะอกการรุนแรงไม่น่ <c oughs> ไม่รุนแรงอ่าโชคดีค่ะที่อาการไม่รุนแรงแต่ตอนแรกคุณพ่อมีโรคประจาตัวความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลก็เป็นรู้สึกเป็นกังวลวันแรกครับพระอาจารย์แต่พอ พอตั้งสติได้ก็คลายไปว่ารักษาตามประการก็อยู่ที่บ้านแต่ก็ได้ทําแบบฝึกหัดที่ครั้งผ้าจารย์บอกบางทีเราก็เหมือนกับเราเป็นห่วงเขาเราก็เลยแบบอคนใกล้ตัวเราเรารู้สึกเราเป็นกังวลครับผ้าจาย์ค่ะแล้วยมก็เลยได้คําที่ผ้าจารย์เคยสอนไว้ว่าอืมเหมือนกับที่แบบว่า คนใกล้ตัวเราจะเราจะแบบว่ารู้สึกคนไกลตัวเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่คนใกล้ตัวเราจะมีความลําบากใจอะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เป็นห่วงกังวลมากขึ้นแล้วโยมก็เลยตั้งสติได้ยมก็เลยว่าอืมรักษาไปตามอาการแล้วโยมก็รู้สึกเย็นลงคะ่ะพระอาจารย์ค่ะต้องไปหาหมอไหมถ้าไม่ต้องเขาไม่ต้องค่ะ คือก็ดูดูอาการไปทุกวันค่ะอวันห้าวันแรกก็เลยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ผ่านมาคุณแม่ออกก่อนสิบวันคุณหออมอเมื่อวันก่อนแล้วคุณพ่อเหลืออีกสามวันแต่อาการดีค่ะก็อยู่บ้านโยมก็เลยแบบอืมคือตอนแรกมันเป็นกังวลค่ะพระอาจารย์เหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยอะไรที่มันใกล้ตัวเราจะแบบจะตัดยากอ่า แต่พอพอพอได้ได้สติมาเราก็อืมแล้วก็ทําใจแล้วก็เอไปตามอาการดูไปตามเป็นแบบไปเรื่อยเรื่อยค่ะอาจารย์ไม่วิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เลยใช้สิวันนี้ก็พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ดูแลเอาทุกอย่างที่พระอาจารย์พูดว่าเอออยากให้อยากอยาอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นอย่าอย่าไปอยาก คือให้มันเป็นไปเรื<า>เร่อยๆอ <บา S 2> ่ะม า, าเป็นจริงมันเป็นไปตามภาพจริงใช่ค่ะอาจารย์โยมก็เลยใช้นึกถึงคำนี้ของพระอาจารย์ตลอดโยมก็เลยดูไปเรื่อยๆรู้สึกโยมก็เลยรู้สึกดีขึ้นนะคะพระอาจารย์คือปล่อยคล้ายๆว่าสบายใจะค่ะพระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้กังวลเหมือนวันแรกที่ที่คุณแม่ติดพอคุณพ่อติดก็อืก็ช้าช้าช้าช้าก็เลยไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆเรื่อย ๆ, ๆก็ค่ะรู้สึกดีค่ะพระอาจารย์ ได้ได้เอามาใชา้ได้จริ ง, รงๆค่ะนี่ทำหน้าที่ไที่พึ่อนทั้งใจได้อย่างดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ดีมากไม่มีรายงานในวันนี้ค่ะไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็หลังจากนี้เสร็จไปลูกโยงก็ค่อยจะหาเวลาไปปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ค่ะพระอาจารย์โอเคเนี่ปที่ท่านต่อไปนะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์คุณมวีด็อกเตร์ี ชแนลด็อกรวนครับราชการครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งใจมากาบอาจารย์ครับแล้วก็ยังเจริญสติอยู่ทุกวันคับอาจารย์ครับทำเช้าเช้าก็นั่งสมาธิอยู่ครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกมีหลายช่วงที่รู้สึกมีความสุขระหว่างนั่นครับอาจารย์ครับเชแนลสตินีกิจสงบในความสุขครับแต่มันยังไม่ได้ลึกแบบหายไปในม้องมืดอะไรนี้นะครับอาจารย์ครับ ก็ทาไปเท่าที่กาลังวอกเสพเราไม่เอแต่ก็จะเล่สพทัันตลอดวันครับอาจารย์ครับอาจารย์ชอบเล่นตังไปปิดวยเหมครับโอเคไม่มีอะไรครับคุณไม่มีอะไรครับอาจารย์ครับถึงกาวรัตการครับอาจารย์คุณตายคุณตายจากนาคุยรัพัทยาน้องกาวครับอาจารย์ก็ ยังไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์สบายดีจิตใจสงบก็สงบไหมก็ยังไม่สงบหรอกค่ะพระอาจารย์มันก็มีขายของมันก็มีแบบมีใจกระเพื่อมมีอะไรระหว่างวันก็หลายๆอย่างว่าเราระงับมันได้ไหมหรือว่าเราเราสู้กับตรงนั้นได้ไหมอย่างเช่นวันก่อนเนี้ยมีลูกค้า พอเข้ามานี่การถูกชะตาเนี่ยพ่อจาร์ก็ไม่รู้ว่าเรายังไม่ทันได้คุยกันเลยอะค่ะว่าเราจะเป็นมิตรกันไหมแต่ว่ารู้สึกว่าฉันกับเขาไม่ค่อยโอเคกันหน้าอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันในด้านการขายของไม่ไม่ได้วันนั้นและอีกวันนึงคือเหมือนกับเราสู้ตรงนั้นว่าเราเรายอมลดตัวลงมาไม่ได้อะค่ะพ่อจาร์วันวันที่เราเจอเหมือนเหมือนเหมือนเจอ คนไม่ถูกกันมาซื้อของกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ยังยังเอาตัวเองว่าเหมือนเราทะเลาะกันมากต่ชาติตะไหนก็ไม่รู้เราก็ mm hmm. ชนะตัวเองชนะอารมณ์เราไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็คือไม่ก็เขาต่อเราก็ไม่ขายยังไงก็ไม่ขายแต่ mm hmm. พอเขาออกไปแล้วเราก็นึกในใจว่าเออเราก็น่าจะขายนะเราก็ไม่น่าจะเอาอารมณ์ของเราเนี่ย น่าจะยอมเขานิดนึงแล้วก็ได้เข้ามาเป็นลูกค้าแล้วทําไมเราต้องไปไม่ชอบเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ่ายตามอารมณ์แต่วันนี้วันนี้เจอลูกค้าเคสแบบนั้นอีกแต่ก็เอาเอาวันนั้นนะเอาวันก่อนที่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะ่ะมาปรับใช้ใหม่ก็เลยขอเอาตัวเองให้ต่ําลงแล้วก็อ่อนลงอ่ะก็รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้อันนี้ก็กมีใจที่ว่านอนหลับทิถีเรา เราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้แขกคนที่เข้ามาซื้อของเราเขเป็นเจ้านายเราเข้าเงินมาให้เราจะเป็นโกรธเขาเกลียดเขาทําไมงั้นก็ขายของไม่ออกกันแน่ค่ะก็เลยว่าก็เอาวันนั้นมาเป็นเอ่อเอาอันนั้นมาปรับใช้กับวันนี้อ่ะค่ะเพราะวันนั้นเราคิดว่าเราคิดว่าเราอืมเราไม่ขายก็ได้ไม่เห็นต้องง้อเลยคิดในใจนะคะแต่คิดไปคิดมาเออทําไมเราไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ ไม่ไม่อ่อนกับเขาบ้างอะไรเงี้ยถ้าอ่อนบ้างเราก็น่าจะได้เขาเป็นลูกค้าหรือว่าอะไรแต่พราะเราไม่อ่อนแต่วันนี้เจอเคสแบบนั้นเอาอารมณ์นั้นมาคิดใหม่แล้วก็ทําตัวให้ต่ําลงไปเลยเ<อ>ต่าลงไปเลยเ<อ>ค่ะพระอาจารย์บางทสิ่งที่เราได้ไม่ใช่เงินจากเขาเราเราได้ความสุขในใ<ช>ความท<ค>ุกข์ในใจเราลงไปใช่คะ่ะพระอาจารย์มันรู้สึกว่าพอเราต่ําลงปุ๊บเออ เขาก็ดีกับเรานะแล้วเขาก็อ่อนกับเราตอนแรกเข้ามาแบบแข็งเลยพีาจาันถ้าหนูเจอลูกค้าแบบแข็งเนะี่ยหนูก็เป็นไม้แข็งเลยเหมือนกันหนูก็ไม่ยอมทุกครั้งนะคแต่ว่าพอเวลานั้นผ่านไปแล้วเอามาใช้วันเนี้ยรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นี่เราก็ไม่เห็นไม่เห็นจะเหมือนตัวค่าต่ำต้อยหรืออะไรเลยเราก็เราก็ขายได้แล้วเราก็ได้ได้เขามาเป็นลูกค้า วันนี้ดีใจมากค่ะพระอาจารย์ได้ชนะใจตัวเองพยายามคิดว่าเราไป็คนรับใช้ทุกคนค่ะมันจะทําให้เราเข้ากับคนได้ง่ายค่ะนั่นแหละค่ะหนูเอาคําสอนของพระอาจารย์เอาตรงนั้นมาปุ๊บปุเข้ามาแบบให้เข้ามาคิดเลยว่าเราต้องเอาตัวเราต่าต่ําต่าให้มากๆเป็นคนรับใช้คนอื่นให้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแม้มันจะเหนื่อยก็ต้องทําเราอย่างคิดไว้อย่างนั้นะค่ะ ดีแล้วตาอไปจะสบายต่อไปจะเข้าเข้ากับคนได้ง่ายเข้าได้ทุกคนโอเคนะค่ะไม่มีอะไรมากแล้วค่ะก็ศึกษาไปเรื่อยถ้าผิดวันไหนก็เอามาแก้วันต่อไปเอามาไปวดเล่นใช่ค่ะก็นั่นแหละแต่ว่ามันสติมันก็ไม่ทันการกระทําของเรามันมันั้งมันสู้ไม่ได้นะพะอจันเนาะกัน ก็ <G ö hn ye> เป็นอย่างนี้ตอนต้นก็แบบต้มลุกคลานไปก่อนค่ะต่อไปมันมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็จะชานานขึ้ น, นค่ะน่าจะท่านน้อยลงไปได้เลยค่ะอันนี้ไม่มีอะไรร <G ül üyor> าคาครับดีจ <นะ S 1> ้าถ <G ül üyor> ึงเราอย่าไปแก้คนอื่นเราแก้ที่ตัวเราอยวไปให้เขาอ่อนน้อมกับเราเราแก้ที่เราสิบ่าง่ายกว่า ใช่ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะแคร์พี่ท่านต่อไปคุณแคร์นะแคร์นะแคร์ทไหชื่ออะไรจ้าคุณแครแครจ้าอะไรแครแครจ้าเป็นยังไงก่าวนามสกุลค่ะอาจารย์หนูเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะอาจารย์เื่อชื่เก๋ค่ะชื่อเก๋ค่ะค่ะอยู่ที่โคราชค่ะอาจารย์ค่ะ พอดีเพิ่งเลิกงานค่ะอทํางานอะไรอยู่ไหมอ๋อตอนนี้หนูเรียนตอบเรียนตอบแพทย์เลยค่ะอาจารย์ค่ตอไปเฉพาะทางใช่ค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลไหนนะอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่โคราชค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมก็ ทางหนูช่วงนี้ก็คือมีปฏิบัติแต่ว่าก็ไม่ค่อยต่อเนื่องค่ะบางทีเอ่อถ้าหลังเลิกงานมาอย่างเงี้ยบางทีนั่งสมาธิไปก็ก็หลับนั่แล้วก็หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ ะ, คะก็เลยยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ค่ะพยายามฝึกสติในช่วงทํางานไป ใ, ให้ใมีใจจดจ่ออยู่กับภารกิจงานที่เราทำอยู่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับงานที่เราทำํำอยู่ค่ะ แล้วเวลานั้นสมาที่จะจะไม่จะไม่ง่วงจะไม่หลับจะมีสติค่ะกราบขอาราชการท่านต่อไปคุณนี้คุณอะไรไม่ทราบเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษว o ยออปเปอเรชนะั่นหนึ่งศูนย์หนึ่งยหนึ่งูนยหนึ่งมิวได้เลยอร่อะไรกดอันมิวได้เลยโอเคครับได้เลยชื่อเกม <Wow. S 1> ชื่อชื่อรุงค่ะพอดีทำทำอ่าโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะวันนี้หนูจะเข้ามากราบสมัชชาอนามัช ก, การอาจารย์อนะคะเพราะว่าหนูว่าเพิ่งเจอคลิปของอาจารย์ได้ประมาณเดือนหนึ่งเห็นอ่าคำพูดหรือถ้อดคาที่สอนมันเข้าใจง่ายอ่าดูแล้วรู้เรื่องอะไรอยเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกศรัทธาก็เลยเข้ามากราบนามัช ก, กาณะคะ่ะก็ติดตามคลิปของอาจารย์มาสองสามคลิปก็จะมีว่าให้ให้อ่า นั่งสมาธิให้เ อ, อท่องพุทโธพุทโธใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่ทราบอาจารย์ได้ยินขใช่ไหมคะได้ยินได้ยินพูดได้ยิค่ะเม่ อ, อ, อกี้เห็นมีอท่านอื่นๆที่ถามนะคะว่าพุทโธต้องต้องทายจมูกไหมคุณหนูจะถามว่าพุทโธที่อาจารย์อธิบายเมื่อกี้ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าออกไหมคะไม่จําเป็นนอกจากเราต้องนอกจากเราต้องการก็กได้อยู่แต่ถ้า คือเวลาถ้าบาที่เราใช้พุทโธนี่เราใช้ได้ตลอดเวลาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานะเวลาเราทําอะไรเราก็สามารถใช้พุทโธควบคุมความคิดได้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้มีท่านที่สองคือตัวเองยังไม่มีคําถามแต่เจออจากเพื่อนๆที่ถามเมื่อกี้แล้วหนูยังไม่เคลียค่ะอย่างเช่นท่านที่สองที่เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิแบบแบบพิจารณาร่างกายอ่ะค่ะหนูไม่เข้าใจว่าไอ้ที่พิจารณาร่างกายนี่คือมันเห็นจิตมองเห็นหรือว่าใช้จินตนานการนะคะ ใช่กินนากาทำนักคิดถ้กกา ค, คิด บ, บ่อยๆแ่อไมันก็จะเห็นเนี่ยถ้าคิด บ, บ่อยๆ้วหน้ามันฟังอยู่ในใจกลับมันมันก็จะเห็นแล้วก็ตะกี้มีน้องคนนึงบอกว่าเขานั่งสมาธิไม่นานแต่ได้เกือบสองชั่วโมงหนูตอนแรกหนูคิดว่าไม่นานนี่คือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่นานนี่เกือบสองชั่วโมงมันนานมากๆตอนนี้หนูพยายามนั่งนั่งให้ได้สามสิบนาทีเพราะพระ อ, อาจารย์บอกว่าต้องนั่งให้นานใช่ไหมคะปกติหนูจะนั่งยี่สิบตอนนี้นั่งสามสิบนาทีหนูก็ มันปวดหลังมากๆอ่ะค่ะค่ะแล้วหนูก็เลยแก้ปัญหาโดยซึ่งไม่รู้ถูกต้องไหมหนูแก้ปัญหาว่าตอนที่หนูจะนั่งสมาธิหนูจะนอนให้พอคือจะต้องไม่ม่วงแล้วก็หนูจะนวดด้วยทายาด้วยอะค่ะเพื่อที่จะนั่งสมาธิที่ได้สามสิบนาทีอะค่ะได้ไหมคะได้แต่ความเพียงมันไ ม, ไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้คือเวลานั่งมันปวดเนี่เราก็ใช้สติสู้กับมั น, นี่ป เวลามันปวดเ้าก็ทําพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจอาการปวดเดี๋ยวจิตสงบแล้วมันก็อยู่กับมันก็ไม่ลบความปวดของร่างกายก็จะไม่มาลบปวดจิตจิตก็จะอยู่กับความเจ็บปวดได้ค่ะอันนี้ที่ได้จากเพื่อนเพื่อมาตกี้เราไม่เขียนและถามต่อนะคะของตอนนี้เพิ่งเริ่มทำเพราะเพิ่งเจอกับพระอาจารย์ได้ไม่ถึงเดือนนะคะ่ะก็เดี๋ยวไม่ค่อยมีอะไรสงสัยแล้วค่อยถามใหม่นะคะอาจารย์มีที่ไหนตอนนี้ ตอนนี้หนูอยู่สุราษฎร์ธานีค่ะอ๋อสุราษฎร์ยินดีท่านะครับท่าเชิญเข้ามาบ่อยๆนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านต่อไปคุณธีนัทธิดาเลยคุณธีนัทธิดาถ้าผิดต้องขอไปด้วยนะคุณประธาค่ะตัวนี้ค่ะพระอาจารย์ธีนัทธิดาค่ะเออยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่บางพีค่ะบางพีสวัสระการนี่นะใช่ค่ะ ก็เคยเคยเข้ามาฟังในซูมพระอาจารย์หลายครั้งแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีแบบติดโควิดไปแล้วก็ก็เลยฟังข้างนอกไปค่ะแต่ว่าทีนี้แบบมีมีความทุกข์รู้สึกว่าแบบเห็นจิตแบบตัวเองทุกข์มากมากก็เลยอยากจะเข้ามาให้พระอาจารย์ช่วยช่วยสอนช่วยแนะนำค่ะคือคือหนูอ่ะแบบคืออยู่ในที่ทำงานอ่ะมันจะต้องใช้แบบหลักอะไรในการทางานกับ คนเยอะเยอะหรอคะใช้หลักเมตตาพรหมฐานสีเนลาเจอคนต้องเราต้องแฟนนี่นะครับต้องเป็นมิตรกับทุกคนอย่าไปมองคนว่าเป็นคู่ต่อสู้คู่อะไรข้าที่ว่าเป็นเพื่อนกันอือคือแล้วคือคือนหนูอ่าจะชอบคือขึ้นหนูก็จะมีแบบน้องที่ที่เป็นแบบลูกน้องอีกทีที่แบบ มีหลายหลายคนเนี้ยค่ะแล้วก็จะชอบไปฟังความทุกข์ของเขามาว่าเขาเป็นยังไงแล้วมันก็จะอยากอยากช่วยอยากช่วยเขามาก่าแต่ต้องใ ช, ตงใช้ต้องใช้อุเบกขาถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องใช้อุเบกขาช่วยได้ก็ช่วยไปช่วยได้ก็ใช้กามินาแล้วมีพรหมไม้หารสีแเราต้องสลับกันใช้ตามเหตุการณ์ที่สมควรถ้าเห็นเขาเดือดร้อนช่วยไม่ได้ก็ช่วยไปอันนี้ก็เป็นกามินา ถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องทําใจเฉยๆเป็นรู้เบิกขาไปมันเป็นเรื่องกรรมของเขาทํำยังไงคะคือคือมองว่าเออปล่อยไปเลยปล่อยเป็นกรรมของเขาไปเขาทํากรรมอะไรวะถ้าต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะพอเหมือนกับพอช่วยเขาไปมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออคือเขาก็พูดมาว่าแบบเอ้ยหัวหน้าจริงๆไม่ต้องมายุ่งก็ได้นะอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบ ถ้อเขาถ้าเข า, าไม่ต้องการก็อยากเข้าไปยุ่งเราเราส่งความพัฒนาดีไปให้เขาแล้วถ้าเขาไม่ยมีการําบเราก็เราก็ถอยกลับค่อืมคือเราก็แบบคิดว่าเอ้ยเราทําให้ได้เราช่วยให้ได้ดีกว่านี้ขึ้นแน่นอนแต่เขาก็พอเขาพูดแบบนี้เราก็เลยแบบเสียใจมากคือบางคนก็อยากจะช่วยตัวยเพิ่งตอนนี้แล้วก็ไม่อยากจะเป็นนี่บุคคลไทยก็ได้อืมแล้วแล้ว คือถ้าสมมติแบบเราทํางานไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันทุกข์มากๆเนี้ยคือหนูอ่ะทุกข์ก็ต้องออาสาเหตุหาสาเหตุของความทุกข์ความันความทุกข์มันเกิดจากความอยากของเราเองในทุกอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็ทุกข์เป็นแบบอ๋พอพอมันไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมเรากำลังคิดว่าเอ้ยคนเวลาที่มันจะแบบลาออกอจากงานเนี่ยมันคือเป็นเพราะตัวเราแบบไม่อดทนเองเราแบบอยาก อะไรเองหรือเพราะแบบมันยังไงหราก็จะแบบจอความ<น>อยากของเรานะอยากความอยากของเราอยากให้มันได้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้เพราะว่าไม่เป็นเราก็เลยทุกขึ้นมาเราก็ต้องปรับใจว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก็อยากไปอยากไปอยากให้มันเป็นอย่างนั่นมันก็จะไม่ทุกข์อยอมรับความเป็น<อ>จริง อ, อยา่าไปหวังอะไรจากใครอมอรันหวังอะไรมันทำให้เราทุมันอยากกล้วยอ่า มันพอมันหวังแล้วมันไม่ได้ทํามันไม่ได้รับตามที่เราหวังเราก็รู้สึกทุกข์ต้องคือถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยแต่ช่วยไม่ได้ก็ถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราครับเมื่อเราไม่ต้องการให้เราช่วยก็ไม่ช่วยหรือช่วยไม่ได้ก็ไม่ว่าเป็นเรื่องสุดวิส ii, ัยเราก็เราก็ต้องหยุดมันอยูอท่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราเราไม่รู้จักปรับใจของเราให้เข้ากับเหตุการณ์ เข้ากับความจริงได้ค่ะคือหนูจะต้องคงจะต้องมีอุเบกขามากๆเพราที่อาจจะยังไม่ไม่มีความรับเรื่องต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆแล้วจิตจะมีอุเบกขาขึ้นคิดว่าจะกลับมาแบบเดินจงกรมอะไรแล้วก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่แล้วอยากคิดอะไรหน่อให้พุทโธพุทโธ มันมันไม่ค่อยทันความคิดค่ะแบบคือจริงๆแล้วถ้าสมมติเราเริ่มแบบทุกข์หรือคิดอะไรเยอะเราควรจะแบบเอาอิติอิสิองเขาตัดตัดนะคะแต่มันมันไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ทันก็ก็ยังดีเราไม่ทำเลยทําไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ทันก็สวดตามไปอิีิปิโสกัปะวะล้างสมาร์ส่วนหลายๆรอบก็เลยอืมแบบหลายๆจบใช่ไหมคะหลายๆจบ อาจจะสภาพกายความกลัวความอารมไม่ดีต่างๆก็จะายไปความทุกข์ก็จะหายไปคิดว่าน่าจะเป็นแบบความอยากที่อยากให้เขาแบบได้ดีแบบได้ดั่งใจอะไรด้วยก็เลยทํําาทไไไดุ้กข์ก็เลยทุกข์ไปต้องดูความจริงทำจริงทำจริงเป็นไปได้ไหมทําได้ไหมถ้าเป็นไปได้ทําได้ก็ทำไปเป็นไม่ได้ทําไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ อืมได้ค่ะเพาะฉะนะั้นฝึกสติให้เยอะๆนะสึกสติฝึกปัญญาให้เยะกินอยู่เรื่อยๆว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แะอย่าไปเปลี่ยนความจริงเปลี่ยนความจริงแล้วมันเหนื่อยด้วเปลี่ยนใจแล้วให้รับอกความจริงเออแล้วถ้าแบบเราเจอคนที่ร่วม ง, งานเราที่แบบเราเห็นว่าเขาแบบเป็นคนดี แบบคนไม่ดีมากๆเลยแล้วเราก็ต้องทํางานร่วมเขาอันนั้นก็เป็นความจริงอย่างก็ต้องทํางานร่วมกันก็ทำไปแล้วก็เอาแต่เรื่องงานเราอยาไปดูเรื่องดีเชื่อของเขาถ้าทํางานร่วมกันได้ก็ทำไปถ้าทํางานร่วมกันไม่ได้ก็ก็แยกกันไปแต่ไม่ต้องไปดูเรื่องดีชื่อของเข า, Entonces, า <S <S ขอัน <això S 1> มันไม่เกี่ยวกับงานที่เราทำนั่น หนูจะอยากให้เขาดีไปหมดเลยเออนั่นแหละทำอยากของเราเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันใช่ค่ะนะพยายามลดน้ำามอยางให้มีโมเบลขายใจเฉยเฉอยากให้ดีนี่ก็เป็นกิเลสไหมคะถ้ามันอยากให้ดีแล้วมันไม่ได้ดีก็เป็นกิเลสนะอ๋อแต่ถ้าอยากให้ดีแล้วมันดีได้ก็เป็นธรรมะมันดูว่ามันเป็นไปได้ไหม ถ้าเป็นไม่ได้ก็ต้องลดความอยากนอให้นอนอยู่ในระดับที่เป็นไปได้อยากรักษาสีห้าได้ไหมรักษาได้ก็รักษาไปอยารักษาสีแปดแต่ยังรักษาไม่ได้ก็อยากไปรักษาอย่าไปอยากรักษ า, กษาสีแปดเพราะอยากไปรักษาแล้วรักษาไม่ได้ก็จะทุกข์มันก็จะเสียใจแต่ําอยากดีก็ดีแต่ต้องดูว่ามันเป็นไปได้ไหมกาลังของเราพอแล้วเปล ไปบวชชีตอนนี้ไปบวนได้่ะเห็นเยะไปบวชชีต่ไปไม่ได้นี่มันก็ทุกข์เงี้ยเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะพยายฝึกจิตไปเร้คะฝึกโทรึกอิติปิโสไปก็ไดนะ้เวลาทุกข์เวลาไม่สบายใจก็สวดไปก่อนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะป้าอาจารย์อ่าคุณธนพรเชิ่ ก็ตสตมายังไงคุณตาไปยี่ยมันมินไป็นไงย่งไปไปแล้วครับอาจารย์กับน้องสกครับคุณปาจะเข้าไหมครับคุณตามาแล้วครับน้องสกันาจ า, ารย์เ จ, าจ้าค่ะยังมินสมายดีเลยมินเหรอคะอก็ผมยาวขึ้นนะค่ะแมไม่าไม่ยองกรนนั่นแหละ ก็เหมีภารกิจทางโลกเดือนหน้าค่ะค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าเดือนหน้าเขาจะเขาจะมากราบพระอาจารย์นะคะการกราบที่สูงมันจะกราบไหว้เข้ามาสูงได้ค่ะพูดให้พูดยาวแบบต้องใจต้องพูดส่วนตัวได้เรื่องได้นนั่นเราต้อมาเจอื่อ พระอาจารย์ตอนไปปฏิบัติได้ไปนอนที่แค่ด้วยค่ะข้างนอกนห้องนะนี่ไม่น่ากลัวไม่หวาดเชียวเลยพอดีมันพอดีหลับอะค่ะก็เลยก็มาเล่นปฏิบัติเลยเออค่ะไปถึงั่นพอกันคืนนอน่ะค่ะพอสวดมนต์เสร็จก็หลับไปเลยจนถึงเช้าก็เลยไม่ได้ยิน <c oughs> คือเพื่อนเขาบอกก็ได้ยินเสียงหมาหอ <c oughs> ได้ยินเสียงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปลก็เลยไม่เห็นว่าถ้าเรานอนไม่หลับมัาจะกลัวหรือเปล่าค่ะพอดีว่ามันหลับสนิทนะคะเลยไม่ได้ทดสอบความกลัวหลับทุกวันเลยก้อาไปเ <c oughs> อ, อ, อ, อกไปเดินจมกลมกลบไปนั่งสมาธิไปนอยค่ะได้เดินเดินพอดีมีวันหนึ่งเราไปช้าแล้วก็ก็เลยเดินผ่านตรงที่เป็นมืดๆนะคะไม่ได้เดินตรงถนนนะคะกะ ว, ว่าจะไปทางรัด มันมืดสดิทเลยวะอาจารย์มืดแบบไม่เห็นอะไรเลยอะค่ ะ, ะก็กลัวจะหกล้มอย่างเดียวอะค่ะอาจารย์ไม่ไม่มีไฟฉายลยพอดีรีบอะค่ะออไม่ขวาอะไรเลยนึกว่ามันจะมีไฟบ้างพอดีเป็นการฝึกฝึกกิ่ไปในตัวค่ะเหมือนอาจารย์เหมือนกับว่า <c oughs> คิดอยู่ว่า ที่ไม่กลัวเพราะว่าอยู่ที่ในสถานที่เราไว้ใจหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะค่ะก็เลยไม่กลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปที่ที่เราไม่ไว้ใจอก็ตั้งไปทดสอยู่ที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนค่ะตรงนั้นน่าจะเหมือนไว้ใจไว้ใจครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดอ่ะค่ะอืมรู้สึกว่าน่าจะปลอดภัยก็เลยไม่กลัวอะค่ะไม่กลัวนะไม่กลัวเลยไปเหยียบงูเลยตอนที่เดินไปในที่มึนยอืมไม่กลัวค่ะไม่กลัว ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดค่ะคิดวราเมีอาจจะมีมูไม่มีมูไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดอะค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าคิดจะกลัวหรือเปล่าค่ะเขาไปยังไม่ได้สอบตอนนี้ยังไม่ได้ตอบของคืนอ่าพอกลางคืนมาถึงที่นอนไปถึงแพบปุ๊บก็หลับเลยยังไม่ทันคิดว่าจะกลัวหลับไปก่อนค่ะคิดว่าที่พี่เข้อยู่เนี่ย เออเป็นที่เอ่ออยู่อุบลแล้วขึ้นไปจังหวัดอะไรนะหนองบัวตําหน้าจเจริญอําหน้าจเจริญ น, นะคะ่ะแล้วมิ้นก็ก็บินตามมาที่เนี่ยะคะ่ะแล้วก็ก็แล้วก็จะบินกลับไปอ่ะคะ่ะเขาไม่ได้อยู่ที่วัดที่ไปไงั้นนี้เหมือนกับพระอาจารย์มีหลายสาขาอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงการปฏิบัติเขาก้าวหน้าไหก็แปลว่ามิ้น่ะก้าวหน้าไปไกลอ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วก็พอเห็นเห็นมิ้นแล้วก็ได้เจอเอนักบวชผู้หญิงหมายถึงว่าเป็นเป็นนักบวชเป็นคุณแม่ชีอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เขาไม่เห็นว่าระยะเวลาไม่ได้มีผลนะค่ะพระอาจารย์ ปายังเห็นว่ามิม้นยังมีความก้าวหน้ากว่าไปถึงว่าบางคนสามสิบปีแล้วเจอกันอย่างเงี้ยท่านบวชมาสาสิบปีแต่ท่านก็ยังพูดเรื่องทางโลกอยู่อะค่ะ<ม>ว่าเดิมท่านเคยเป็นซี o โอเคยเคยมีฐานะอะไรยังไงอะค่ะ<ม>ปาก็เลยมองกัปา ก, กับมิม้นก็คุยกันว่าท่านไม่พูดถึงสามสิบปีที่ท่านที่ท่านบวชนะคะแต่ท่านพูดถึงก่อนสามสิบปีอะค่ะอาจารย์ค่ะ แต่ไม่ปราคิดว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะละได้หรือเปล่าเหมือนกับว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างมามอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์เป็นรุ่นทถ้ามันได้ผลมันก็ต้องคุยแต่เรื่องธรรมะนะนึ่งธรรมโลกกันได้คุยเหมือนก็พอไปอยู่วัดแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะแสดงตัวตนก็เลยต้องพูดในพูดพูดเรื่องธรรโลกเพื่อให้ตัวเองมีที่ยืนมาค่ะพระอาจารย์แสดว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไม่มีอะไรจากการปฏิบัติเลย อืมครับ่ะอาจารย์มันยังพูดแต่เรื่องปฏิบัติทานั้นอืมครับคร่ะก็เราเคยพูดทังโลกประวัติของเราเลยเราคุยกันเราก็คุยกันเรื่องธรรมะเรื่องการเรื่องสีเรื่องภาวนาค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ป่ากับมิ้นเจอเนี่ยคือเวลามีคนพูดถึงปลาหรือว่ามีคนพูดถึงมิ้นนะค่ะ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะถามคือเขาชมหรือเขาว่าเราแสดงว่าเรายังเด็กยังติดสกแสนเนินทายใช่ค่ะพระอาจารย์ตามนึกถึงคํานี้เลยแล้วก็ยังคิดว่าจะทํายังไงให้เรานิ่งได้อะค่ะพระอาจารย์เรายอมรับว่าโลกนี้มีทั้งสรรเสริญมีทั้นินทาพูดกันไปก็อย่าไปถือเป็นสาวะถ้าสรรเสรญนินทาถ้าจะฟังก็ฟังเพื่อเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเรา ถ้าเขาตำหนิเราเราก็รู้ว่าสิ่งที่เขาําหนิเราถูกไหมถ้าเราปกป้องตามที่เําตำหนิเราก็จะได้ขอบคุณเขาแล้วก็แก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นไม่ต้องกลัวคําตําหนิคิดว่าคำตำหนิเป็นเหมือนกระจกสองหน้าเราก็เป็นที่ผมชอบให้กับเราอก็อาจารย์แล้ตอนนี้แล้วมันก็จะไม่กลัวคําตําหนิมันเหมือนหวั่นไหวนิดนึงอ่ะค่ะป้าอาจารย์ก็ยังมีอัตราตัวตอ่คะแต่ว่าพอสติ ตามทันมันก็เบาลงอะะ่ะค่ะแต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองยังไหววั่นไหวอยู่อะยังไม่มีปัญญาค่ะในปัญญาเขาบอมันมันมันว่าใครว่าอาจารย์สงสัยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอีกนานเลยอะค่ะกว่าจะนิ่งได้อะ่ะก็ไม่เป็นไรอย่าไปกังวลหมอให้ทำไปเรื่อยๆทำให้ม า, มากๆนานไม่นานไม่สําคัญที่ว่าทําหรือไม่ทํำมาก อืมอาจารย์ได okay really ้กาลังใจค่ะทำไปันค่ะพอคิดแบบคิดแบบงานไม่ได้จะทำไปเราทอนได้่อืมค no ่ะถ้าคิดแบบพระเจ้าาทเจ็ดไม่เจ็ดันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแค่นั้นจบใช่ไหม่าโอเคนะพุทธะคนไม่มีอะไรนะก็ครับไม่มีอะไรครับไม่ไม่ไม่ีอะไรก็ปฏิบัติได้ดีครับ ไม่ทำไปต่อนะครับแต่ที่คุณสมชายอยู่เพนซิลเวเนีย USA สเมชายสมชายได้ยินไหม USA อุเอสเอเพนซิลเวเนียอ๋อโอเค I pick one moment สวัสดีครับทานาจารย์การนี้เข้าภาษาไทยเมื่อวันนี้เข้าช่องมาเก็บครับในร่างสองช่องเลยวันนี้ใช่ครับวันนี้เกือบเข้าไม่ได้ผม ไปกลับมาโอ้ยหายากคือตามที่ผมได้ยินมาที่นี่อ่าเป็นการที่ช่วยเป็นการที่ช่วยเรื่องของชีวิตแต่ละบุคคลด้วยท่านรับฟังแล้วท่านก็แนะนำนี่เป็นเป็นสิ่งที่ผมให้ความพีเศแบบว่านับถือและเยอะท่านท่าน คงทำเป็นเป็นล้านๆมาแล้วล่ะแต่ก็แต่ผมก็รี่เป็นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีมากครับผมก็แล้วแล้วสิ่งที่ผมอยากจะถามก็คือว่าอย่างศีลห้านี้ถ้าเราทำไปอาทิตย์หนึ่งแต่แต่มีวันหนึ่งเราผิดไปข้อหนึ่งนี้เราจะต้องไปทำ ไปขอใหม่หรือเปล่าหรือยังไงไม่ทราบไม่ต้องขอหรอกเพราะการขอมันไม่ได้เป็นการขอการการขอที่เป็นการศึกษาว่าสิ่งห้ามย่างไรแค่นั้นเองอ๋อครับถ้าเรารู้ว่าสิ่งห้ามมีอะไรแล้วพ่อแม่เราไปขอใหม่เรื่องถ้าเรารู้ว่าเราบบกพ่ อ, พอแม่ได้แล้วก็แล้วก็ไม่โน้นไว้ว่าเอ๋ออันนี้เราพลาดแล้วครับต้องพยายามไม่ให้มันพลาดซ้ำอีกอ๋อครับ แล้วก็ไปแก้ไขเปเรื่อยเหมือนคนทํางานเนี่ยคนทํำงานไหนบอกห้องคนก็จำไว้ออตอนนี้บอกข้องท้าวหน้าอยากให้มันบอกข้องครับก็ขับออกนะไม่ต้องไปขอใครการไปขอสินจากพระนี่ไม่ได้เอาสินจากพระมาในการถามว่าสินท่ามีอะไรบ้างพระกลบอกว่าสินท่ามีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่แบบเลือผิดตระแวนงดีไม่พูดปวดไม่เดือดรายาเหล่ั้ อ๋อครับเพะนั้นเองการขอสินนี่เป็นการศึกษาครับก็ผมก็จะผมพยายามสิลที่หกที่เจ็ดที่แปดที่ทั้นว่าผมก็พยายามทําประคั่งผิดไปหน่อยวันตก็มีบ้างไม่เป็นไรไม่ใช่เป็นจะต้องครบร้อยทันทีทันใดครับเหมือนเด็กที่หันดนน่ะมันเมื่อแรกมันดจะน้มลูกขานไปก่อนก้าเลยสองสามเก้าเนี่ยก็ล้มล้มันก็ลุกขึ้นมาเดินให อาไว้เาทำไปเรื่อยอย่าหยุดชะลัดนะเนี่มนยมันก็ต่อไปมันก็จะไม่พลาดมันก็จะไม่ผิดคือผมได้ยินทุกท่านมีแต่ว่าสมาธิอ่าสมาธิทุกคนเลยสูงกันทุกคนเลยผมก็เลยก็มไม่แน่หละกศีลน่ะอาจจะไม่อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้เห็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นประเด็นสําหรับเข า, ข า, าเพราะอะไรเขาไม่ได้สนใจ เราสนใจเรื่องสมาธิมากกว่าเพราะพูดเรื่องสมาธิไปอ๋อครับคือถ้ามีอย่างท่านให้ความกระจ่างกับคนทุกคนนี้อย่างที่เมื่อวานนี้ท่านก็คงได้ยินข่าวที่เท็กซัสครับอือครับ18เด็กๆทั้งนั้นเลยแล้วผู้ใหญ่อายุ 16, 16ปี ก็ประเทศนั้นมันเป็นแประเทศเสรีไงใครอยากจะทำอะไรก็ทำได้หมดเกือบโรงเรียนเลยผมก็มันก็มันก็เป็นเรื่องของความเสริภาพเกินเกินขอบเขตเสริภาคโดยไม่มีศีลธิธรรมไฟกับกับก็ถ้าท่านถ้ามีท่านแบบนี้สักสามร้อยหรือเป็นพันก็คงโลกก็คงจะสงบขึ้นมาก เรมีสี่ห้าถ้าทุกคนมีสี่ห้าเราไม่มีปัญหาหอะไรนี้จะขึ้นใช่ไหไม่มีค่าข้าฟันกันก็ผมก็แค่วิตกจังว น, นเรื่องที่ผ่านมาผมเคยได้เย็นท่านสอนสอน่าว่าดูเราก่อนอ่าดูดูดูเราก่อนก่อนที่จะมองคนอื่นอะไอแค่ไขตัวเราก่อนอย่าพูดไปแก้ไขคนีื่น คนอื่นแก้ยากแก้เรามันง่ายกว่าทำตัวเราให้ดีก่อนแล้วพอเราดีแล้วคนอื่นก็เห็นเราดีก็ทําตามเราได้ตไปไม่ต้องสอ น, นเขาเขาก็ยาวตัวอย่างจากเราไปเราก็เป็นเหมือนไอดอลมันก็ไปครับอก็คือตอนนี้เมื่อวานนี้เพื่อนเขาบอกว่าอ่า ไปเล่นกับเพื่อนไป่เขาก็บอกว่ายูวันตะเกตเตสว่าเขาบอกว่าจะเอาไม่เนี่ยมบอกว่าผมขอแต่วันนี้เพราะว่าผมก็เลยคล้ายๆกับโกหกแต่ก็ไม่ใช่แต่ผมก็กินยาจริงๆผมกินยาคพเลสโตรผมว่ามันจะปิดกับยาบอกแอลกาอฮอล์ครับเพื่อนเบียร์ผมก็เลยบอ ก, บอกไม่เอาผมจะผมจะเลิกแล้วจากนี้ไปผมบอกเลิกมาเป็นนาำแล้วก็เลยก็กเรื่องนี้ก็ ที่ท่านเคยสอนแล้วถ้าถ้าถ้าจริงก็บอกมาอย่าพยายามผมจำได้ที่ท่านเคยพูดว่าอย่าพูดจะปากต้องทำจริงอะไรมผมก็ทำมาครับดีมากมีอะไรอยากถามไหมก็แค่นี้แหละครับขอถอนคุณใหเงไปที่ท่านต่อไปนะกลัาที่กรุงเทพเปนมาเลยพุตธกาศครับุกา การการหลวงพ่อค่ะวันนี้หนูอยู่วัฒกาศค่ะวันนี้ไม่ไม่มีคำถามอ่ะหลวงพ่อยังปฏิบัติถึงเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อเพียงแต่ว่าน้อยน้อยลงเพอาะว่า ต, ต้องทํางานแต่ว่าช่วงจังหวะที่ที่ว่าเราลุกเดินไปไหนที่หลวงพ่อบอกว่าเราเดินไปห้องน้ําเราเดินอะไรเงี้ยมันก็จะนึกพุทโธของเราอยู่ในใจอย่างเงี้ยดี อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นต้องคิดค่ะพอมามาคิดช่วงจังหวะที่เราไม่ได้ทํางานไม่ได้คิดงานเนี้ยเราเดินเราทำอะไรเนมันก็จะนึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเสร็จ ก, ก็กลับมาทํางานมันก็พุทโธก็จะต้องหยุดไปแต่ว่าเราก็ต้องอยู่สบบ ได้ดีดีก็ไม่ดีก็ไม่มีอะไรไปขุ่ชิดใจนะค่ะหนูพอแล้วเวลาวันหยุดสระทีอะไรเงี้ยตาหนูหรือจะกลับไปนครนายกก็จะไปอยู่ในห้องพระก็จะนั่งได้ปฏิบัติได้นานดีค่ะหลวงพ่ อ, พอช่วงถ้าวันหยุดไม่ได้วุ่นวายงานเงี้ยก็จะดีดีค่ะดีมากแล้วก็ควร เดี๋ยวต้นเดือนหน้าที่หนูเดียนหลวงพ่อไปพูดที่แล้วอะค่ะหนูจะไปวัดวัดวัดที่ที่วังน้ำเขียวอะค่ะวัดพระอาจ า, ารย<ด>์โสภาค่ะมุสีหลตาเยงตาลาค่ะเหมือนเหมือนมีที่เขาบอกมาว่าท่านท่านจะเพ่งมากเน้นปฏิบัติแบบเยอะอะไรเนี้ยค่ะแต่หนูก็ยังไม่เคยไปนะคะก็เลยตัง้ตงใจว่า ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูไม่ไม่มีคำถามค่ะจะพยายามปฏิบัติไปเร <Okay. S 1> ื่อยๆไม่ถึงค่ะหลวงพ่อสาทุค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะธรมวันใช่ต่อมวันเหมือนกันใช่ไหมสมเสียง <S <S ใช่เจ้าค่ะวันนี้พอดีไปอยู่บ้านบ้านแม่คะ่ะคือตั้งแต่ป่วยแล้วน้องสาวเขาก็น้องๆเขาก็รู้สึกเป็นห่วงเราก็มาก บอกหลายทีว่าให้มาอยู่บ้านนี้แล้วเขาจะคอยดูแลเราก็ไม่อยากจะขัดศรัทธาเจ้าค่ะก็เลยมาสันหน่อยอสักอาทิตย์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปอยู่ที่เดิมเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนก็เสื้อยู่คนเดียวไม่ได้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเออโยมอยากถามว่าโยมจะทดสอบตัวเองอยังไงว่าเราพร้อมสําหรับ การเจ็บป่วยครั้งต่อไปแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเช่นครั้ ง, งที่แล้วว่าอยากต้องนั่งให้ผ่านทุกเวทนาให้ได้นั่งรับเจ็บนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปขยับใช้ใช้วิธีของสติหรือปัญญาสอนใจให้สงบตัวทงทำการความเจ็บปวดให้ได้อยู่กับความเจ็บปวดให้ได้ออใช้สติกระดพุทโธพุทโธไปนะเกิการเจ็บปวดปวดเข้าวปวดแค้งปวด อะไรก็ตามพกทโธพุโทพโธไปไม่ใช่ปัญญาพิจารณาว่าเวทนาเป็นหน้นาตาเป็นของขที่เราควบคุมบังคับไปได้เจ้าค่ะเราทุากข์ก็ไม่ทันได้แล้วมันจะไม่กลัวนะ่ากล่มเจ็บไข้ได้ตัวไม่ต่อไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าก่อนหน้ายมจะป่วยคราวที่แล้วเนี่ยนะคะยมก็ก็ ก็นั่งประมาณสี่ชั่วโมงแบบไม่เจ็บ น, นะคะไม่เจ็บไม่ปวดขายางเงี้ยแต่พอไปเจอปวดหัวต้องต้องต้องนั่งให้มันเจ็บนั่งมันเจ็บเราจะได้ใช้ใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันแสดงว่าต้องนั่งนานนกินนะที่มันทรมานไปเลยอย่างเงี้ย น, นะคะก็นานก็ไม่นานเลยไม่แ น, น, น, น่สำหรับคนบางคนนั่งสิบนาทีสิบห้าถึงกับปวดหน้าเจ็บหน้มันอยู่ที่เรานั่งแบบแต่ ถ้านั่งบนเบาะมันนั่งมันนั่จะไม่เจ็บ น, น, น, ขอขอนั่งกับพื้นธรรมดาพูเสื่อปูผ้าก็พเจ้าค่ะนั่งกับพื้นเจ้าค่ะอ่าไม่ต้องมีเบาะรองอืมนั่งให้มันแข็ ง, งขแข็งนั่งกับพื้นแข็งแข็งอาจจะมีปูผ้านิดหน่อยก็ไดเจ้าค่าะืม้อย่างนแล้วนั่งตัวให้ตรงนั่งอย่างนี้แไม่แล้วกยายาหลับถ้าหลับแล้วมันกี่ชั่วโมงมันก็ไม่เจ็บไม่ปวด แล้วค่ะเดียเด๋ยวโ<อ>ยกจะ น, กนะนั่งสมาธิให้ไปบ่อยจะค่ะกลับขอพระคุณวาเชิญกวา ง, วางนครสีธรรมรานอนนอนรอนอนร อ, นนอนเลยนะพูดได้พูดได้เลยเอาเงไหมกับกูมันมีป่ะฮะโอเคอได้มันได้ยองคะ่ะ อ่าเชิญพได้คูได้เลยโอเคค่ะก็พอดีว่าหนูไม่ได้เข้าซูมมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะคระอาจารย์ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช้ะค่ะจากเพชรบุรี ก, ก็ก็รู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์มันขุ่นข้องหมองมัวหนูเองก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะการปรับตัวกับสถานที่หรืออะไรหรือเปล่าค่ะอารมณ์ก็ มีส่วนแล้วก็อีกส่วนหนี่งก็คือไม่มีสติค่อยควกคุมอารมณ์พยายามเจริญพุโทโธพุทโธแล้วสวดมนไปในใจนี่เนี่ยแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปหาไปได้ค่ะก็เวลาทํางานมันรับหลายอารมณ์อะค่ะบางทีก็แบบแล้รับหลายๆเรื่องแล้วก็พอกลับมาอยู่ใกล้บ้านใกล้พ่อแม่อย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่คินกแับบ คือเราอยู่คนเดียวมายาวนานอย่างเงี้ยค่ะหนูเองก็บางทีก็เอมีท่านบนมีนี่โน้นนั่นอย่างเงี้ยบางทีก็ก็ทําให้อารมณ์บางทีก็ก็ไม่ค่อยสถียืนเท่าไหร่ค่ะใช่แล้วขาดนอการระเบคขาดสติพยายามเจริญสติให้มากมาแล้วก็ขาดวินัยด้วยค่ะอาจารย์ขาดวินัยขาดความเพียรพยายาม ค่ะหนูเองก็ไอความเพียร น, นี่เราต้องตั้งมั่นอย่างไรอะคะที่ให้มั น, น, นมีสมานเสมอแล้ะตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับอพอลืมตาขึ้นมาก็ฝึกเซเจริญสตินะครับทำพุโทโธก็ได้หรือจะเฝ้าดูร่างกายก็ได้ว่ากำลังอยู่ในท่าไหานกำลังทาอะไรอันนี้แล้วก็เรียองขอความเพียรทำไดตั้งแต่ตื่นจนหลับเลย หมายถึงว่าทำไม่เป็นตะบะคือคือรู้สึกว่าชีวิตขาดขาดความเพียรหนูก็เลยแบบจะทำยังไงให้มันสม่ำเส ม, สมอแล้วมันอยู่ตลอดในสิ่งที่ความตั้งมั่นหรือตั้งใจดีในหลายๆเรื่องที่มันแบบก็ต้องพยายามต้อพยายามฝ่ายรักเวลามันไม่ทำก็ต้องกระเข้าให้มันทำอยไปตามใจมันแย่าไปท ต, ตามมารม มาทำตามอารมณ์าอารมณ์ดีก็ทามันล้ไม่ดีก็ไม่ทำไม่ได้ทตลอดเใช่ค่ะแล้วรอชนะความกิเกียรหรืออารมณ์ยังไงอ่ะก็ความปรยัดทำมันกิเกียรก็ลุกขนมาจงกลมเลยพูดโทไปเลยทำมันก้เกียร์ก็พูดโทพูดโทรไปเลยแส่วนไี่ไปเสาไปก็ไ ค่ะเดี๋ยวจะคองกลับมาดูใหม่นะคะว่าจะดีขึ้นหรือไม่นะคะอ่าดีแน่ๆ่ะทำลองๆห น, น้าดีแน่ๆค่ะขอบพระคุณค่ะอันต่อไปคุณจรรยงทองไม่ทราบชื่อไ้นชุสกุณอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะอยู่กรุงเทพค่ะอ่ามีอะไรไหม ค่ะก็ตอนนี้หนูพยายามฝึกนั่งสมาธิทุกคืนก่อนนอนนะคะแต่ก็ยังนั่งได้ไม่นานมากได้ประมาณแค่ยี่สิบสามสิบนาทีบางบางทีก็ได้แค่ประมาณสิบนาทีค่ะแต่ก็พยายามฝึกทุกวันอยู่ค่ะแล้วก็พยายามเอ่อตั้งใจจะถือศีลแปดทุกวันพระค่ะเอ่อแต่ก็ก็พยายามพยายามฝึกอยู่ค่ะว่า จะทําให้สิ่งแปดครบท่วงแต่ว่าบางทีต้องไปทํางานก็เลยอาจจะมีแบบบางข้ออาจจะแบบยังยังไม่สมบูรณ์มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเริ่มต้นไป็นไอย่างเงี้ไปก่อนรำลึกคู่คานไปก่อนทำได้เท่าไหร่ก็ทําไปตามตรงตมันจะพัฒนาขึ้นไปเนะขอให้เร า, เราไม้ทำก<ว>ันละกันเอ่อการนั่งสมาธิควรถ้าเรานั่งได้แค่ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเราควรจะ ตั้งเวลาไหมคะว่าหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องนั่งไม่ต้งนั่งนั่งจนกว่าเราจะนั่งไม่ไหวถ้าอยากจะนั่งต่อเวลาอยากจะลุกก็อยากขึ้นลุกแข็วานั่งอนัอต่อเพ้่การนั่งส่วนนันต่อไปก็ได้ค่ะพระอาจารย์นอกจากก็ยังไม่มีอะไรค่ะขอบคุณค่ะโอเคคณวิไลพรยอมหญิงกลับนัำกาสายสองค่ะ กลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีอะไรค่ะมาฟังเสียงแล้วมากราบพระอาจารย์มาฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะไปดิบกแัแอมมีม่แอมมีมมม่พทัทยาแอมมีม่แชวสวัสดีค่ะพระอาจารย์วันนี้เดแกๆนอนเหรอเดี๋ย ว, เ ด, ยวนน เ, เดี๋ยวไปเรียกปหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะภาษาไทยนะวันนี้พูดภาษาไทยไม่พูดภาษาอังกฤษ สวัสดีจ้สวัสดีค่ะยกมือใหัสวัสดีค่ ะ, คะจะ้าไปทอะไรกันอยู่เล่นเกมค่ะวันนี้เรยนดูน้อเอ็ม่ะฮะเลพิเศษะค่ะก็เลยให้เล่นเกมแป๊บเดีอ่าโอเคค่ะแล้วเป็นงออมเล่นเอมเอน้องสาวชื่อน้องเอมค่ะ น, น้องเอม็มเป็นไงน้องเอมไม่พูดอะไรเลยง่วงนอนนะง่วงนอน เ yeah, yeah. นี่ยนะอะไรนะน้องอม้องมมีอะไรอยากจะถามหมไม่มีครับไม่มีนะโอเคอย่เป็นเด็กดีนะเชื่อฟังคุณแม่นะอย่าดื้อคุนะคุณแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำผมเลยนะถ้าคุณแม่จะมีความสุถแล้วหนูก็จะมีความสุมีไหมไ้ยินครับตัด่าตีไหมครับอ<า>๋<ด>อีครัทักกัดีก่อนนะ <ป>สวัดีครัสวัสดีวันดีและที่คีณเมธีจต้อนในที่นี้อยู่ที่ไหนเมทีสวัสดีค่ะหนูอยู่นามัสการค่ะหนูอยู่แถวประชายชื่นค่ะคได้ยิไนไ้ยคะได้ยินช่าเจีพูดได้เลยค่ะาพระอาจารย์ครับพอดีว่าหนู ขอคำแนะนำนิดนึงค่ะคืออ่ะหนูขอเล่าถึงตอนอดีตก่อนนะคะั้นสั้น้สรุปโอเคสรุปก็คือคพ่อกับแม่เคยแยกทางกันนะคะตอนเด็กๆแล้วตอนนี้พ่อเสียพ่อเสียไปเจ็ดปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้แม่ก็คืออ่ะตอนเนี้ยคือต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้แม่ก็มาอยู่กับหนูค่ะ คือหนูเองหนูก็จริงๆหนูตั้งใจแล้วก็ดีใจที่ได้ดูแลแม่แต่หนูก็จะมีทิฐิอยู่นิดนึงหนูพยายามจะก้าวก้าวข้ามตรงนี้ไปอ่ะค่ะพระอาจารย์ที่จะไม่คิดถึงอดีตที่ว่าเขาเคยแบบอ่าไม่ได้ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดถึงตอนที่เราอยู่ในทาอเขาอยู่เขาดูแลเราใช่ ไ, ไแต่ก็เป็นดูแลเาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกมาจากท่อ เนี่ออกมาก็า จ, จะไม่ในหายใจเนะเราไม่เราไม่คิดในส่วนที่ไม่ดีเราส่วนที่ดีเราไม่คิดนะค่ะก็เป็นคิดใหม่จะคิดใหม่นะคะพระอาจารย์เพราะว่าไม่เคยมีความคิดคือคือรู้แหละว่าอยากตอบแทนแต่ว่าบางทีหนูก็คิดคิดไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะต้องคิดถึงในส่วนที่ดีถ้าไม่มีแม่ไม่มีท่องแม่เราจะแก่ขึ้นมาได้ แค่นี้ก็พอแล้วบุญของแม่เนี่ยลองแมะฟังเพลงค่าน้ํานมของแม่เคยฟังไหมห ค, ค่าน้ํานมเคยฟังค่ะฟังแล้วมันจ ะ, จ ะ, จะทาให้เราไดรู้ว่าคุญบุญของบุญแม่เป็นยังไงหรือเราจะต้องเป็นแม่ก่อนก็ถึงจะรู้ก็ได้ตอนนี้เรายังไม่เป็นแม่เราก็อาจจะไม่รู้ว่าความแม่ต้องเสียสละให้กับเราบ้างได้ไนะ ร่างกายก็มาก่อ น, น, น, นสวยงามพอเขา้าตังา้งทองเราขึ้นมานี่ทเขาไม่น่าดูไปไหนเขาไปไหนก็ไม่ไม่ไม่อยากจะไปไหนไปหวดท้องตัวเองแ ต, แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าหนูไม่อ่าไม่คิดถึงนะคะอ่ะในระหว่างที่มาทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เป็นห่วงแต่คือเขาก็มีมีอะมีมีครอบครัวใหม่แต่ว่าตอนนี้แม่ก็แบบเหมือนอายุแก่แล้วพอ เราก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสได้ดูแม่แต่บางทีมันก็จะมีความคิดแวบเข้ามาแบบถึงอดีตอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยเออหนูจะก้าวภาพตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ก็นี่นแหละก็ให้เราคิดย้อนไปอดีตที่ดีคิดถึงในส่วนที่ดีด้วยอย่าไปคิดในส่วนที่ไม่ดีอย่างนี้เราก็ต้องรอแม่ว่าแม่เขามีหลายบุตทบาทในตัวเขาเองบทบายของแม่เขาเขาก็ว่าดีเขดีเราเขาตั้งท้องให้เรา แต่เขาก็เป็นคนเหมือนเราคนหนึ่งที่อาจจะยังมีกิเลสยังมีความนักความชาั่นอะไรของเขาอยู่เราก็ต้องเข้าใจในในในเรื่องของเขาด้วยว่ามันเป็นส่วนอีกส่วนหนึงซึ่งเราไม่ควรจะไปก้าวล่วงเข้าไปในส่วนนั้นของเขาถือว่าเป็นเรื่องของเขาค่ะต อ, อนนี้หนูก็อ่ามีโอกาสเงินเดือนได้ได้เงินเดือนหนูก็เอาเงินเดือนให้แม่แล้วก็แบบขอขามาแม่ เลี้ยงแม่ไปว่าเดี๋ยวเวลาแม่จากไปเราจะมาเสียใจไปหลังว่าไม่ได้ทำอะไรแม่เลยพขาพูด่าแบอกว่าคุณคุณของพ่อแม่เนี่ยเราเราเราเลี้ยงดูท่านเท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดต่อให้แบกพ่อแม่วนบนบ่าวนไหลให้พ่อแม่ถ่ายปัสสาวะอุจจาระใส่ตัวเรา ไปย้อนวันตายก็บุญคนที่ท่านมีกับเราเนี้ก็ไม่มีบหมดอย่าไปทาให้พ่อแม่บุญคนหมดได้ก็ต้องทําให้พ่อแม่เป็นพระอริยเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าเรารู้ตัวชาเราเหมือนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะก็ไม่เสียยังไม่สายแต่อแม่ก็ยังอยู่เพก็ทำต่อไปทําหน้าที่ไปถ้ามันถ้าตายไปแล้วก็ถือว่าเรา ก็พาโอกาอันดีไปทด้ไหนคะก่อนหนะ้านี้ตอนที่พ่อยังอยู่หนูก็ดูแลพ่อเต็มที่เหมือนกันค่ะก็ดูไปตามกำลังของเราเรามีกำลังเท่าไหร่ก็ทำไปตามกำลังของเราอย่าทำมากกว่าเกินกำลังแล้วพอพอมันทำไม่ได้ก็จะเสียใจก็จะทุกข์ใจทำเท่าที่เราทำได้ โอเคถ้ามีอะไรไหมตอนนี้ยางค่ะมีเท่านี้ค่ะขอบคุณมากคับอาจารย์ขอบคที่คุณะตะกรคุณะตะกรอยู่ที่ไหนอากาศนมัสการพระอาจารย์นะครับไ ด, ได้ได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนครับก็หลังจากที่เขาเงี้ยวแล้วผมก็ได้เขามีโอกาสเข้ามาขอคำปรึกษาจากพระอาจารย์นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับจิตก็มีความสงบมากขึ้นครับแต่เหมือนกับตอนนี้ผมก็เจอปัญหาเหล็กน้อยแล้วเหมือนกับ พอผมจะเริ่มปฏิบัติจริงๆนะครับเหมือนกับเรายัางมีเหมือนกับภาระงานภาระเรื่องราวต่างๆให้เราต้องคิดแล้วเหมือนกับเรายัางเหมือนก็จิตใจเรายัางไม่สมบูพอที่จะไปปฏิบัตินะครับเหมือนกับถ้าพูดง่ายก็คือผมรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยมีวินัยในการปฏิบัติเท่าไหร่ครับตรง น, นี้ถ้าอาจารย์มีคําแนะนำํำจากจะแนะนำเข้าไปก็ลองก็ลกองตั้งตั้งตั้งกำหนดเวลาของการปฏิบัติเช่นนั่งสมาธิก่อนนอนนอนตื่นมาก็นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทํา เอาแบบง่ายๆก่อนแล้วก็เพิ่มขยายเวลาการปฏิบัติไปเรื่อยๆครับแล้วแล้วการนั่งสมาธิและการสวดมนต์นี้จําเป็นต้องปฏิบัติพร้อมกันไหมครับมันเป็นเรืเดียวกันคือถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเราไม่สงบเราก็สวดประกอบก็ได้คือการสวดมนต์ก็เป็นการทาสมาธิรูปแบบหนึ่งไหมครับใช่เป็นแบบหยาบๆคือเป็นการดึงใจให้ระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆครับ กลองจัดการนั่งใหม่ๆนี่มันคิดมากดูลงก็ดูไม่ได้นีให้พุดโทรก็พูดโทไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อแล้วก็มีคำถามนะครับคือดิจิพอดีก็เหมือนกับผมก็ที่ผ่านมาก็พยายามกับ เ, เรื่องจัดการเรื่องที่กาปรึกษาพระอาจารย์เหมือนกับบางทีมันมีความคิดที่แบบไม่ค่อยดีโผล่ขึ้นมานครับเหมือนกับก็ได้นําวิธีพุดโธไปใช้ก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันเห็นผลมากขึ้นครับเหมือนกับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่า คือมันบางครั้งมันยังมีความคิดที่ไม่ดีผุดขึ้นมาแต่เหมือนเราก็รู้ว่ามันไม่ได้มาจากตัวเราเรารู้สึกก็เหมือนกับมันแยกจากตัวเราว่าเราไม่ได้เป็นคนคิดมันขึ้นมาอะครับมันเป็นมันคืวามคิดถ้าเราไม่ต้องการให้มันคิดเราก็ใช้พูดโท้พูดโท้กันได้ที่เหมือนกับบางครั้งมันผุดขึ้นมาแต่เราก็ยังแบบเหมือนกันเราก็ค่อนข้างแบบเฉยกับมันแล้วเราก็พยายามเหมือนกับไม่พยายามให้มันแบบให้มันเกิดขอดกันบนสมนะครับเหมือนกัพยายามให้มันหายไปเองคเับคืออย่าไปทําตามความคิดกันแล้วกัน แล้วบอกเรื่อเตือนตัวเราว่านี่เป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นเสียงที่เราไม่ควรที่จะ ส, ส่องเสริมเราอย่ายุติคุยกับตัวร้อยนั้นได้คือตาบในที่เรายังรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ดีมันเป็นกรรมมันมเหมือนกับเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีก็ยังถือว่าเรายังมีสติระลึกรู้ตัวอยู่ใช่ไหมครับก็รู้แต่ยังอยู่ในจุด ท, ที่ยังห้ามมันไม่ได้เราพยายามต้องฝึกห้ามมันมันถผกขึ้นมาแล้วเราหยุดมันไวาอย่าคิดตัว อ, อย่างนี้เลยเรื่องไร้สาระไม่มีประโยชน์ เรื่องที่เป็นพินเป็นไทยอย่าไปคิดนะครับครับถ้ามันยังฝืนคิดอยู่กใช้พุทโธสู้กับมันมะช่วยมัขึ้นมาแล้วก็พุพุทโธพุทโธพุทโธอานี้นะนัก็จะคิดไม่ได้ัใจนะครับแล้วนั่งสมาธิตอนนอนแล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิก่อนที่จะไปทำลยคร ครับคืออาจจะเป็นเริ่มเริ่มอาจจะเริ่มจากสั้นๆก่อนก็ได้ใช่ไหมครับนั่งเท่าที่จะนั่งได้ครับไม่ต้องกาหนดเวลาก็ได้ครับมึงตอนท่านั่งเวลาก่อนส่วนนั่งส่วนมุมไปก่อนนั่งหลับตาส่วดมุนเอติปิโสไปก่อนครับแล้วเอติติโสอันนี้ผมสงสัยมากนะครับเหมือนกับที่เราต้องสวดอายุวิกเนี่ยครับเหมือนกับอ๋ออันนี้จะอยู่ปลายให้เราอถ้าไม่รู้จะสวดกี่รอบเขาก็เลยว่าสวดตามอายุเราไปแล้ว คื่เราสมมติว่าอย่างผมส่วนมากยินดีส่วนนี้มากยินงท่าไหร่ยินดีเพราะเป็นเหมือนกับการกินยาอินยานกินได้มากเท่าไหาร่ก็เป็นาการรักษาโรคไปแค่เจ็บให้หายได้ได้เลยเหมือนเราก็สามารถสดเกินอายุเราได้ใช่ไหมครับได้ได้ส่วนสองเท่าของอายุเราก็ได้เชน่นเราอายุสามสิบก็ส่วนมันหกสิบนอกกดนะมิสามรอบ ก, ก็เก้าสิบ ครับคือบ <aluminium. S 2> ีก็เหมือนกับตอนเด็กๆครับเหมือนผมเคยเจะอาจารย์แบบแนะนํว่าเหมือนกับให้สวดเป็นอาจารย์ที่สวดหนังสือผมก็เหมือนกับบอกว่าจิตรกรจิตกาแฟสวดสามจบก็ได้หลังกทำอื่นก็สวดอีกสี่ห้าจบสวดไปเรื่อยๆเหมือนเปิดมาอีกมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะทําให้ใจเราเย็นใจสบายเลยครับโอเคนะโอเคครับครับก็ปิดมรดกการแล้วขอบคุณพระอาจารย์นะครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพเหรออยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพ ผมจะน้ามนำคำสอนนะอาจารย์ประบาดนะครับสาธุอาจารย์ครูมี่ลายต่ออาจารย์วันนี้เ้ามาสายไหนนะวันน้ทมามาช้ามาเนี่มาันศุกการค่ะมาสายค่ะเป็นทางข้าวกับลูกค่ะอ๋อน้ำวันศุกราการค่ะพี่พ่อเข้ามานะลูกพามาเที่ยวหัวหินค่ะอ๋อตนนี้อยู่ที่หัวหินเลยอยู่หัวหินค่ะอ๋อตอนนี้ไปไหนสบายแล้วไม่ต้องกลัวต้องติดนะ เด็ดมาวันหนึ่งแล้วมีภูมิไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องระวังอยู่ค่ะไปไหนสบายเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วค่ะไม่รู้สึกเป็นผิดที่หนีมาเที่ยวค่ะตอนนี้ต้องใช้เอาตรงมาชีวิตให้มากที่สุดนะเวลาเหน้อยลงไปทั้วันเวลาเหลือน้อยค่ะต้องต้องทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดค่ะเมื่อสองวันที่ได้ไปตักบาตรพระอาจารย์ครอบครัวก็ เอ อ, เอใจพองโตค่ะเ ป, เป็นเป็นไปฉลองกันในเรือเนี่ยถ่ายรูปส่งไให้ดูใช่ค่ะมาคเช้าทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเนนที่วัดเออสายของคุณพ่อวิริยังอันนะคะสองร้อยเจ็ดสิบูปแล้วก็ตอนเที่ยงเลี้ยงอาหารเด็กบ้านเด็กอ่อนในสลัมค่ะค่ะก็ฟักเช้าเป็นทำบุญหมดค่ะ ภาคบ่ายเป็นทางโลกค่ะเลี้ยงกิเลสเลี้ยงกิเลส่ะครอบครัวครอบครัวใหญ่ไปกันพบปค่ะอบค่าค่ะโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ค่ะกลานมัสการไปที่คุณจอยต่อจอยพัทเทีจอยได้ยินไหมไหนไม่ไหนเอยเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะจอยไปที่ฟากวะลายปาอวะไายศีรชา ถ้ามาฟังทำค่ะไม่มีเจ้าค่ะคุณพร้อมทราบต่อพร้อมทราบใช่ไห ม, ช, ไหมชื่อพร้อมทัาบใช่ไหมคกกรับตบขาหน้าวัดสกาลตบขาพระอาจารย์ยที่ไหนอยู่บึงกาญเจ้าค่ะบึงกาญเป็นจังหวัดไม่ว่าเป็ น, เ ป, นเป็นน้ำปรการเป็นจังหวัดที่แยกออกจากหนองคายค่ะบึงกาญเป็นน้ำพร เป็นจังหวัดที่ออกจากจังหวัดนองคายค่ะ บ, บึงการ okay. เข้าใจเข้าใจมีอะไรจะถามไหมมีมีเรื่องกุ้มใจอยู่คือขน้อยนี่เป็นคนกู้เงินแล้วทีนี้คนคำ้ำเขามาคำ้ำแต่ขน้อยนี่ยื่นเรื่องไปย้ายไปชนบุรีแต่คนคำ้ำเขาไม่อยากให้ย้ายไปชนบุรีเขาไม่อยากให้ออกจากบึงการเพราะว่า เขากลัวว่าเราจะหายตัวไปเลยหรือว่าไม่ใช้ทำละนี่ทีนี้ขน้อยก็เลยกุมใจว่าเขาน่ะจะชดใช้นี่แทนเราเพราะว่าขน้อยนี่ถ้าไม่ได้ย้ายคือไม่มีเงินใช้นี่เจ้าค่ะพระอาจารย์เราก็เลยสำนึกผิดว่าเราได้ทำความผิดคือใช้เพื่อนใช้นี่แทนพวกมันจำเป็นไม่มีเงินแต่ถ้าได้ย้ายแล้วมันจะมีเงินแต่เขาก็ไม่ยอมให้เราออกนอกพื้นที่ก็เลยอยาก เรียนถวายว่าเรียนถามโอกาสว่าเรายับรับสภาพแบบนี้ไปเลยแต่ว่าในใจถ้ามีเงินก็จะใช้เขาอยู่นะคะเอบอกเขาสร้านความเป็นจริงแล้วถ้าเขาไม่ให้เราไปเราก็อยู่ใจลื ม, ลมเราก็ไม่มีไม่มีปัญญาติที่จะเาเงินมาใช้โดยเขาจะเอาอางนั้ค่ะก็ต้องวางเฉยใช่ไหมคะ อ, อูเบ<อ>คา้าใช่ไหมเจ้าค่ะความจริงไป แต่เจตนาขณน้อยเนี่ยไม่ได้อยากให้เขามาใช้นี่แทนหรอกนะแต่เขาก็ยืนยันจะใช้บอกพอโอเขตแล้วว่าถ้าดิฉันอยู่เนี่คุณคําจะเดือดร้อนนะแต่เขาก็ยังรับเดือดร้อนแทนเรานะขณน้อยก็เลยก็เลยตามกรรมเลยค่ะนะเป็นเรื่องกุ้มใจ <laughs> เวลาพูดก็แบบอยากมีอารมณ์เพราะว่าเราอยากย้ายเราอยากย้ายเพราะว่าญาติอยู่สีราชาอยากไปอยู่ที่นูน่น อยากไปทำมาหากินที่นู่นแต่ถ้าย้ายนี่จะได้เงินประมาณห้าหกแสนได้เงินประมาณห้าหกแสนมาชำระนี่ต่างๆที่เรามีอยู่แต่มันมันเป็นนอกสังกัดคือเดี๋ยวนี้สังกัดสพทใช่ไหมคะย้ายไปก็จะเป็นสังกัดของเทศเทศบาลศรีราชาค่ะก็เลยเขากงจะกลัวว่าเงินมันจัด กระทรวงศึกษาธิการไปเป็นของกระทรวงมหาดไทยมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์อันนี้นะแต่แต่กระนั <antig> ้นเขาอะไรไม่ได้การไม่การมีหนี้นี่เป็นทุกข์ประหยากจะมีความสุขประหยัดไปมีหนี้วไปสร้างดี้สระน้ำก็ต้องใช้ให้ได้นเจ้าค่ะ้างเฉยก่อนแล้วแต่จะเปลี่ยนไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่นที่ทําอะไรไม่ได้ก็เฉยๆอยู่เฉยไปก่อนอยู่ที่เดิมไปก่อน นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เขาใจอ่อนอยากให้คับย้ายเราจะเขาก็ไม่ย้ายค่ะไม่น่ามันดีกันดีกับว่ามันจะไปเข้าไปกูปองแล้วคงยังไม่ได้เคยนนะจ้าจูจ้าเจ้าค่ะให้พระอาจารย์เมตตาพระอาจารย์เมตตาให้ขนยได้ย้ายไปด้วยนะคะให้เขาสงสารเราให้เขาสงสารเราเขาก็สงสารเราก็จะปล่อยเราเอง อาจารย์ไปที่วัดยานสองครั้งแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ว่าได้เคยไปวัดยาณสองครั้งแต่ไม่ได้พบพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าโรงเรียนพาไปทัศนศึกษาแต่ทีนี้ได้ได้มีโอกาสเขียนย้ายไปที่ศิริราชแล้วมีเลขตำแหน่งด้วยยังไม่ได้ไปเหลือเหลืออีกวันเดียวคือเขา เขาจะประชุมรับข้าน้อยเนี่ยวันวันพรุ่งนี้แต่วันนี้น่ะหนังสือคัดค้านไปโอ้นบุญไม่มีเจ้าค่ะขอเม่ตาพระอาจารย์ใจเย็นๆโอกาสหน้ายังมีเจ้าค่ะหออาจจะถูกหวยที่นั่นก็ได้ไม่ต้องไปก็ได้จาดุเจ้าค่ะจาดุจ้าดุเจ้าค่ะโอเคพูดให้กาลังใจนะถูกไม่ถูกไม่รู้ อนน้องมตรการแต่ค่ะโอ <Okay. S 2> ดีใจได้เข้ามาฟังธรรมวันนั้นลองไหายวันนี้ยิ้มกลับไปกลับมาก็อย่างนี้น ะ, ะชีวิตสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปนะโอเคคุณสุขมาตรการคุณสุภต า, าอย่ดทักทอน้อนทุกหลงหรือเปล่าไม่กลับแต่วาสุติการก็ต่างเจ้ากค่ะ อย่างสบายดีเจ้าค่ะไม่โดดอยู่บ้านอย่างเดียวปลอดภัยนะปลอดภัยที่สุดเจ้ค่ะอยู่บ้านเนี่ยแล้วเจ้าค่ะพอดีวันนี้อลูกมีคําถามเจ้าค่ะคือสัปดาห์เนี้ยพอดีมีอะไรเข้ามาเยอะคือเอคนเขาให้ขอขอคําแนะนํามาเจ้าค่ะทั้งโลกทั้งโลกลูกก็ให้คําแนะนําเข้าไปทีนี้พอพอเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้ลูกสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเริ่มต้นของ ของปัญหามันเกิดจากความคิดปุงแต่งแล้วมันก็ต่อไปด้วยเวทนาแล้วมันก็ต่อไปด้วยปัญหาแล้วมันก็ไปกลายเป็นอุปทานขึ้นมาเจ้าค่ะถ้ามันไม่มีปรุงแต่งมันก็จะไม่มีต่อใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะถ้ามันไม่ต้ปรุงแต่งนก็น่งอยู่ในสมาธิเจ็ดขั้นรู้แน่งสงบมันก็มีควาสมสุขมันก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งหนาะเรื่องหาเราวหาอะไรนะคะ แล้วส่วนใหญ่ไอ้ปรุงแต่งเนี่ยมักจะปรุงแต่งไปทางอคุศนใช่แต่พรพิชาอื อ, อ, อไปทางลาบโ น, น, นสนระแสนศุกร์เนี่ยทุกคนกลามาในใหญ่กะได้ราบโ น, นสนระแสนศุกร์กันแล้วก็ไ ป, ไปยึดยึดมันถือมั่นตัวของตัวเราเองอะ่ะใช่ไหมเจ้าคะก็ได้เลยมันก็เป็นยึดมั่นของเราหัวหัวทุบเจ้าค เจ้าค่ะทีนี้พอมันมีเรื่องหลายๆอย่างของคนอื่นเน่ยเข้ามามันก็เลยทําให้เราเนี่ยจิตไม่สงบไปด้วยลูกก็ปกติลูกนั่งสมาธิลูกจะใช้วิธีการสวดมนต์แล้วก็ดูลมหายใจต่อแต่มันมันก็ยังไม่สงบเพราะเห็นการวิ่งแบบวิ่งไปวิ่งมามันเหมือนคลื่นที่แรงมากเจ้าค่ะลูกก็เลยนึกได้ว่างั้นขอท่องเป็นวงจรของปฏิจจสมุตบาทก็ลเลยเริ่มตั้งแต่ เริ่มตั้งแต่อาวิชาใช่ไหมคะก็คะ่ะอวิชาสังขารไล่ไปแล้วทําให้สงบขึ้นได้ไดใช่ไหมเจ้าค่ะแบบนี้เป็นการเหมือ น, นเป็นเหมือนการสวดนต์นี่ส่ว น, แ, น, วนแล้วส่วนเป็นภาษาภาษาภาษาไทยก็ได้ก็ษาคับแปรก็ได้วิชาส่วนเป็นภาษาบาลีก็ได้แล้วค่ะก็คือไล่ไปเรื่อยๆมันก็เลยทําให้แบบรู้สึกว่าจากที่คลื่นมันแรงๆก็เริ่มจะสงบสงบ ไป เ, เรื่อยๆกระแสความคิดปรุงแต่งของเราออกไปใช่ค่พะพอเห็นจากข้างนอกแล้วมันก็มาเห็นจากข้างในตัวเองด้วยเจ้าค่ะว่าว่ามันก็เราก็ไปต่อไปต่อด้วยมันก็เลยทําให้เราอยากจะหยุดไอต้ตรงตรงปรุงแต่งตรงเนี้ย<ช>ไม่ให้มันขยายไปอะเจ้าค่ะใช่ถ้าเรามีสติแล้วก็หยุดมันโดยการสวดไปการสวดนี่ก็มีการเจระสร้างสติขึ้นมา นะคะไม่จําเป็นต้องสวดมนต์ก็ได้ถ้าสมมุติว่าเรารู้รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เรานะสงบก็อยู่อะไรได้ดที่ไหนก็นอยู่มันไปได้ที่ไหนเะจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระไม่มีคําถามนะไม่มีเจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอะรที่คุณสมภพจ้ะสมภพอยู่ที่ไหนนะอำนาจอะไนะอยู่นิมมสการน อ, อาจารย์อยู่เบงการครับ มีการมีกา ร, ก ร, รมีการเเมื่อกี้นะครับมีอะไรไหมย้วมีคำถามไหมอาจารย์ไม่มีนะครับผมโอเคถ้าไม่มีก็ขอไปต่อเนะเเนะ ค, ค, คุณหมอสุธทธิชนินีจากปถุ น, น, นการใช่นามสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะ คุณไปยนคุณไปยืนอยู่ที่ไหนนมัสการครับพระอาจารย์ครับอยู่จังหวัดน่านอยู่จังหวัดน่านครับพระอาจารย์ครับน้ำมัสการครับไม่ได้ไม่มีครับแต่ว่าช่วงนี้ป่วยครับเป็นโควิดอยู่ก็เลยอยากเข้ามาพบพระอาจารย์หลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานครับพระอาจารย์ครับการแรงไหมก็ไม่นะครับแต่ อ่าเพียงแต่ว่าแสบแสบพอแล้วก็มีไข้นิดหน่อยเมื่อเมื่อคืนก็เลยลองนั่งสมาธิดูปรากฏว่าไม่ค่อยไหวฮะปวดก็เลยต้องต้องนอนไปสงสัยยังสู้กับเวทนายังไม่ได้ครับสติยังมีกนนำลังน้อยเยาไปเอึกสติไปนั่งส่วนลงไปแทนก็ได้ถ้าสู้ไม่ไหวก็ส่วดเงนไปนั่งส่วน ครับเข้ามาเช็คชื่อครับอาจารย์โอเคสาธุที่เป็นจอยต่อจอยพัทยาไม่ได้หายไปไหนมันไม่หายครับเพิมงฟังแล้วเพิไงเลยครัหลับเลยะหลับไปเลยครับเป็นยังไงขายของดีไหมยังขายอยู่ ห, ยหรือเปล่าขายทกว่าค่ะแต่ว่าางหลังมันเงียเหมือนกับ ม, มือนกับเงินเขายังมันกันกบมันไปไปลายเดอนเงินยังไม่ออกกันอ่า น, น, ต, น, น, งงนต้นเดือนขอ<า>งยาต้นเดือนอาเนกะโอเคถ้าไม่มีอะไรก็ไปที่คสอนดวงต่อสอนดวงสอนดวงจากสวเกไปไหมก่อนหาเป็นไหนอาจาร์อาจารย์เป็นไงสบายดีเหรอสบายดีค่ะเข้าม า, อาขอกาลังใจจาก อ, อาจารย์ พุทโธเพุทโธทำไปนะเป็นพุทโธเราใจจะแกร่งใจจะแข็งนะใจจะมีพลังเวลารู้สึกอ่อนแอก็นึกถึงมาพุทธธรรมผสมกั้นะพุทโธทำโมส้ำโกพุทโธทำโมซ้โคอไปถัาครั้งเดียวห้านาทีสิบนาทีพลังมันก็จะกลับมาลองทำดูเลยรับประกันนะไม่โกอับอาจารย์่าธุครับ เป็นเกิดบัณฑิตเห็นเข้าไปนะตั้งต้นแล้าหายไปเข้ามาใหม่นะหลวงมาสักการครับอก็เหมือนเข้ามาแล้วก็หลุดออกครับนีอะไระนะอยากจะถามอาจารย์ครับสมมุติถ้าเกิดการทําบุญทุกวันสมมุติทําวันละยี่สิบาทห้าวันไงครับกับการทำหนึ่งร้อยบาทเลยไงครับม า, รมาต่างกันก น, นะครับไม่ต่างนะ ทำร้อยก็ได้ร้อยทำยี่สิบก็ได้ยี่สิบแต่ก็น้องที่ว่าอาจจะไม่ทําครบห้าวันก็ได้อใช่ครับอาจจะตายก่อนอาจจะตายก่อนหรือว่ า, า จ, จะขอแบ่งเงินไปซื้ออย่าง่งก่อนขึ้นมาอา๋อครับก็ทําใหม้มันหมดมันมันหมดเรื่องหมดราวไปเลยก็จบครับก็ตัวตอนนี้ก็เจอขอทานก็ให้เจอทําเจอพระก็พยายามตักบาตรทำบุญอะไรเนี้ยก็ทําบุญ ถ้าจำเป็นต้องแบ่งก็แบ่งถ้าไม่จำเป็นต้องแบบก็ามันทับก้อนทูกเไปเนยทีเดียวจบเหมือนเดียวจบอาจารย์ครับดีว่าเห็นคุณหมอวีอ่าที่แชร์หนังสืออครับเอออีอีบุ๊กครับหนังสือศาสนาธรรมครับที่ที่จากการถามตอบวนันอาทิตยครับเพิ่พพพมโทษเมื่อวานวานี้เมือวันนี้ใช่ใช่ใช่ผมก็ไปอ่านบทแรกแล้วดีมากเลยครับออันนี้เขาขั้นมาจาก อยากทำารื่องนทนากับดรวหมอวีใช่ครับก็มีโอกาสได้ไปติดตามเฟซเอ่อยููคุณหมอวีที่พูดเรื่องสมองกับพวกอัออยตนาครับเป็นมีประโยชน์มากเลยครับพรอาจารย์ครับแล้วหนังสือนี่ไปขอที่ไหนได้บ้างครับสั น, นาทองหมอวีก็ได้ ค, ได ค, ไดคุณลองไปติดตามคุณหมอเวียงแลวคุณราก็ได้คุณร่าส่งไปให้ก็ไน้่งน่ ก็จ<ช>ะสง่งแชทไปหรอกเป็นคนเก่งเลยครับเดี๋ยวจะส่งไปดีลน์ไปให้ครับอบครับขอบคุณครับพี่บอยเดีวว่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากกว่าอีบุก๊กครับครับคาับครับแล้วอย่างเรื่องที่พี่วิวอ่านเจอที่แบบเวลาพระยืนสมมติพระยืนให้พรโยมไม่ควรนั่งฟังพระจะอาบัตนี่ถูกต้องไหมครับคือมันเป็นกฎระเบียบสมัยโบราณนะครับในสมัยนี้เรามักจะนิยม นั่งมากกว่ายมมั่งแนั่งพราเยนยอมมั่งแช่นั่งะนะยมยไม่อยากจะยืนคุยกับพร ะ, ะอื้วในบางทีก็ว่าเป็นตามธรรมเนียมของปัจจุบันนะครับผอก็คือไม่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ถึงขนาดอาบัตอะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับก็มันเป็ น, นประเบียบมันเป็นผลระเบียบความสวยงามของขอ ง, ของสังคม บางทีเจอบางที่ก็บอกว่าให้โยมถอดรองเท้าบางที่ก็บอกไม่ถอดก็ได้ผม ก, ก็เลยไม่แน่ว่าแต่ส่วนตัวก็จะถอดครับเพราะว้ามันทําำั น, รรนียมแน่ดีทำเนียมก็เพราะว่าถือว่าคนที่ใส่รองเท้า น, นี่มกักจะเป็นคนมัคนใหญ่คนโตใส่รองเท้านคนที่ไม่ใส่รองเท้า น, นี่เป็นเหมือนธาตุเป็น่านเป็นเหมือนขอทานถ้าเราไม่อยากจะทําตัวเราสูงสูงกว่าพระหรือใหญ่กว่าพระเราก็พระท่านทําตัวเป็นขอทานแล้วก็เราทำตัวเป็หนขอทาน แสดความความกขท่าให้ของท่านอ๋อครับเป็นแล้วเอ่อที่ที่ว่าที่ที่บอกว่าไม่ควรใส่พวกอาหารแห้งอา่าพวกข้าวสารมากๆนี่ยครับตักบาตรครับอาจารย์โอ้ใช่เพราะถ้าท่านกินนะถ้าเราไปหูไม่เองอไม่ได้ท่านต้องการอาหารสดบางบางบางช่วงเช่นวันปีใหม่เนี่ยมักจะนมยอมใส่ <c oughs> ของแห้งครับแล้วไม่มีอาหารสดให้กินเลยอะ่ะแล้วพระเจ้าไปทำํำไงได้อ่าก็ ไมเคยเคยไปแบบมีมี ม, ม, มีมีประเด็นกับทางญ า, าติญาติอะไรเงี้ยาบอกว่าเออสายสายไปเถอะอย่าไปเลือกมากเลยผมก็บอกเอ้าบอกว่าบอกพาท่านทําเองไม่ได้นะถ้าจะให้ก็ให้ลูกศิษย์ท่านฝากลูกศิษย์ท่าน ท, ทําดีกว่าเนีนี้มันเป็นทางโหัวใจของคนบางคนเห็นว่าถ้าใส่อาหารสดมันก็เยอะเกินไปท่านก็กินไม่หมดก็เลยบอกใส่อาหารแห้งท่านจะเก็บไว้กินวันหลังได้แต่ก็ใส่อาหารแห้ง ก, กันทุกคนไม่มีอาหารสดเลย มันก็ต้องคุกเข้ามันไปอาหารสดบ้างอาหารแห้งบ้างก็ได้อย่างวันนั้นที่ไปช่วยะ้าจาัอช่วยบินปะกรับะอาจย์มีคนใส่ทุเรียนมาเป็นลูกเลยผมแต่ทางพวกเราส่วนใหญ่ก็เอาแต่เฉพาะเท่าที่ท่านฉันได้ส่วนที่เหลือก็แจกไปทำกิจการต่อก็เลยคิดเอ้ยอย่างอย่างข้าอาหารสดอย่างอย่างที่ ที <TH IS bunlar> ่เห็นที so <solo> ่ว um, ัดยานก็ก็ทำทานให้คนยากไร้ไปถูกไหมครับแต่พวกอาหารแห้งก็ก็ก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็เหมือนกันเพราะเราไม่มีความจําเป็นจะต้องเก็บเพราะว่าอยู่ที่สมบูรณ์มินทบาทมีได้ทุกวันอันที่ก็เก็บอาหารแห้งไว้เพราะถ้าไปอยู่ที่กันดารไกลๆแล้วคนใส่บาตน้อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางวันไม่มีไม่มีอาหารสดเลยคนไม่ไม่มาใส่บาตรน้อยต้องอาหารอศัยอาหารแห้งที่เก็บไว้ในวัดมาเป็นอาหารแทน เขาอยู่สมัยที่เราอยู่วัดป่ามันต่างก็ยังมีใครอยู่วันในบินตะบะเราไม่ไม่มีอาหารสดมากไม่พอก็เลยเอาปลากระป๋องนี่ออกมาเลากระป๋องก็นมข้นที่ก็ถอยมาเนี่ยมานมข้นก็เอาเอาเข้าวเหนียวจิ้มนมข้นเป็นของหวานไปปลากระป๋องก็เป็นอนะไปกับข้าวไป อย่างอย่างภาคอีสานถ้าเกิดเขาถวายพวกปาระก็ต้องทำให้สุกก่อนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ถ้าญาญโยก็จะรู้เองครับครเพราะครูบาอาจารย์จะสอนเรื่องว่าถวายของเดีมก็ได้ครับแต่กรุงเทพนี่เห็นถวายมูกระทะครับถวายป้าดิบก็บางคนก็ไม่ได้รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรถวายหน้าพระฉันไม่ได้ท่านก็ท่านก็ให้คนบอกที่คนสนไปให้ลูกศิษย์ไปครับอาจารย์เมกี้มี อ่าแล้วอีนิดหนี่ก็พอดีว่าได้ยินท่านที่คุยเรียกแกครับที่ถามเรื่องรักหนูบันดิฉางัวพอดีผมเคยเคยติดตามคลิปอยู่อันหนึ่งครับมันเหมือนที่อาจารย์บอกเลยครับกนคือเป็นจิตมันหมายถึงจิตผู้รู้ครับตั้งมั่นผู้ดูผู้ดูเห็นใ้รักครับซึ่งเหมือนที่อาจารย์บอกจริงครับว่าเรายังขั้นประถมอนุบาลมันยังไม่ข้ําม ข, ขั้นขนาดนั้นไม่ได้ครับเคยไลองไมไปเสียเวลาทำไม่ทำไม่ได้ สุกกิเลสไม่ไหวจริงๆครับกิเลสมันเราดูไม่ทันเลยครับต้องมีกมําลังต้องมีสติถ้ามีสตินี้กิเลสก็หยุดมันได้แช่ครับจ ะ, จะจะเหมือนเพีนั้นก็จะหมายถึงว่าสมถะเหมือนเขาเหมือนก็จะมองให้มองข้ามสมถะไปเลยครับให้ไปร <c oughs> <ช>ักเมนูไปไปดูจิตเลยซึ่งแบบส่วนตัวแบบทาแล้วมันไม่ได้มมไม่ได้ผลครับจิตไม่มีความใช่ครับจริงครับเหมือนเหมือนสร้างบ้านจะไม่มีฐาน ไม่มีลงเสาเข็มเลย<ช>ผมผมันพังเนี่ยไหเลยก็พังใช่ครับก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ที่นํำพา ม, มามาเปิดแพร่ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวติดต่อคุณหล้าต่อไปครับอาจารย์ขอบคุณครับพระอาจารย์ไม่รบ ก, กวนนะครับ เ, เหเนเหียวจ้เหยวอยู่ที่ไหนหนียวได้ไรก็เหญญาาานียวจากนักอาจารเจ้าค่ะอ่าโยนทับเรีเจ้าค่ะบริอ่าปกติสวดตั้งแต่หลังวิสาขบูชามาเนี่ย วันนี้สาคาบูชามารู้สึกว่าใจ ม, มันจะแบบสงบก็เลยสวดมนต์ทำมาเต็มทุกวันแต่ตอนเช้าเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะแบบว่าอาจจะนอนกับเฟนแล้วก็แต่ว่าไม่อยากต้องต้องทําก่อนเที่ยงได้ไหยคะได้ไหมเจ้าคะหมาถึงส่วดม น, นะ น, น, มนมต์นะนั่งสมาธิเราทําตอน<า>ไหนก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเชา้าเสมอไปทำตอนยืนทําตอนบ่ายทําตอนไหนว่าง<า>เร<ล>าทาได<ล>้ สุปะหลังวิชาค่ะบูชามานี่แบบจะสงจะเย็นอะไรประมาณนี้ท่ากันค่ะการสวดนีน่สวดได้ทุกเวล า, าทีมนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่จับกัดเวลาเข้าใจไหมโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีค่ะอยู่ที่ไหนเถม อ, อตอนนี้อยู่นนทบุรีจ้ะสงสัดนง เงณชเินฉันยินดีฉันยินดเปิดไม้ก่อนผุ่นท้ายมือดันน้าทรายมือทำมาตรการทำผ้าจ า, <อ> า, านนักเรียนที่ผมครับผมอยู่นนทบุรีครับมีอะไรัหยไม่มีครับผ้าจารย์ เ, เข้ามฟาัง่เฉยนะ โอเคเียไปที่คุณแอนเคเต่าแอนเคีออยอู่ญี่ปุ่นนะใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์กลับนมสัส ก, การพระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมค่ะมีคําถามค่ะช่วงนี้มีโอกาสได้นั่งสมาธิหลังจากลุกหลักอะนะคะช่วงตีสองตีสามแล้วก็ช่วง work ์กฟอร์มโช่วงพักกลางวันมันจะมีบางครั้งที่มันตกหลุมอากาศแล้วมันก็นิ่งไปแต่มันก็ไม่ทุกครั้งก็เลยอยากสอบถามว่าไอ้ที่เราไม่ตกหลุมอากาศเนี่ย มันมันคือยังไม่เข้าสมาธิหรือจิตไม่รวมหรือเปล่าหรือว่ามันจำเป็นไหมคะทุกครั้งที่จิตจะรวมแล้วมันจะต้องตกกลุมอากาศเปนจำเป็นหรอบางครั้ง่็ไม่ไม่ไม่ตกก็ได้มันนม่งนนิ่งเฉยเฉยก็ใช้ได้มันน่งสงบก็ใช้ได้แล้วคืออย่างตอนนี้ถ้าว่างปุ๊บก็จะลองนั่งสมาธินะคะคือจาเป็นไหมคะจะต้องแบบนั่งยาว ทีเดียวหรือว่ากระปิกกะปลอยอะไรอย่างเงี้ยนั่งเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็นั่งไปเก็บได้ระสมน้อยไปก็ได้แต่ท่านนั่งยาวๆได้ก็ดีค่ะน้าสถานที่นี่คือจํากัดไหมคะจําเป็นจะต้องนั่งที่อ่าอย่างบางทีเวิร์กฟอร์มผมก็นั่งบนเก้าอี้หรือบนโซฟาได้ได้ทได้ทุกแขกนั่งที่ไหนก็ได้ค่ะมีคําถามเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ คนครับพี่ก็จ็กโซาแต่เนวันนี้มิชราสองคนั ส, สดครับคนโซลาด อ, อ๋อทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยครับออก็ชก่วงเหนื่อยครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะครับอาจารย์ต้องแบบว่าเที่ยงคืนตลอดเลยเวลาปฏิบัติก็คือว่าตอนก่อนนอนครับ ก็ก็คือตอนนี้อารมณ์ก็คือแบบว่ามันจะเจออารมณ์ประจำวันมันเจอความไม่พอใจหรือว่าอะไรที่ไม่ดีแต่เราก็ก็คือเก็บมันเอาไว้แล้วก็ดูมันนะครับคือแบบว่าคือต้องยอมรับว่าแบบว่าเออคนเรามันมีทั้งสุขแล้วก็ดูทุกข์ครับก็เห็นทุกข์มันแบบมันร้อนมันแน่นในอกเลยแต่ว่าสักพักหนึ่งเรายอมรับมันมันก็จะดับไปครับเออถูกต้องอย่ไปฝืนอย่าไปพยายามปัดความจริง หัดอยู่กับความจริงทั้งสุขทั้งทุกข์มันมาแล้วก็ไปสลับกันมาสลับกันไปครับก็ก็รู้สึกว่าดีใจที่เข้าใจตรงจุดจุดนี้แล้วทําให้เราแบบว่าคือ <Okay. S 2> เราก็ทําบุญมาช่วงนี้ธุรกิจก็ดีแบบว่ามันก็มีแต่สุขสุขเข้ามาเพราะเราปฏิบัติดีด้วยแต่ว่าเมื่อความทุกข์เข้ามาเราก็เฉยเราเร า, เราดูมันนะครับดูมันยดูมันรู้ว่ามันก็ไม่เที่ยงสุขมามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันต<อ>้องหอดไปเดี๋ยวทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ ทุก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะใหดูมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนธรรมชาติผลตกแดดออกนี่สลับลงไปสลับขึ้นมาเราก็ต้องผ่านอยู่กับมันไปให้ได้ในทุกรูปน่ะแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันครับก็แล้วถึงท่าสอนพระอาจารย์ครับมีอะไรเพิ่มเติมก็คือว่าก็นั่งสมาธิแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมารายงานนะครับโอเคอาทิตย์วันวันรุ่งอรุก็ทำมา ก ร, รารรมะตการครับหลวงพอ่อโอเคครับาว่าถามว่าเวลาโกรธคือควรใช้เมตตานำแล้วเวลาเศร้าควรใช้ปัญญาตัวไหนในการนำครับเวลาโศกเศร้าผิดวังะครับเวลาเศร้าก็ใช้พุทโธพุทโธทำใจให้เนื่งแล้วมันก็จะหายเศร้าในถ้าใช้ปัปปญญาก็บอกทุกทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดไม่ดับเป็นธรรมดา ส่วนใหญ่เราเศราเพราะเราสูญ เ, เสียสิ่งที่เราราักเราชอบไปแล้วเรหลับเศร้าแล้วก็เราใช้ปัญญาก็ได้บอกมันเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีการท้าทาจ า, ากกันเป็นธรรมดาเพราะทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นใช้บบสติพูดโธพูดโทไปถ้าเศร้าจากโดนคนที่แบบพ่อแม่พูดพูดจาแบบพูดจาแบบไม่ดีใส่แบบ พูดแบบเจ็บช้ำน네้ําใจอะไรแบบนี้อะครับหลวงพ่อก็เป็นเรื่องของเขาแล้วห้ามเขาไม่ได้ต้อเป็นนันตะบางที่ก็พ lim ูดดีบาทีก็พูดไปดีแล้วแต่หรวงเขาเนื่องแล้วแต่ปฏิกิริยาที่เขามีต่อเราบางทีเราไปทําอะไรท่าไปทําให้เขาพูดไม่ดีก็ได้นะแม่เราก็ต้องหัดรับว่ามันเป็นอย่างเนี้อยู่ในโลกมีทั้งสันเสอร์มีทั้งนันตะ อ ย, อย่าไปไปรังเกยียจอย่าไปปฏิเสธถ้าเกิดวความรังเกยียจปฏิเสธมันไม่จะเศร้าจะทุกข์ขนาดถ้ยอมรับมันก็หายเศร้าหม อ, อเป็นอย่างนี้แหะอย่าไปวางให้เขาชมเราตลอดเวลาพรางเวลาเขาอาจจะด่าเราก็ได้เข้าใจัหมครับครับคุณสุภัทร์นะ มันสุภาพทานบอกเองใ่พูดไดนเลยจากนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเพิ่งเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพก็เลยมาเปิดฟังช้าค่ะวันนี้เข้ามาช้าไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเลยช้าแล้วเจค่ะไม่มีคำถามแล้วค่ะกับปฏิบัติต่อเรื่องเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีทาไปเรื่อยนะจากคนดีดีเอี๊ทธี การักวิการครับอาจารย์ครับอ่านว่ายังไงชื่อคนทีครับทีโอเคอยู่ที่ไหนมีอยู่นครสวรรค์ครับนะครสวรรนคะ์มีอะไรไหมมีคําถามจะเรียนถามพระอาจารย์ครับว่าอะไรคือกระผมฝึกฝึกมาปฏิบททัติภาวนาตามที่พระอาจารย์แบบดูดูจากคลิปนะครับเอ่าเป็นประจําครับทีนี้อ่าหลังจากการปฏิบัติเนี่ยกระผมเอ่ามีความสงบครับความคิดก็ เดี๋ยนี้ไม่ไม่ค่อยมีพอหลังจากภาวนาผู้โธไปเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับก็ความอสมองมันจะไม่ค่อยคิดมันก็จะอยู่กับความว่างไปเรื่อยครับแต่ทีนี้ผมอยากเรียนถามว่าอตอนนี้ที่ อ, อสติรวบรวมลงรวมลงไปสมาธิเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงครับหรือว่าผมควรจะทํายังไงต่อครับจะขอคําแนะนําจาก อ, อาจารย์ครับเวลาการรวมของของจิตเวลาสมอ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องมันมีหลายแบบบางทีก็รู้สึกจะตกมาจากที่สูง ก็เคยๆ ค, ครับบางทีตกบางทีขึ้นครับบางทีก็มันลงเป็นขั้นบันไดทะนั้นก็มีมลงเทียนี้เทียนนี้บุ้ลงไปเทียนนีเทียนนวบางทีก็ไม่มีอะไรก็ได้มันเข้าไปแบบง่ายๆเรียบๆมไม่ไม่ไม่สำคัญวิธีลงมันจะลงอย่างไรขอให้มันลงแล้วมันเน่งสงบแล้วมีความสุขก็ใช้ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ครับว่าว่าจิตเรารวมลงไปสมาธิแล้วครับก็มันต้องรู้เสแต่ถ้าเราเปสติ มันก็ต้องรู้ว่าเมื่อกีนี้เราคิดปรุงแต่งตอนนี้เราไม่คิดปรุงแต่งเราจิตใจมก็จิตไม่คิดปรุงแต่งจิตสบายจิตมิวเบคหาไม่วิตกไม่ไม่ไม่โลภไม่อยาไม่ดิ้นรนกับอะไรเฉยๆได้ร่างกายเจ็บปวดก็รับก็ไม่เดือดร้อนอะไรตอนนอนนี้เคยเคยเคยเคยลองเหมือนกันครับคือแบบนั่งสมาธิอะครับแล้วเกิดเวทนาก็ ก็เอาก็ภาวนาพุดโทกไปกับมันนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ดูครับก็มีสามารถหรือว่าทนกับกับเวทนาได้มากขึ้นแล้วก็แล้วก็พยาพยามพยายามระลึกว่าเวทนามันมันไม่ใช่เราครับอ่าถูกต้องครับก็สู้กับมันไปประมาณสามยกครับยกที่สามแพครับอ่าก็ไม่เป็นไร จะมีแพ้มีชนะมาทําไปเรื่อยๆคราวต่อมาก็ทําใหม่ทำไมไเรื่อยๆเนี้เป้าหมายคือเราต้องการให้ใจเราสงบแล้วอยู่กับมันให้ได้เราไม่ได้ไไดต้องการที่จะไปทําให้มันหายนะอยากไปอยากให้ความความเจ็บาหายไปแแล้วเราจะต้องทําถึงขนาดไหนครับพระอาจารย์ครั บ, บถึงยังท่านจิตเรานึ่งแล้วก็ไม่เหนื่อย น, น้อย่าความเจ็บอยู่กับมันได้กอดคอกันยึนได้ไม่ต่อยกันไม่สู้กันตอนนี้เราสู้กันต่อต้าน เราต้องปรับใจให้เราไม่ให้ไปต่อต้านนให้ให้ร่ำ บ, บัตรให้ได้ให้ถือ ว, ว่ามันเป็นเพื่อนเราเพื่อนสนิทกันก็ทําแรกๆก็ทําได้ครับหลังๆแบบพอพอแบบมันมันเหมือนเป็นคลื่ น, นครับก็ใช่พุโทโธพอมันเริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วท่องพุโทโธไปไ ห, นหน่อยอนั่นกติมหมดกำลังท่องแตบบ่ว่าท่องตอนแรกก็ท่องแล้วก็ท่องถีบถีบถีบแบบท่องอีกทีนะครับก็ก็พอจะช่วยช่วยได้นิดนึงครับได้ยัง เพรนั้นอยากขี้เกียจพูดโทไปพยายามพูดโทไ้ไปแล้วพูดโธ้จะพาเราอยู่ให้เราให้เราอยู่กับมันได้ครับถ้าเราอยู่กับมันได้แสดงว่าจิตเราสงบนะไม่ตอบต้านและต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ในตัวเราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่กลัวคือเราปฏิบัตินั้นเพื่อฝึกจิตเราให้ ให้อยู่กับความเจ็บปวดอยู่หรืออาการเจ็บไข้ได้ปวดได้สบายไหมอาจารย์ัด้ขอนะขอบคุณพระอาจารย์ปไปที่คุณปุ้ยจ้ะปุ้ยจากลักเซมเบิร์กกับนวมัสการค่ะพระอาจารย์ งายังไงมีอะไรหมพระอาจารย์สบายดีไหมวันนี้คุณปุ้ยจะมารายงานตัวเฉยๆค่ะแล้วก็มาบอกว่าก็เจริญจิตภาวนานทุกวันตื่นแต่เช้าทําเหมือนเดิมแต่เพิ่มนาทีขึ้นอแล้วยมรู้สึกมันนิ่งแล้วตอนนี้ค่ะอา่าดีและมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ๆมามาสองเอ่อสองวันก่อนเอ่อ มันมันมันมันรู้ไม่รู้สึกตัวว่าจะตื่นน่ะคือมันเหมือนนอนแล้วแบบละแบบแบบแบบยาวๆนานๆอย่างเงี้ยฮะก็ให้รู้ตามความเป็นจริงเว้ยมันเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นไปโอ้นะมันจะตายก็รู้มันจะตายมันมันตายก็รู้มันตายไม่ต้องเป็นเต้นเต้นตกใจเพราะเราทําอะไรไม่ได้กับร่างกายนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราสั่งมันไม่ได้ใช่ แต่แเราไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเราทับใจเฉยๆสบายๆไปโยมก็รู้สึกดีเพราะว่าโยมก็ถือศีลห้าแล้วก็โยมก็นั่งสมาธิเบทุกเช้าเลยคือว่าบางทีสวดมนั้นโยมสวดไม่เยอะแต่ว่าโยมนั่งสมาธิยาวไปหน่อยนะฮะไม่เป็นไรไม่มีคำว่ายาวไปหน่อยนั่งสมาธิกันนะคะอ่าเรียนยาวเท่าไหร่ได้ดีตอนนี้ ก็ตอนเมื่อก่อนนั่งได้ชั่วโมงนึงตอนนี้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งจะขึ้นสองชั่วโมงแลนนหละเดียนี้งานเท่าไหร่ได้ยีนดีนะขอขอพอรด้วยค่ ะ, ะพระอาจารย์ยองอยูวว่วันที่สิบแปดปีแล้ววันที่ยี่สบเ็ดเนี่ยยีสิบเอ็ดพฤษภาจะมาขอพอรพระอาจารย์ค่ ะ, อะขอให้สุขให้จริญให้น้อมให้รวยสุขภัยทุกม้วนสวยไม่ ส, ม ส, มสมามบาลไม่รู้ลอยนะสขขาธุค่ะขอให้พระอาจารย์สุชาติ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะโอเคสาธุสาธุค่ะตอนนี้ถึงคิวของท่านผู้ชมพุกเรามใน f a c e b o ุ k และคาถามมีคำถาม ม, ถา ม, มีทั้งหมดห้าคำถามจากทาง Facebook ค่ะคำถามคำถามแรกจากคุณกันนิกาขอธรรมะเทศสั้นๆ ส, สำหรับคนแก่ที่หูไม่ค่อยได้ยินเจ้าค่ะก็นั่งมาฟังตั้งเกือบชั่วโมงสองสองชั่วโมงกว่าแล้ว มือจะให้สั้นยังไงแล้วก็สั้นยกพุโทโธพุโทโธไป ห, หรือปองไปว่าเกิดมานล้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็ธรรมดาล่วงเว้นความแก่ควาเจ็บควาตายไปไม่ได้ธรรมะธรรมสั้นมีสองคำถามจากคุณวรวีค่ะคำถามแรกในการภาวนาให้ความคิดของเรานึกถึงแต่พุทโธใช่ไหมเจ้าคะลมหายใจจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ถ้าเราใช้ฟุตโทรเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องลงหาใจนครัำถามต่อเนื่องคือทําเพื่อหยุดความคิดต่างๆใช่ไหมเจ้าคะใช่เบื้องต้นนี่ต้องการหยุดความคิดพ้องความคิดมันผลิตภาพทุกให้กับเราพอเราหยุดความคิดได้ครับทุกก็จะหายไปนี่แต่ว่าเราไม่สามารถหยุดความคิดได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ต้อคิดอีกพอคิดอีกมันก็ทุกขอี ก, ก, ก, อกแต่นี่เป็นขั้นแรก บความทุกข์ด้วยสติแบบชั่วค้าวถ้าอยากจะดับแบบเท้าออนขั้นต่อไปก็สองใจคิดว่าทุก อ, อย่างเป็นใจรักอันนี้จากทุกขนานหน้าตาแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ับอะไรคำถามต่อไปจากคุณลำดวนเวลานั่งสมาธิสักพักจิตจะนิ่งและว่างเปล่าก็รู้สึกว่าอยากให้ว่างนานๆนนต้องทำอย่างไรเจ้าค ะ, ะใช้กำหนดสติพุโทโธพุโทโธตามไป คำถามต่ อ, <ด>ตอไปเื่อดูดลมหายใจต่อไปแล้วแต่นะต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเพคกกี้นนท์กาบเรียนทามพระอาจารย์เวลาที่เราคิดถึงบุญที่เราทำมาไม่ว่าจะเป็นการทำทานการอุทิศเวลาด้วยจิตอาสาต่างๆแก่ผู้อื่นมันทำให้จิตของเรามีความสุขการคิดถึงความดีเหล่านี้จะทำให้เรายึดติดไหมเจ้าคะหรือไม่ควรคิด ควรปล่อยวางในสิ่งที่เราให้ไปแล้วเจ้าคะ่ะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะาคิดได้ถ้าถ้าอยากจะคิดก็คิดได้แต่มันสู้ไปทําใหม่ไม่ได้นะเราไปเราคิดเพื่อที่จะเป็นการเตือนใจแล้วว่า อ, อ๋อเมื่อก่อนเราทำํำนี้เรามีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสุขนบบนี้เราก็มาทำนี่คิดแบบนี้มีคําถามที่เพิ่งเข้ามาอีกหนึ่งคำถามคะ่ะจากคุณชนินบรารมีสิทธ ทบทวนทุกวันแล้วพรมวิหารสี่ทบทวนแล้วอยากถามว่ากระสินจาเป็นที่ต้องฝึกหรือไม่ครับมีประโยชน์อย่างไรถ้าฝึกต้องใช้กระสินอะไรครับกรกสินนี่เราไม่เคยปฏิบัติครับเพราไม่มีคูบาอาจารที่เก็งทานี้แตนน่เด็กท่านจะสอนให้เราพุโทโธพุโทโธแทนกสินเดินดูลมหายใจเข้าอผลได้เหมือนกันคือทำใจให้สงบเหมือนกัน มานาใช่ไหมมน้าจะอะรไหมที่มีเขามาใหม่คนหนึ่งครับคุณดาวินนะดาวินครับส่วนดีครับพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับรามินทาครับมีอะไรไหมครับจะสอบถามพระอาจารย์ครับพอทำสมาธิอะครับมีถึงจุดหนึ่งแล้วมันมันหายไปเลยครับอาจารย์แล้วก็ เวลาถอนออกมาจเจริญสติประฐานสี่ครับผมจเจริญเป็นอสุภกรรมฐานมันมีสองแบบครับรว่าเราถอนออกมาได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือมันมองร่างกายไม่เห็นเลยอครับพระอาจารย์คือการทําสมาธิเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการให้จิตเน่งให้อยู่กับความว่างความสงบแล้วให้มันว่างให้มันสงบกันะ เกี่ยวนืปัญญาหรือปรัสนานี้เราต้องร อ, อจากสมาธิมาก่อนแล้วเร า, าค่อยยกเรื่องนั้นมาพิจารณาเนอ่าพิจารณาสุภาพก็ยกอสุภ า, าพขึ้นมาพิจารณาอยากจะพิจารณาความตายก็ยกความตายขึ้นมาพิจารณาทำตากวราระกับการทำสมาธิแล้วเวลาที่ผมทำสมาธิเนี่ยผมผมเปิดเป็นคลิปของหลวงตามหาบัวไปด้วยเนี่ย อันนี้เป็นเจริญปัญญาได้ใช่ไหมครับก็ถ้าเปิดฟังขึมันก็น้า แ, แต่เราถ้าเราฟังให้เกิดความเข้าใจก็จะได้ปัญญาถ้าเกิดฟังแล้วไม่ต้องสนไม่ได้คิดตาก็จะได้ความสงบ ไ, ได้สมาธิครับคือปัญญามันจะมีระดับสติปัฏฐานนะครับอาจารย์มีระดับกายในกายมีระดับ เมทนาในเมทนามีระดับจิตในจิตแล้วก็มีระดับธรรมในธรรมครับอาจารย์อันนี้มันมีความแตกต่างกันใช่ไหมครับคือมันมันเป็นเป้าหมายคนละคนะตัวไงกายก็เป็นเป้าหมายตัวนึ่งเมทนาก็เป็นเป้าหมายธรรมก็เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นตายรับนั่งกายก็ป็นเป็นตายรับไม่เที่ยงก่อแก่เกิดตายเป็นต้น ในวิทยาเป็นตายรับมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สลับกันไปสลับทํนมานี่คืการพิจารณาธรรมพิจารณากายวิทยาจิตธรรมเพื่อสอนให้ใจเราเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้และอย่าไปยึดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราให้ปล่อยวางเราเห็นทางพระพุทธเจ้าในผมไปอ่านในพจะไตรปิฎกเนี่ยบอกว่าทางสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอง เลยจริงไหมครับอาจารย์ครับก็เป็นเป็นทางสูมง่มรกคผลที่ผ่านเพราะเป็นการสอนให้เจริญสติสมาธิและปัญญาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ <Okay. S 1> มีคําถามอะไรไหมใครอยากนะครับถามอะไรก็เชิ์ถามได้แล้วยกมือขึ้นมามีมีจากทางเฟซบ o ๊กอีเมลต่างๆครับเชิญมีหนึ่งคำถามค่ะจากคุณ น, นิด ถ้าเราเป็นเด็กกรํารพร้าไม่มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เนื่องจากว่าท่านไม่อยู่แล้วถือว่าเป็นคนมีกรรมไหมคะไม่หรอกก็เป็นแต่เราไม่มีโอกาสเท่านั้นเองเราการา็ทําบุญอย่างอื่นได้ดูแลคนอื่นได้ดูแลพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเราก็ได้ดูแลคนที่เขามีอุปการะคุณกรรมเราได้ทุกทนกันครับมันยังมียนะแยตที่เราสามารถทำบุญได้กับคน ไม่จำเป็นเราจะต้องทำกับพ่อแม่ถ้าไม่มีพ่อแม่แล้วก็แล้วก็นไปไปยังทําให้กับพ่อแม่ได้ ท, ทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ได้คําถามหมดแล้วใช่ไหะเมื่อกี้เห็นเห็นคุณมาลียกมือนะมาแล้วคุณมาลีหควงพ่ที่ที่พระท่านสวดบทปาฏิโมกอันนี้หมายหมายถึง้เป็นเซนส์สองร้อยยี่ิบเดข้อของพระ ที่พระเจ้าให้พระมาทบทวดทุกๆทุกกึๆเดือนทุกสิบห้าวันเพื่อให้เลยเป็นสิ่งของพระปฏิบัตโมกที่แปลว่ากฎระเบียบของพระแล้วบาราชีสีลงไปแล้วแล้วแล้วอย่างคนธรรมดานี้ยเขาสมควรจะไปสวดไหมคะหือว่ามันมันไม่เกี่ยวกับคนธรรมดามันเป็นกฎระเบียบของพระเราไม่เล้เป็นพระเราก็ไม่ตทำให้รู้เราให้รู้แค่สีบห้าสิบแปดเท่านันค่ะแล้ว แล้วหนูเห็นเห็นเนี่ยเห็นคลิปที่ว่าสั ม, มนเนนองเล็กๆอะค่ะที่บอกยังไม่ถึงห้าขวบแล้วสวดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วดูจะดูบทสวดอันเนี้ยเอ๊ดูบทแบบเนี้ยดูจากตรงไหนหนูลองหาแนละ้วมันไม่เห็นไม่เห็นแบบเป็นข้อความอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ทราบอะค่ะอ๋ ก็มาจะบ้านจะแต่งขึ้นมาก็ได้แต่งขึ้นมาเองก็ได้อ๋อขังหลวงพ่หรือก็อจะไปร่วมรวมจากที่นั่งที่นี่มาขันหลวงพ่าก็คือคนทั่วไปไม่ไม่ไม่ต้องไปสวดไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมคะเอออย่ช่นสวดก็สวดสวดธรรมว่าเช้าวันเย็นสวดอะที่ที่สะดวกได้ไปขัว่ากลับขอบพระคุณค่ะ คุณตายไม่พยุงยงเงินขึ้นาได้ตายตายนเ ง, งคลอนฮัลโหลการดีนะคุณอะไรสวัสดีค่ะอาจารย์น้ำกาบค่ะอาจารย์สบายดีไหมคะสบายเลยนะลูกชายค่ะพาลูกชายมากาบค่ะเออ พระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะเป็นได้ยินไ่้พระอาจารย์สบายดีไหมคะพอดีเข้ามากราบพระอาจารย์เสฉยๆพระสบายดีจ้ะสบค่ะคิดถึงคานไม่ได้เป็ใส่บาดรนานแล้วอยู่อยู่ที่นครนะแลอยู่ที่ไหนใช่ค่ะอยู่ที่คานค่ะสลังเสร็จคานออกค่ะจำได้แล้ค่ะแต่ก็ยังที่เพิ่งกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ค่ะพระอาจารย์ แต่ยังไม่พี่เสือไม่เหมือนกันเนี่ยผมผมตอนที่อยู่ที่นี่มันไม่่สีนี้เนี่ยนะอ๋อหลายสีค่ะอ่าจำไม่ได้ค่ะลูกชายค่ะพระอาจารย์รอแล้วเนี่ยภาษาไทยได้ป่ะวันดีบครับยกมาไหวสิครับลูกองจิ้วองจิ้กำมองาวบ สบายดีครับสบายดีนะครับสบายดัด่ห น, น, นพูดภาษาไทยด้วยนะค่ะพูดไทยได้ค่ะจะดาภาษาค่ะลูกพูดกับ ล, กลูกพูดไทยกับลูกชายค่ ะ, ะกพยย็พยายามพยายามพาเขาไปทําบุญค่ะ อ, อค่ะก็สรวจวันได้บ้างนิดหน่อยค่ะเ อ, อสอนเข้าไป อนส่วสให้หลงหลงข้อดูชิงอะไรครั้งขึ้นมาต่างวันต่างพิวาเทวี่ะเดีมากค่อยๆสอนนะค่ะได้ไม่ไม่ต้องรีบนอนหรอกวันนี้เวลาหนัมากไปไปเดี๋ย็รับไม่ไหวค่ะค่ะ ค่ะพระอาจารย์มานะคะไม่รบกวนแล้วนะคะได้สาธุดีของของค่ะเข้ามาได้ๆก็ได้นะทุกประทศเราเข้านหลงจากนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมงานเยอะค่ะเพราะว่าเจ้านายยกนบศรีมาค่ะสองเดือนก็ถ้ามีเวลาจะเข้ามาค่ะพระอาจารย์ได้ได้ขอบคุณนะคะกลับมาคินดียินดีที่ได้เจอกันีค่ะมีเข้าใหมามาอีกสองคนครับคุณยอหญิง นายหญิงก่อนครับนายหญิงก่อนนายหญิงพูดได้เลยฮะพูได้ค่ะเป็นคนไทยพูดภาษาไทยอ่าไม่เป็นไรพูดภาษาแมวก็ได้เนี่ยเลื่ภ <c oughs> าษาหมาแลได้เนี่ย่ัดจานเมงไหมเจ้าคะ่ะอ่มีอะไรหรือเปล่าไม่มีเจ้าคะ่ะมาส่งความสดใสให้ทีมงานคะ่ะมาขอดีนอะักการผัดจันด้ค่ะอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่น้ำท่วมคะ่ะเลยเทเลย เค่ะุณต่เนี้อช่วงนี้จริงๆปริมาณน้ำฝนมันมันมากกว่าปกติอะค่ะบ้านหนูน้ำท่วมเละเลยแต่ว่าหนูรู้สึกดีตรงที่มีหินห้อยค่ะค่ะค่ะคุณต่อไปคุณบอยว่ามันคุณคุณกันพัฒ์ครับกลับมาอาจารย์เจ้าค่ะดีว่าไปสอนโยคะคุณบิวที่ภูเก็ตก็คุณบิวแนะนำให้เข้ามา มานั่งกับพระอาจารย์ในคืนนี้เจ้าค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ภูเก็ตภูเก็ตเจ้าค่ะมีอะไรอยากจะถามไหมอ่าตอนนี้ยังเจ้าค่ะตอนนี้คุณลิอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดียวคุณลิก็อยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะไปสอนโยคะเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะเป็ยังไงโยคะทำแล้วก็อะไรร่านนงกายเจ้าค่ะก็สอนแนวมิิเทชันเจ้าค่ะให้รับรู้ความรู้สึกในระหว่างทางค่ะแล้วก็ทําให้ร่างกาย่างไรด้วยใช่ไหม อะไรนะเจ้าคะ่ะทำให้นงางการแข็งารด้วยใช่ไหมใช่เจ้าคะ่ะทั้งภายนอกและภายในเจ้าคะ่ะ ก, ะกลับมาทักกาเจ้าคะ่ะขอเอาน้อมตัวเขารับใช้ในงานพิธีธรรมด้วยเจ้าคะ่ะค่ะยินดีขอบคุณมากไปคุณคุณชนินนะคุณชนินยกมือครับคุณชนินครับกลับมาทักการพายาจารย์อีกแล้วครับถ้เาเรา ถ้าเราอยากจะปฏิบัติแล้วถ้าเราง่วงเราจะหายง่วงไหมครับเขาจะนั่งสมาธิต่อครับถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินเดินสมาธิแทนครับแล้วสุดท้ายก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่ดูอยู่ให้เข้ามาฟังทำกันบ่อยๆครับท่านมีบุญมากครับอาธุครับต่อไปคุณเอนเครับปิกละปิดก๊ ค่ะกับพระาจารย์สักทางค่ะมีคาถามว่าถ้าเราไปทําบุญที่วัดอย่างวัดไทยนะคะเขาจะมีสังฆทานเวียนที่ทําตอนไหนก็ได้กับการที่เราเอาเงินไปใสต่ตู้ธรรมดาอันนี้คือมีผลบุญเท่ากันไหมคะหรือว่าต่างกันยังไงคะไม่ต่กันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราถวายอือก็คือไม่จําเป็นจะต้องไม่จําเป็นจะต้องซื้อสังฆทานครับอย่างเดียว ถ้าเราไม่ทำทานจะชี้สังท า, า้าวหยาบตุ้เข้าไปเข้าอ๋อค่ะท่านี้ค่ะพระอาจารย์ยขอบพระคุณค่ะอ๋อค่ ะ, ะ, คะเพราะว่าก็สงสัยว่ามันเย็นอย่างไปถึงวัดเย็นแล้วหลังเพลนไปแล้วอย่างเงี้ย ม, มันมีสังฆทานเวียนแล้วข้างในมันมีอาหารแห้งอะไรแล้วถวายพระแล้จะจะผิดศีลผิดอะไรของพระท่านไหมคือสมายนี้มันถ้าทำานอุปัชานไมไน่ไม่ผิด เพียแต่ว่ามสมัยก่อนเขาไม่ได้อยอมเอาอาหารถวายหลังจากเที่ยมบัตรด้วแล้ว เ, ลนะเพราะส่วนใหญ่าอาหารสมัยก่อนมันเป็นอาหารสดเ น, นี่ยงานนี้ยมันเป็นอาหารแห้งเก็บไว้ไม่เสียตัวได้แต่แต่ภาคานไม่ได้พภาคจะใช้นั่งรอพรุ่งีเชา้าอ๋อแล้วที่เป็นสังฆทานเวียนที่เขาเอามาเวียนอย่างเช่นอ่าจีวรบ้างหรือว่ายาวบ้างถ้าถ้ามันชขวัดก็ไม่เป็นไร บางทีวันบางทีวันเขาไม่มีรายได้แล้วก็ถ้าถายแต่ทางการทานสางการทานเขาก็เอาไปมันมันซ้าๆกันมันเยอะเกินไปก็มาเรียนเปลี่ยนเงินจะน่าไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าค่าเชาวบ้านอะไรว่าไปอ๋อได้ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าเข้ากระเป๋าวัดนะถ้าเข้าถ้าเข้ากระเป๋ารูปศีกก็ไม่ไม่ไม่ไม่ดีถ้าเข้าว่าก็โอเคค่ะจะเลือกที่วัดที่ ให้หยอดหยอดตู้ค่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะทําค่ะหยอดตู้ก็ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์นีเป็นวัดไทยนะที่ที่ญี่ปุ่นใช่ไที่วัดไทยที่ี่ญี่ปุ่นก็มีค่ะแต่จะหยอดตู้เอาค่ะแต่เวลากลับไทยไปอย่างเงี้ยค่ะจะใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะคําถามจากเฟซเฟซบุ๊กครับมีมีเข้ามาใหม่สองคำถามค่ะ คำถามแรกจากคุณดมรทัยเวอร์ซอลยูนิตี้กราบนมัสการครับจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีปัญหาน้อยครับลดความอยากความอยากเป็นตัวพาให้เราไปหาปัญหาต่างๆถ้าไม่มีความอยากเราก็เราก็ลดปัญหาต่ตนนะางๆลงได้คำถามต่อไปจากคุณกระทานเวลาเกิดทุกขเวทนามากๆควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็พยายามทําใจให้นิ่งแค่เป็นเบรคขาให้ได้ให้ใจยอมรับความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปไม่มันไม่แล้วมันเจ็บที่กลายมันไม่ได้เจ็บที่ใจใจไม่ต้องไปเจ็บแทนร่างกายใจเป็นแบบทำใจให้สงบให้รับรู้ความเจ็บในใจก็พอนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าคะอ่ามีคุณสวงสุดาเปิดหน้าอีกคนหนึ่งครับเปิดเปิดจอครับ ได้สุครับโอเคคนระัพูดได้เลยครับ okay. สวัสดีประกอบในวันราชการคร่ะพรอาจารย์เ อ, อาาะอาษาครัวันนี้มีคําถามนะเาสักสองเรื่องเอาเลยค่ะอจะยาวนิดนึงนะคะพระอาจารย์คําเ อ, อเกี่ยวกับอารมณ์นะคะพระอาจารย์วันวันก่อนออระหว่างที่เราอยู่คนเดียวพิชชารมอยู่พรอาจารย์มันก็เห็นอารมณ์ที่ ที่โกรธขึ้นมาค่ะพอดีพอดีเราเราอยู่คนเดียวแล้วมีพี่ห้องข้างเขาทำเสียงดังในนั้นเขาเรียนออนไลน์แล้วมันมันกระทบกับการพิจารณาธรรมของเราเอเราก็เลยแบบวุญญ่นวิทขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์พอดีเราอยู่คนเดียวก็เลยแบบเออ ก, ก็อารมณ์แบบวุญหญ่หวิดย์ดีดีมันก็มันก็เหมือนมีสติเห็นขั้นตอนในในใจเราค่ะอาจารย์ที่มันเริ่มต้นอ่างเราเห็นว่าเราออกไปคิดแล้วก็เราไปคิดถึงเขาเหมือนส่งออกไปข้างนอกเราก็เห็นว่าเห็นตัวเองอ๋อกําลัง กำลังคิดแล้วก็กําลังมีอารมณ์โกรธแล้วก็มีอยากให้เขาเงียบอยากให้เขาใส่หูฟังปอะมาณเนี่ยเออพอพอเห็นเห็นเป็นขั้นตอนสาขั้นตอนเนี่ยพาาจาย์มันก็เลยจิตมันก็เลยถอดดึงกลับมาแล้วก็อยู่ตรงกลางพ า, จายจันมันมันน่าจะตรงกับที่พ า, จายจันแนะนำตามสุขเยยอย่าไป อ, อยากหยุดความอยากเสียทีนี้ก็เลยเอามาใช้กับความอารมณ์โกรธที่ที่ที่เราต้องประชุมต้าต้องทํางานพ า, จายจัน ก็เลยพอพอเห็นขั้นตอนนี้ก็เลยเวลามีอารมณ์โกรธหรือมีคนตําหนิอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ก็จะพยายามกลับกลับเข้ามาคือไม่ไม่ทำอย่างที่พ <message> ูดโชว์แต่ว่ารู้กลับมารู้รู้ตัวค่ะพระอาจารย์แล้วคอยยำล่จากจากความคิดกับเขาแล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าอตัวเองอยากอะไรใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอย่าไปย้ายเขาเป็นอย่างนั้นนี้ก็พอเราเห็นเห็นแล้วว่าเราอยากเอแล้วก็ก็ แต่มันโอเคเราเราหยุดอยากได้แต่ว่ามันในใจมันยังมีอารมณ์โกรธค้างอยู่พ่ะย่ะจา้าบางทีมันก็หายรอแป๊บนึงก็หายถ้าไม่หายเราใช้พุโทโธให้โกรธมันหมดไปก็ได้ใช่ไหมพ่ะย่ะจ้าใช่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมเขาไม่ได้อแล้วต้องยอมยอมรับสภาพของเขาให้ได้อ่ค่ะอันนี้อันนี้เขาโอเคเข้าใจนะคะในตอนนี้ต้องฝึกละจาก ความผิดที่เรากรดกอ่าใช่ค่ะแล้วกลับมาชิงตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับว่าเขาเป็นดินน้ํำลงไฟเป็นมันดินน้ํำลงไฟเป็นอาการอ่าเหมือนพอพอตรงนี้ยากยากที่สุดแต่พอพอเราละได้เราศูนย์กลับมาอยู่ที่ตัวเองตัวรู้เนี่ยเราก็จะเริ่มหาความอยากเจอพี่ชายตามที่พร่ชายบอกแต่ถ้าถ้าอยู่คนเดียวแล้วมีอารมณ์่ในคิดคิดถึงคนที่ที่ที่เขาเขาร้รากที่จากไปหรือแบบไม่อยากไปนัดแท่้เนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะหยุดคิดได้แล้วก็เห็นแล้วว่าตัวเองอยากอะไรนะจ๊ะใช่แล้วก็ก็สงบย้อนย้อนอดีตกลับมาอดีตผ่านไปแล้วถ้าอยู่คนเดียวมีอารมณ์จะง่ายกว่าคะจ๊ะแตถ้ามีมันเห็นชัดกว่าที่พอพอเรามันมันมันสับสนเลพอเราเห็นว่ามันถือว่าเราเห็นครั้งแรกเรารู้แล้วอารมณ์นี้เราอยากเพรอะไรค่ะหลังจากนั้นพอมีอารมณ์นี้เราเราแทบจะแบบ ไม่ต้องไปค้นได้นะจ๊ะมันก็หยุดเลยหยุดเลยพอพารู้ปุ๊บเราก็ละมันได้ไม่ต้องเฉยเฉยก็สอบข้อนนี่ได้แล้วอ๋อมันก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาว่าเราอยากอะไรแล้วใช่ไหมจ๊ะรู้แล้วก็หยุดรู้แล้วก็หยู่รู้แล้วเฉยเจับแต่ว่ารู้ไปจับแต่ว่ารู้โอเคค่ะขอบพรคุณนะคะจ๊ะมีคำถามหนึ่งเป็นเรื่องของตอนนี้เป็นมีปัญหากับสังขารตกแต่งในขันนี้ยังค่ะพระจะเออเออก็ความผิดสังขารั็มีความคิดใช คือแต่เวทนาพระอาจารย์การรักษาตัวครั้งล่าสุดเอเจ็บตั้งแต่เช้าจนถึงนอนไม่ไม่ต้องใช้ยาละค่ะอาจารย์ก็ใช้ใช้ยาใช้ชาติใช้พุทโธใช้เพึ่งพุทโธอีกเดียวค่ะก็ก็เจ็บยังไงเราเราก็ไม่ทิ้งพุทโธค่ะอาจารย์พอใจเป็นใจเปเวรเวาก็อยู่กับมันได้ใช่ไม่ยากจริงจากที่เจ็บจนแบบทนไม่ได้อยากจะควักร่างกายตรงนั้นออกไปตั้งข้างนอกก็ไม่ต้องไม่ต้องหอะใช่ค่ะ แต่จริงอยู่กับมันได้ใช่ก็เริ่มจากพุทโธแล้วพอพอพุทโธหายเราก็อยู่กับมันได้จริงจะมีเผลอครั้งหนึ่งที่น่าจะขาดสติแบบช่วงบ่ายๆเะอาจารย์ก็เวทยังเจ็บมันมันอยู่ทั้งวันอยู่แล้วพอสังขารปุ๊บปุ๊บั๊บนึ่งเราทุกเลยใช่เห็นเลยแล้วก็แล้วก็อันต้องเริ่มพุทโธใหม่แล้วก็อยู่ต่อไปได้จนจนถึงหัวครางนอนถึงจะใช้ยาค่ะใช่ ดีก็เลยรู้สึกว่าทำาแบต่อไปมันก็จะชิ่มันก็จะอยู่กับมได้แล้วไปที่เราไปคิดอะไรใช่ใชค่ะขอบคุณใจเราค่ะพระเจา้าตอนนี้เวลานั่งสมาธิมันก็เลยมีปัญหาห น, นึงคือระหว่างวันเราทํางานเยอะช่วงนี้ใช่ไหมะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดจเจริญสติประชุมประชุมออนไลน์มั น, มนทั้งวันเลยค่ะพอพอมาเริ่มนั่งสมาธิตอนค่าค่ะพระเจา้ามันก็จะเริ่มจากสัญญาสังขารแล้วก็ใช้สติสู้ไปสติสู้สังขารไปเรื่อยๆ เมื่อก่อนพอมันทอดเวลานาตรงนี้ยพอมันมีมันมีเวทนาขึ้นใหม่ตัวเราก็จะแพ้ทุกทีก็จะรู้สึกว่าพอโดนขันสามตัวรุมเราก็จะหลุดก็พอแค่นี้หลุดก็ถอยจากสมาธิแต่พอเราเราเข้าใจเวทนาแล้วอาจารย์พอพอเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันตอบง่ายตรงที่เราก็เล่นพุโทโธได้ mm. ในสมาธิพุโทโธจนจน เ, เวทนามันว่างออกไปจากใจอาจารย์ มันก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเนี่ยเออมันเหมือนสังขารความคิดมันมันกลับมาทำงาน ท, ทัาทีค่ะอาจารย์จนจนเราแบบต้องต้องเอาสติสู้กับสังขารใหม่แต่พอใช่พอพ อ, พอผ่านเวทนาแล้วเนี่ยสติมันเหมือนมีกำลังมากขึ้นเราก็สู้อ่ะสังขารเพิ่มมืแล้วก็เข้าสมาธิได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวสังขารค่ะอาจารย์ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่มันมันขึ้นมทามทาันที ใช่ใช่แล้วเราต้องพิจารณาสังขารตัวนี้ยังไงค่ะอาจารย์พิจารณาว่าถ้ามันปรุงแต่งไปทางสมุทรไทยก็ทําให้เราทุกข์ถ้ามันไม่ปรุงแต่งไปทางสมุทรไทยเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าปรุงแต่งไปทางใจรักนะครัก็จะไม่ทุกข์ถ้าทําเราคิดว่าเวทานาเป็นอนัตตาเป็นอนิจจเราก็จะปล่อยว่าถ้าเราปคิดว่าเวทนาเป็นเป็นของที่เราต้องต้องกําจัดมันเราก็จะทุกข์เป็นวันทันที สังขารใช่ไมคะพระอาจารย์ความคิดของเราควาคิดใช่ไหมคะพราาอ ะ, ระพอราจารย์มันคิดไปในทางธรรมะให้มันคิดไปในทางปัญหาความอยากมันเหมือนมันเหมือนอารมณ์แหละคะพระอาจารย์เราต้องปล่อยให้มันเกิดกแล้วแต่้ามันส<า>ังขารเราไม่ปล่อยเราต้องควบคุมให้มันคิดไปในทางปัญญ า, าใช่ไหมคิดไปในทางอวิยชา ก็คือมีทางเดียวคือถ้าถ้าสังขารพุ๊เราต้องใช้สติอย่างเดียวเลยใช่เยื่อมันมันถ้ามันคีดแค่มันคิดว่าถ้ามันพิจารณาเป็นใจรักไปพิจารณาสิ่งต่างๆที่มันทุกให้เให้เห็นว่ามันเป็นตใจลักไปอืมถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเห็นพิจารณาเป็นตใจรักเห็นว่าเห็นว่าความเจ็บปวดของร่างกายเป็ตายรักเป็นไม่เที่ยงเป็นของที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ เวทนาเราพอเข้าใจแล้วอารมณ์เราก็เข้าใจละเกิดจากความอยากแต่เรารู้สึกว่าความอยากมันเกิดจากความคิดนะพระอาจารย์แต่เราหยุดคิดไม่ได้เลยคระอาจารย์ก็ได้ก็ต้องใช้สติ อ, อต้องใช้สติอย่างเดียวไม่ใช่ปัญญาสาวนว่าคิดอย่างนี้ไม่ถูกคิดไปในทางที่ผิดก็ทําให้ใจทุกข์คิดเปในทางที่ถูกใจก็ไม่ทุกข์ก็ต้องเจริญสติอย่างเดียวเลยใช่ไัมพระอาจารย์แล้วก็สอนใจให้คิดไ ป, ไปทางปัญญา <Okay. S 2> ที่ว่าทุกอย่างเป็นตายรักกันอืมถ้าอืมสมมติถ้าเราลองเข้าใจวิธนาและอารมณ์ประมาณนี้แล้วพระเะพอมันเกิดเราก็แค่คิดว่ามันมีความอยากอะไรแล้วพอมันดับเราก็หมดหน้าที่เราช่ไหมะชรเจ้าถ้าต้อดับมันก็หมดหน้าที่ไหมแต่กับความคิดนี่เราเราต้องใช้สติหยุดอย่างเดียวมันไม่มีทางดับใช่ไหมคะจอมความคิดได้มันก็จะยืดไปเรื่อยอไม แต่ถ้าเราสอนาห้มันคิดไปทางปัญญาต่อไปมันก็จะคิดนทางปัญญาแล้วมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเรามันคิดได้ก็ฝันคิดไปเป็นแต่เราต้องอยุดไม่ให้มันคิดไปในทางทางกิเลส ท, ทางสมุทยัยนะฮะมันคิดไปทางปัญญาให้มันคิดไปในทางทำทุกอย่างเป็นอย่างเนี้นธรรมชาติอาจารย์ถ้าในสมาธิ พอพอจังหวะที่ใจมันขยับไปคิดเนี่างเช่นว่าเวทนาเราเราพุทโธอยู่เวทนาพอใจขยับคิดเนี่ยเราเรารู้ทันแล้วมันก็หวะดับไปความคิดแต่นอกสมาธิเราเรารู้ไม่ทันเลยปะจ๊ะเรารู้ทันแค่ถูก้อก็เราไม่ดูต่อนี่ะก็ออกสมาธิแล้วก็ต้องคอยดูต่อพอดีมันมันมันไม่นี่มันมีทํางานมันนีมีเราจะรู้รู้อันแรกคือรู้ว่าถูก เราค่อยอยู่แเราต้องไม่ทํางานแล้วไม่มีอะไรทำแล้วถึงจะรู้มันได้แต่้าออกมาแล้วก็ดูกันต่อได้ก็คือเราก็ต้องถ้ายังต้องทํางานก็ก็ไม่มีโอกาสดูไม่ได้ก็เป็นงงานแทนแลก็เผอทีก็คือทุกลักมีอารมณ์ขึ้นมาก็ค่อนแค่ย้อนแมันมันก็พอจะรู้ทันพอมันทุกข์อะไรอย่าันได้ก็ได พอทุกก็หยุดได้ใช่ไหมาความอยากเจอก็ก็จะหยุดได้ถ้าถ้าค้างมีอารมณ์ค้างนิดนึงเราก็จะใช้พุโทโธให้มั น, นหยุดไปไปก่อยก็ได้ก็ทับแค่นี้ไปก่อนไม่ต้องพยายามค้นให้เห็นว่าเราเกิดความคิดตอนไหนใช่ไหมจ้ะพรมั น, น, ม, นม่เจอแ ม, มันสร้างภาพทุกขึ้นมาแล้วก็หยุดไปกตอนนั้นถ้ามันไม่สร้างภาพทุกขก็ปล่อยคิดไปค่ะอาจารย์ขอคําถามอีกนิดนึงค่ะ ตอนที่เราเคยเราเคยทุกกับความเสื่องของร่างกายมานานแล้วพอที่เราเห็นว่าช่วงนั้นอาจจะไปนั่งสมาธิในที่ที่น่ากลัวตอนดึกๆมันกําลังสมาธิเราสามารถหยุดความคิดทุกอย่างตอนที่คุณหมอเขาแจ้งแล้วเรารักษาไม่หายแล้วเราหยุดความคิดแล้วเราเราก็มาค้นว่าเราอยากอะไรคะอาจากย์เราก็เห็นว่าออเราอยากให้ร่างกายเรามันดีเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วเราตอนนั้นเราค่ะความอยากก็หมด ถ้ามันเหมือนใจมันยังมีความทุกข์ค้างนะคะเราก็เลยใช้พุโชจนมันแย่มันดับไปอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เข้าใจว่าทุกมันดับยังไงเลยอยากรู้ว่าถ้าอีกหน่อยถ้าเราวีโรภัยขึ้นมาอีกเนี่ยคะอาจารย์เราก็ใช้วิธีนี้ใช้วิธียว อันนี้ปล่อยมันได้ใช่ไหมเราฝุทโธเพื่อให้มันแย่แล้วก็ดับได้ใช่ไหมเข้าใจแล้วค่ะคอาจารย์ขอข้อคุณค่ะอาจารย์มีใครไหมจาก a c e b o o k ค่ะอาจารย์สองคำถามมีสองคำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะคำถามแรกจากคุณสุพันขอถามเจ้าค่ะเคยนั่งสมาธิ แล้วอยู่ๆมันวูบลงไม่เห็นร่างกายว่างทุกๆอย่างสงบเงียบแต่รู้ตัวอยู่ต่อไปจะพิจารณาสิ่งใดต่อคนะในพิจารณาพยายามรักษาความว่างความเงียบนให้นนานที่สุดให้รู้เฉยๆให้ ส, สติประทับประคองจในขณะนั้นให้มันอยู่เฉยๆให้นานที่สุด คำถาสุดท้ายจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเหตุให้เอ็นคว้หน้าเข่าขาดแนวทางการรักษาจะมีทั้งผ่าตัดและไม่ผ่าตัดโดยมีคำแนะนำจากแพทย์ที่ดูแลท่านห้ามไม่ให้นั่งพับเพียบไม่ให้นั่งขัดสมาธิหรือแม้แต่คุกเข่าอีกเนื่องจากผลกระทบจะมีต่อข้อเข่าในอนาคตการนั่งสมาธิโดยการนั่งเก้าอี้ไปตลอดผลการปฏิบัติ ที่จะได้เรื่องการก้าวข้ามเวทนาไปนั้นจะเหมือนกับการที่นั่งพักเพียบหรือนั่งขัดสมาธิใหม่เจ้าคะก็ลองทำดูเสียงพูดไม่ได้เพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ได้ขึ้นอยู่กับการท่านั่งอย่างเดียวทีมันเดินเดินมากๆเนี้ามนกการเจ็บปวดถ้าสามารถใช้ปัญญาก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นไปก็ได้ มันไม่จะเป็นสมองแปลว่าจะต้องอยู่ในท่านั่งกัดสมองเองเรี่องต้องรอเวลาให้มันเกิดโลภคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเช่นปวดท้องปวดอะไรขึ้นมาอยา่างนี้อะไรก็ดูซิว่าเราสามารถปฏิบัติทำตามนั้นได้ไหยให้ก้าวข้ามเวทนาไปให้ได้ไหมหมดแล้ว<า> ม, <า>มีใครอยากจะถามอีกไหมยังเหลือประมาณสิบนาทีด้วยกันนะ มีโอกาสทำได้ออทั้นแม็กซิมัทีถ้าไม่มีจริงๆก็จะได้ยุติการพัฒนาทำไม่เพียงเท่านี้ดีไหมเอาอีกคนมาหน่อยครับหลว่อครับตอนนี้ก็จะเริ่มพยายามจะทํางานตั้งตัวแล้วมันมีความอยากรวยขึ้นมาใจหนึ่งล้วก็ก็ไม่อยากมีความว่าความอยากนี่มันคนบริหารจัดการความอยากยังไงดีครับก็ โดยไปเพื่ออะไรตายไปก็เาไปไม่ได้ครับเนีเมถ้าอยากจะรวยมันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเราต้องแบ่งเวลาธรรมะกินเพื่อเลี้ยงปากเลี้งท้องก็พอแล้วจะได้มีเวลาเรียนมาปฏิบัติธรรมจะได้เอาทําติดตัวไปได้ในที่อย่างนี้เอาอย่างรวยเป็นกิเลส เ, เป็นเป็นเบอกกับดักให้เราติดอยู่ในการเรีนไล่ตายกัน เราต้งำงานเพื่อเลี้ยงาี้ท้องร็พเพื่อจะได้ไม่ต้องทำมากและมีเวลาเราปฏิบัติธรรมขอบคุณมากครับผม เ, เปนย่รครับมีใครอยากจะถามอะไรไม่ยกเหมือกันนะ น, นี่คุณหมอณัฐวุฒิเปิดเปิดหน้าจอนะครับขอบคุมอครับอาจารย์ครับเป็นยังไสงสบายดียนะสบายดีงานเยอะแต่ว่าก็ก็ ก็ทำไป่าครับทำแบบยูสติกแต่เมื่อวันก่อนก็เหมือนอดนอนอะไรล้วก็ทำแบบมีสติกไม่ได้พักก็ไปได้ครับนะครับพอดีเมื่อกี้ฟังคำถามของพี่คนสุดท้ายที่ถามแบบดูสนใจดูดูดูคิดอะไคิดตอบพอดีเนดที่เรื่องของยุทุกแล้วก็ไมดุลรู้แล้วก็ปัญหาที่อาจารย์สอนให้หยุดความอยาก เราคือเ็นที่าบสุดครับคือกคิดให้รู้เฉเฉครับอันนี้จะตัวตัวเวทนาอันนี้เราคือไม่ไปยุ่งกับมันใช่หครับให้รู้เฉเฉาว่าเป็ น, น, ย อ, นปอย่างนี้ส่วนสความคิดก็คื อ, อ, ก, อการที่เราอ่ก็คือเราไปปรับเป็นมักใช่ไหมครับก็คือคิอคอคดไปในทางถ้าเราไปเราหยุดมันไม่ได้ก็จะมีผใช่ไหมครับสังขารได้เป็นพักๆเป็นบางช่วงบางเวลาแต่มันไม่ขึ้นเลยไม่ได้ครับแครับอาครับ ถ้าเราสติแรงก็อจจะนั้นได้แต่ถ้ามันมันมันก็มีความคิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแทนที่จะไปคิดทางทางโลกคิทางโลกแล้วก็กลับมาคิดทางธรรมก็เป็นการเจริญมากยันงต้องความสงบก็จะเข้ามเราไม่คก็เป็นอไรที่สติแต่ครับทจิตจะไม่ไม่ฟุ้งซ่านจิตจะสงบทาแม้ไม่นิ่งแต่มันก็สงบมันไม่ไม่ไม่มีอาร อย่างนั้นเราก็เดินไอ้ยังนี้ก็เป็นเดินอริยสัจก็ได้ทําสามารถทำได้ตลอดใช่ไหมครับก็จริงถ้าเราไม่ได้ทุกอะไรถ้าเรามีความทุกเกิดขึ้นปุ๊บเราก็ไปจับตรงนี้ครับใช่หรือว่าสมุทยอะไรแล้วจะสนะไม่ได้หรือเปล่าอนตัวอยากนั้นหยู่ความอยากได้หรือเปล่าหยุนได้หรือเาครับได้ครับเดี๋ยวออกไปปฏิบัติครับถ้าหยู่ด้วยปัญญาไม่ได้ก็อยู่ด้วยด้วยสติไปก่อนสติครับสองอันนี้ก็คือเป็นมาร์กที่จะไปแก้ ที่สุดก็คือมันก็คือหมดทุกข์มันก็หมดว่าง<ช>ขเขปล่าเขาไม่ต้องมมมมไ ม, บบงม่ไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วก็มีความสุขไม่ขั้นยะืนและขั้นวิปัสสนาแล้วไม่ต้องเข้าสมาธินะครับอต่นี้ต้องทาสมาธิก่อนเพราะถ้าไม่มีสมาธิสติมันไม่มีกำลังพอที่จะสู้ครั บ, รบใช่ครับมีความายอยากมันมามันก็สูสู้มันไม่ได้ครับเราเป็สมาธิก่อนคับเพราะรู้อยากตอนนี้เราก็หยุดมันได้ ครับรอเอาเอาเอาไ อ, า อ, าอา้ตัวตรงข้ามกังมันไปนสุดภาคก็เอาสุด้าไปสู้นี่นนะครับผ ม, ผมนะครับอาจารย์ครับพณีผมมีในการเนี่ยมันจะวัดความเครียดได้ครับอาจารย์เวลาเข้าสมาธิอ่ะครับความเครียดมันจะคล้ายๆกับตอนที่เราเราหลับเลยอะครับอาจารย์ การหลับกับการเข้าสมาธิเนี่ยมันมันมีความแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับคือเข้าสมาธินี่เราควบคุมความคิดได้แต่เวลาเราหลับี่เราควบคุมไม่ได้บางทีมก็ฝันร้ายทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาไม่ไดครับแล้วเวลาที่เราเวลาเราหลับไม่มีสติควบคุมความคิดเวลาผมเข้าสมาธิกลางวันนะครับเครื่องมันจะบอกว่าเรา เราหลับกังวันนะครับอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเราเราก็รู้ตัวอยู่นะครับใช่ารยมันวัดตัวตัวรู้ไม่ได้มันก็วัดตัวเครเียดได้แต่มันวัดตัวตัวรู้และตัวสติไม่ได้ราไม่รู้ว่าเราหลับหรือเราเราตื ค, ครับแล้วเวลาถ้าเราจเจริญปัญญามากๆปุบเราเหนื่อยแล้วก็เข้าไปในสมาธิไปชาร์จอย่างนี้ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช้ใช่ต้องหยู่ครับหุดพิจารณาทับเหนื่อย ทาจิจให้สวออกให้เป็นเบก้าก่อนว่าถ้ากลับมาพิจารณาครับ <ทำ S 1> ครับข อ, ขอบคุณครับอาจารย์ครับผม เ, เห็นคุณก๊อฟคุณกอ๊ณกอฟยกมือนะไนาทีนะไม่ให้เกินนะ อ, อ๋อคือจะบอกว่าตั้งแต่แต่ว่าเหมือน เหมือนเหมือนตอนที่ตั้งแต่ออ่ปลายปยีครั บ, บ, บคือบ้านที่บ้านแบบมีปัญหากันมากแล้วก็ทุกกันมากออ่พอพระอาจารย์แนะนําแล้วก็นำธรรมะมาใช้แล้วก็ที่บ้านหรือเมื่อกี้ครับผมบอกให้แม่แบบว่าเอามาช่วยฟังแม่ก็บอกว่าให้ลูกฟังเป็นคนเดียวแล้วก็มาบอกที่บ้านด้วยคือที่บ้านเราแบบว่ามีความสุขกันมากตัวแบบมันมีเงินเป็นหลายหลายแสนก็ก็ซื้อไม่ได้ครับสิ่งที่เราเออกมาปฏิบัติครับครับพี รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงอะไร น, น, นะครับอาจารย์รถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงครับก็ก็ก็คือแบบว่าอย่างนั้นเลยครับครับทำได้ครับถึง ม, มากกว่าร้านๆเป็นร้านๆทันร้าน้อย ร, ร, ร, ร้านข้าวสุกทำมาไม่น่าครับครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณไปเลยครับขอรับราชการรับใจรอบกัน นี่ว่าคุณเอไม่ได้ครับเขาฝันว่าเพื่อนเขาที่เสียชีวิตไปแล้วครับนานแล้วนะครับเขาบอกว่าว่าเดี๋ยวเขาจะย้ายที่อยู่แล้วครับซึ่งอแล้วเขาก็เลยไปถามลูกสาวของขอ ง, ของเขาจริงๆครับว่าเอะเธอจะย้ายที่อยู่เหรออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาจะย้ายที่อยู่จริงๆด้วยครับมันมีอย่างเงี้ยมันมีมันเป็นปรากฏการณ์อย่างนี้มันมีจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์มันมีก็มันปรากฏนะครับเวามันจะแม่นทุกครั้งลูปลต่างนะถ้าตรงกลาง ขนาดจะเป็นทุกข์มันก็ต้องดูว่ามันฝันทุกครั้งต้องตรงกับความเปนจริงทุกครั้งหรือเปล่าถ้าตรงกันทุกครั้งก็แสดว่าฝันแน่นถ้าไม่ตองถือว่ามันอาจจะฝันไม่แน่นปกติเขาไม่เคยฝันแบบนี้ครับอาจารย์ก็แค่ก็ให้สังเกตไปดูไปไม่ต้องไป ย็นดีไล่กับไม่ต้องไปลองลอะไรอะไรอย่างนี้แสดงว่าการที่ที่ที่ทบอกว่าผีก็คือจิตที่มันยึดติดในโลกนี้ก็คือเขาก็จะยึดติดอยู่นานตลอดเลยไหมก็จนกว่าแรงยึดติดขอเขาจะหมดเออแล้วมันคือถ้าเกิดยึดติดจนหมดนะครับหรือไม่เขาอาจจะต้อง เวลาเขาก็จะไปเองไหมครับอาจารย์ก็ไม่ของเขาไม่ต้องไปสนใจกรรมใครกรรมมันไม่วานไม่ได้ครับขอบคุณครับครับอาจารย์ใครทํากรรมะไรไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลกรรมนแจะมากจะน้อยจะนานไม่นานเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถไปวาดได้ครับก็เหมือนเคยได้ยินเหมือนกันเพราะว่ามีคนเคยถามว่าจะทําบุญให้บรรพบุรุษนานเท่าไหร่หรือเขาไปเกิดอลไรเงี้ยครับ ผมก็เคยแนะนำเพราะว่าก็ทําเราทําสบายใจเราก็ทําไปแล้วกันคือไม่ต้องทํามาได้ส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่มาเข้าไม่ถ้าเขาไม่มาขอก็แสดงว่าเขาอาจจะไม็รีไม่ไม่เดือดร้อนแสดงว่าเราไปถูกสอนให้ทํำบุญทุกครั้งให้ทปบุไปทำจรินการบุตรจริงจนิงต้องรอให้เขามาขอเองก่อนถ้าไปบุตรไปเช่นมาเข้าฝันแล้วบอกว่าเขาเดือดร้อนนั่นก็หยิบข้าวไม่เป็นข้าวปินนะมีอย่างเพื่อทําุญสบาตรได้ครับ ครัเขาไปมาขอทานเขาเขาไม่มาขอทานกนะ็แสดงว่าเขาเขาพออยู่พอจริงเขาไม่มาขอลเกาไม่ต้องทําตลอดเวลานะทำเวล า, าที่เขามาขอเท่า น, นี้แล้วเขาไม่มาขอก็แสดงไม่ทําไม่ทำก็ได้ทาก็ได้ครับอันนี้รู้สึกตัวเองโชคดีคำเทศมาฟังทำพระอาจารย์แล้วได้ทําบุญครับจะได้ตายไปไม่ต้องไปขอใครครับชโอเคนะ ขอบคุณครับ เ, เที่ยวเหมือนเวลาแล้วน่าสนุคืนนี้เราทานี้ก่อนนะกขอให้ท่านทงดาวมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิด พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจาริญข้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ